การพรบิลัยเชิญกลับถึงบ้านแล้วนะกลับมวัชการค่ะยังไม่ได้กลับเลยค่ะกลับมาณพิษค่ะมาณพิษค่ะลูกๆพามาคลายเครียดค่ะมากันหมดค่ะค่ะตังวันนี้พอ ขอรับฟังข้างนอกค่ะได้แล้วคุณขอเข้ามากราบได้ได้กราบก็มีสุขทางใจแล้วค่ะดีใจขอให้มีความสุขมากนะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะกราบคุณค่ะนั่นตอนนี้ก่อนนะค่ะคุณค่ะไปที่คุณมาลินต่อมาลินกราบนมัสการครับหลวงพ่อ ออขอคำแนะนำเรื่องแก้การท้อทแท้ในชีวิตทางโลกหน่อยครับหลวงพ่อเพราะมันน้องกระทบกระทันงหลายอย่างก็เวลามันเกิดการท้อทแท้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันก็หายไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเหมือนกับมีปายุฝนมาอะไรนี้ก็ทำใจเฉยเฉยไปพูดโธพุโทโธไปไม่ต้องไปทำอะไรเข้าใจไหม มันเป็นยิางนี้เวลาที่ไหนเหรอเห็นไหมมันก็มาร์เดียวมันก็ไปไปแล้วเดี๋ยวก็มายิ่งเป็นดิ้นมันยิ่งยิ่งเหมือนกับรัดคอตัวเองให้มันแน่นขึ้นบทียิ่งพยายามจะไปแก้ไปเยมันอยู่เฉยพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปรเดี๋ยวกันทอดแท้มันก็หมดไปอันนี้จังทุกอย่างอันนี้จังทุกอย่องมันตา เราเจอบางเรื่องแบบเราทำผิดพลาดไปแล้วมันผ่านไปได้วให้กลับมาอยู่ปัจจุบันครับมันมันความฝันเมื่อกีนนี้ฝันไม่ทำนู่นทำนี่ฝันไม่ฆ่าคนมันก็ผ่านไปแล้ครับไม่ต้องไปคิดถึงมันเลเราไปจะมี็นบากตามมาให้มันตามมามตาถึงเวลาก็บ้างกันไปก็ถ้ารู้ว่าทำผิดก็เอามาเป็นบทเรียนต่อไปอย่าไปทำมันอีกก็แล้วกันครับ ทนแล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมีความทุกข์ตามมาันแต่มันทำไปแล้วมาคิดซ้ําๆมันก็ยิ่มามาทุบถั่วตัวเองซ้ำซากไปทำไมใหรือ ม, อ ม, มันแปลไม่ดีกว่านกครับอบมาอยู่ปัจจุบันวุฒโธวุฒโธวุฒโธ ก็มื่อขอกําลังใจจากหลวงพ่อแค่นี้และครับแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามพยายามฝึกสติฝึกพูดทอยมากๆเนี่ยจะช่วยเราได้มากเวลาในความทุกข์ใจเวลาไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไม่ต้องไปแก้เลยเฉยๆเลยพูดทอยพูดทอยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเหมือนเมฆหมอกที่มันพัดมาแล้วเดี๋ยวมันก็พัดไปยิ่งไปยุ่งกับมันมันยิ่งไปดึงไว้มันอยู่อยู่อยู่ยาวไปอีก อ น, นี้มันรวมถึงอาการสับสนในตัวเองด้วยใช่ไหมครับหลวงอาการสับสนก็หยุดมันอสับสนก็หยุดมันพูดทอพูดทอพูดทอดไปหยุดคิดอาการสับสนก็เกิดจากความคิดของเราคิดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันก็ถ้าคิดดยปัญญาทุกอย่างมันเป็นตายรักก็จบสับส น, นทุกอย่างมันลงที่ตายรักเร <Okay. S 1> าไม่คิดกันคิดไม่เป็น ขอบคุณมา ก, มกรครับหลวงพ่อพอใจไหมครับอใจนะทําได้ไหมต้องทําให้ได้ครับหลงวงพ่ อ, อทําได้เราจะมีความมั่นใจอ่อไปจะไม่หวั่นไหวกับเหุ้การณ์ต่างๆนําเหมือพวกคนที่นั่งอยู่ไอ้เครื่องแน่นใช่ไหมที่เครื่องร้องที่มันเครื่องแน่นที่โรลเลอร์คอสเตอร์เลยเห็นไหม เ, เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลง ชีวิตเราก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าขึ้นเดี๋ยวว่ดีใจสุขแด้วก็ลงตมำเราก็ไปบังคับมันไม่ได้เราเป็นคนนั่งค น, นั่งไปกับมันไปใช่ไหมครับทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็อย่าไปทำมันครับ ขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบพระคุณมากครับ okay. คุณนันทพนตทมค่ะ น, นวสการจะข่าขอพอระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารเจ้าค่ะคุณทมวันนวสการเจ้าค่ะพอระอาจารย์เอ่อยมอยากจะเรียนถามว่า เราจะทราบได้ยังไงว่าเราเราทําอยู่บนเราเดินอยู่บนทางสายกลางในในในทุกๆเรื่องที่เราทำอะค่ะเออคือคือบาง uh, ทีจะสับสนว่าในหลายๆเรื่องเลยเราบางทีโยมจะสับสนว่าเอะอันนี้เป็นตัวตนเราเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเราเดินสายกระหังแล้วอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดินต่อไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ทางสายกลางก็คือสติครับนะให้มีสติไว้เป็นทางสายกลางถ้ า, ถามีสตินําหน้าทุก อ, อย่างมันก็จะเป็นทางสายกลางมันเอ ง, เองใช้สตินําหน้ากลับค่ะตั้งใจสงสัยเรื่องอะไรกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจมันนิ่งมันสงบแล้วนนี่แหละคือนทางสายกลางเจ้าค่ะ เราขอบคุณเจ้าค่ะไม่ต้องไปวิเคราะห์มันมากสายกลางไม่สายกลางถ้าสายกลางที่แท้จริงก็คือสัมมาสตินี่แหละสายกลางสัมมาสตินะคะสัมมาสติให้มีสติคอยยับยั้งความคิดปูกแต่งต่างๆความคิดหย้บๆนี่มันเต็มไปด้วยโมหะวิชามันก็สับสนมันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีหลัก ต้องทำจิตให้สงบแล้วมันจะมีมีมีจุดที่มันจะวัดทางสายกลางของมันเองแล้วค่ะขอขอบคุณพยายามใช้สติให้ใช้จิตมันว่างจิตมันสงบแล้วก็พยายามรักษาให้มันสงบหนึ่งอันนั้นแหละคือทางสายกลางดู่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะ เมื่อจิตไม่สงบสับสนก็นหยุดคิดมันแค่มันกลับมาที่ที่สายการก็คือที่ที่อุเบกขาที่ที่ที่สมบทำจิตที่สบแล้วมันก็จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างพอทบทวนโดยได้ว่าอไหนมันถูกมันผิดนเะจ้าค่ะชัดเจนเลยเจ้าค่ะ ทำให้ okay, เส่นเดี๋ยวจะมองนะเอาความสงบนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเส้นวัดทางสายกลางเจ้าค่ะไอคิดมีความสงบแล้วมันก็จะอยู่ในทางซ้ายกลางเจ้าค่ะมีขามีเบิดขาคือทางสายกลางเจ้าค่ะสัจจะว่ารู้แต่ไม่มีอารณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ไม่รัดไม่ช้าไม่กลัวไม่หลงสัจจะว่ารู้เจ้าค่ะ ให้เอาฝึกสติให้มากๆเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะให้ไกไปทําตามเจ้าค่ะลาไปคุณหมอท้าสนาจารยารรมสัพพันพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอยคุณหลาคนคุณชัยวันนี้มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคําถามแรกเนี่ย ก็อาจารย์พระอาจารย์ได so so re so the so so so yeah. ้ตอบไปแล้วเมื่อตอนบ่ายแล้วที่จะถามพระจะเรียนถามพระอาจารย์พราะอาจารย์บอกว่าการใช้การที่ให้เราอยู่สายกลางเนี้ยเอ่อให้เราใช้สติอพระอาจารย์บอกว่าให้ใช้พุทโธแต่ตัวเองชอบแบบชอบมรณะรู้สติอะค่ะชอบแบบหายใจเข้าก็หายใจเข้าไปหายใจออกก็ตายอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าใช้ได้ไหมเพื่อนพระอาจารย์ตอบไปแล้วก็เลยก็เลยว่าก็เลยก็เลยอันนี้ก็เลยไม่ได้ถามค่ะ ก็สรุปว่าเราก็ใช้ถ้าเกิดเราจะมีรักชังโกรหลงล้วก็ใช้สติในการสติกับปัญญาแต่ตอนตอนช่วงนี้ก็ไม่ยังไม่กระเทื่ยมนะพระอาจารย์คือมันยังมันยังเพราะเราเราใช้กายยาคตาสติคุมอยู่ด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เตรียมมองรัลลุสติเอาไว้ก็เลยยังไม่มีกับยังยังไม่มีรักชังอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้ามันเป็นรักไปชางก็แสดงว่ามันออกจากจุดจุดกลางของมันของจิตนะเบเดขาคือเป็นเหมือนตาช่างมันเตรงจุดที่สูง แล้วก็เตรียมไว้ตอ่รัดช้ชชางมันก็ไปไปบวกไปลบจากศูกนย์ไปบวกในลบหนึ่งไปแล้วก็ใช้สติเองมันกลับมาที่ตะที่ศูใหม่ ใ, ให้ น, <ทำ S 1> นจิตัวให้จิตนิ่งเฉยสัตว์แต่ว่ามไม่รัดไม่ช้างไม่ยินดีรัดก็คือว่าถ้าอย่างนี้ยก็เหมือนกับที่หลวงตามหาบัวท่านเทศท่านบอกก็คือ ก็ใช้อ AH bueno. uh, ันไหนก็แล้วหกคือถ้าตาไปที่ไหนสติปัญญาไปถึงนั่นหูไปที่ไหนสติปัญญาไปถึงนั่นหรือคือใช้ตรงนี้คุมไว้ตลอดใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่าก็คุมดูจิตเราว่าไปนี่ไปรักระชากับรูปเสียงกลิ่นว่าเป็นแบบไปยินดีร่ายกับรูปเสียงกลิ่นว่าด้วยแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองที่มันเกิดในใจก็ไปยินดีร่ายกับมันว่าอย่างเมื่อกีคุณเระติษฐานว่เกิดมีอารมณ์ท้อแท้เนี่ยมีอารมณ์ท้อแท้หนักก็ไป ไปช่างมันมันต้อยิงไปกันใหญ่เนี่ยไปช่างทาใจให้เป็นกลางทําใจให้สงบให้ว่าไปแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปได้แล้วก็คําถามมาพระอาจารย์คือจะจดกัดเป็นถาม พ, าราาพระอาจารย์ว่าอหลักใจอย่างพระอาจารย์หลักใจอะไรหลักใจตัวเนี้ยคือหลักใจสติ <c oughs> กับสมาธิ <c oughs> กับอุเบกขาเนี <c oughs> ่ยเป็หลักใจ ทุกทกๆอันเลยใช่ไหมฮทุกๆเรื่อเริ่มต้นขั้นกลางขั้นอะไก็คือสามอันนี้เลยอต้องมีสติ American. เมื่อจะได้สมาธิได้เบิกขาแล้วก็จะได้หลักใจนะครับพอเราชำนาญด้านสติด้านสมาธิแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนจากใช้สติมาใช้ปัญญาเพื่อรักษาหลักใจให้มันถาวอร์ไปรัลไฟช่างอะไรก็ใช้ปัญญาด้วยแต่แล้วมันไม่เที่ยง ไปยุ่งกับมันก็จะทำให้รับทุกมันมียุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์ปล่อยวางกํากลังกําลังพยายามเลี้ยงตรงตรงนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ยังยังทําได้เพราะว่านั่งสมาธิแบบเป็นเอาไว้แล้วก็ อ, นอนานหนังสือธรรมะค่ะนี้ก็ไม่มีคําถามพระอาจารย์เพราะว่ามีแค่สองคถามเดี๋ยวทำต่ออาจารย์นะเมื่อตอนให้พยายามฝึกสติให้ชำนาญให้สามารถดึงจิตไว้ให้มันอยู่ตรงกลางได้ไม่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับอะไร ไปจับแต่ว่ามันเฉยๆพอมนไปร่างไปฌานไปเยินดีๆได้ก็พุทโธพุทโธเดนมักลับมาให้อย่าไปอย่าไปอย่าอยู่กับเขาพอจะไปพอจะไปอยู่กับใครเดินมันกลับมาให้อยาบเราใช้มรณะรูสติได้ัหมมันจะว่ามันจะวัยมากเลยคือตัวเองจะชอบใช้มรณะนูสติแทนพุทโธได้ไหมคะพระอาจารย์พรรู้สึกว่ามันจะไวัยคือพอเราไป็นคปฏิบัติเมื่ถามเราได้ไงคุณเป็นคนปฏิบัติคุณก็ลองดูได้หรือไม่ได้ รู้สึกเงี้ไว้กวกัพุทโธอยู่แค่ใจนี้หม ว, ว่าก็มันมีสติสติแล้นี้ต้องที่ต้าสตินี่ต้องสี่สิบชนิดกรรมฐานว้าวเลอาจารย์ชอบสิอสุภะกไ็ได้ปฏิกรูก็ได้มันแล้วแต่เราไปยินดีกับอะไรนะถ้าเราไปยินดีกับอาหารกับปฏิกรูนะเห็นพิษทรงพิษซากายขนุนชะล้างไปไหมนี่ค่ะเป็นตัวงชอบ ชอบโบราณรู้สติเหรอพระอาจารย์รู้สึกว่ามันไวแล้วว่ามันเห็นว่าอายุขนาดได้ไงพระอาจารย์รู้สึกว่าแล้วมันมันใช้ได้กับทุกอย่างหรือเปล่าโบราอ๋ออกมาแต่มันใช้กับคนถ้าเกิดว่าเป็นอาหารมันก็จัดการไปแล้วเพราะจัดการด้วยอาหารอย่างที่เรียนพระอาจารย์ก็คือใช้อาหารเละอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือว่าให้คือว่าเราไม่ใช่อย่างเดียวเราอยู่ที่ว่าไอ้ตัวที่เข้ามาคืออะไรเข้าใจแล้วพระอาจารย์คือโบราณอันนั้นเป็นปัญญาโบราณรู้สติมันเป็นปัญญาอ๋อ เห็นเห็นนั้นอานิจังเลยมานาสติอั น, นิจังอ๋อเอสุภาษกาณ์ น, นี้ก็เป็นปัญญาอ๋อค่ะเร่องสตินี่ตัวเองจะใช้การส่วนใหญ่ใช้กาย ก, ยกตาสติค่ะพระ<น>อาจารย์ก็คือใช้คือพยายามทํากายกตาสติแบบเขาตั้งแต่ตื่น ข, ขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็เดินก็พยายามใช้กยายกตตาสติอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเวลาที่จิตมันไปยุ่งกับอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูเป็นโคก็ได้นะอาจารย์พร้อมเลย ได้ครับอาจารย์แต่ตอนนี้ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่กับเพื่อมถ้ากระเพื่อมจะลองดูว่าพุโทโธแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นมรณานู้สติได้ก็จะใช้มรณานุสตินะครับอาจารย์นนได้ถ้าโลกอยากได้พูดได้เองคิดถึงความตายว่าจะหยุดความรู้ได้ความโกรธ ด, ด้วยพระอาจารย์คือถ้าก็มีคนเนี่ยมรณะรูสติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตา ย, ย, ตายมันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะไม่กระเพื่อมเลยพรรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรในโลก คุณนิสาอย่าเพิ่งยกมาเลยนะไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าคิวเดี๋ยวถ้าอยู่ตรงนั้นจะไม่ได้พูดนะว่าถอดไอ้ตัวมือออกก่แล้วเดี๋ยวมันจะขยับไปอยู่เพราะว่าต้องรองไปตามคิวที่เขาโผล่ขึ้นมานะโอเคนะคุณหมอเขอ้าใช่ไหมหลายใจขอบพระคุณมากครัาาโอเคแล้วคุณเอกต่อคุณเอกการนมัสการพระอาจารย์ครับอ่า มีอะไรไหมวันนี้เ อ, อวันนี้ไม่มีครับพระอาจารย์เข้ามากล่าวพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังเติมพลังจิตจากพระอาจารย์พระผมสติเป็นยังไงบ้างดีไหมตรงนี้สติก็ดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นลงครับพระอาจารย์บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบะคะรับบางวันก็อยู่กับเวทนาได้จนจนครบเวลาที่ได้ตั้งไว้นะพระอาจารย์แต่บางวันก็ก็ไม่อยู่ครับ ต้องสติตลอดเวลาไม่ใชเพาะแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นครับผมครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเดินเวลาอะไรนี่ผมก็คิตลอดเลยครับอยากให้มีสติอยู่กับตัวอยาปล่อยให้ใจมันไปที่อื่นอย่างไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตพยายามดึงให้มันอยู่ในปัจจุบันตลอดนะครับผมครับเพราะผมเองก็ปฏิบัติอยู่ตลอดนะครับพระอาจารย์ตื่นตีสามคึ่งก็ปฏิบัติจนถึงหกโมง จงเย็นรอทุ่มพุ่มเดืึงสามทุ่มครึ่งครับอาจารย์ความเพียรไปยาวอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นันะ่นนะเราเราอยวกลนละความเพียรนะต้องคัดเพิ่มคารเพียรขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ก็รู้ถึงคําสั่งสอนของพระอาจารย์ที่บอกว่าเอ่อให้ทําเหมือนกับเรากินข้าวอะครับก็ทําเรากินข้าวยังไงก็ทําแบบนั้นนะครับผมก็พยายามทําอยู่นะครับพระอาจารย์ นี่เป็นปฏิทินต่อไปนั้นนะครับผมครับผมกับขอบุล พ, พระอาจารย์ครับผมคอคุณบังรดาจากสัตตีชุมบุรีกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะตอนนี้เข้าเข้าเข้าเก็บตัวไหนก็นะวเทนะ่าหรมาทำโอทีค่ะโอทีแ้วถามอาจารย์ก็ดีค่ะสงบดีช่วงนี้มีคนไปขึ้นมาเยอะเนี่ย เยอะรู้สึกว่างแค่หลังเดียวเองค่ะว่างแค่เดียวนะถ้าตอนที่หนูมานะคะหรือว่าว่างกว่างจอกค่ะก็ น, ะ น, นั่ ง, งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะนั่งนั่งสมาธิมาที่มาคราวเนี้ยค่ะก็ก็ก็ยังยังนั่งอยู่ไอเทียมันเจ็บอยู่ด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็มันมีมันจะ ม, มีแบบว่ามันเหมือนมันอยากจะอยากจะลุกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็นึกที่พระอาจารย์บอกว่า อย่าไปลุกอย mm ่าไลุกนั่งต่ออย่างนี้ยค่ะอ mm hmm. นั่งตอบไปมันก็เหมือนมันอยู่กับความเจ็บได้นะคะอยู่ใจมันก็ไม่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เลยครับนั่งคืนน mm hmm. ั่งแต่มาเนี่ยเคยรู้ว่าเจ็บเฉยๆเลยมันมันไม่ไม่เป็นเหมือนทุกๆครั้งแม้แต่นี้เวะทุกครั้งมันจะมีมั่งนิดนึงแต่อันเนี้ยมันจะมีรู้สึกเหมือนแต่มันยังติดอะไรอยู่อย่างนี้ยค่ะหนูก mm ็เลยก็ เหมือนพอ น, นึกได้พระอาจารย์ว่าอย่าไปลุกไม่ลุกนั่งต่อเสร็จมันก็ไปมันเข้าไปเหมือนกับพอพอดูพิจารณาไปสักพักมันจะไปมันไปเจอตัวที่อยากไม่เจ็บพระอาจารย์มันยังมีอยู่ในใจในใจเราเนี่ยก็บอกว่าปตัวเนี่ยเป็นตัวปัญหา พยายามไม่เจ็บแล้วมันก็เลยทุบขึ้นมาในใจมันเหมือนเราไม่มีแต่มันมันยังอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์เหมือนเราเอออยู่ไดพยายามเปลี่ยนใจแต่ว่าต่อไปนี้อย่าพยยามไม่เจ็บอยากให้มันเจ็บน้องเปลี่ยนค่ะเจอมันอะแบบพอาเจอเอ้ามันยังมันเหมือนมันยังมีเรารู้เลยว่ามันมันยังมีอยู่อ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยหนุหนุหนุก็เอามันก็คือตันหาอกปาถานเราไปยึดมันอยู่ พอเจอพอมันคิดถึงอุปาทานปูว่าพายจามันมันเหมือนปล่อยลุกโป่งเลยมันเบาเลยพปล่อยขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบเอ้าอยู่อยู่กัมันได้ไม่เดือด้อนมันไอที่เหมือนมันติดติดอยู่นั่นนะคะมันเหมือนแบบอะได้เคลียร์ค่ะเราอยกจะทำไปเรื่ยค่ะก็เลยวันต่อมาก็ทําอีกก็ทําอีกก็ทาอีกเงนี้ยค่ะ ตอนนี้ก็ท<ำ>ําต่อไปไม่กลัวความเจ็บนั่งอยู่กับมันได้มันเบาๆมันรู้สึกเบาๆค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ประมาณนี้ค่ะดีทําต่อไปนะค่ะพระอาจารย์อยีก ว, วันหน้าวันนะตอนนี้ห้าวันเจ็ดว <7 S 2> ันค่ะเจ็วั น, นเคยขอบพระคุณข้าพระอาจารย์ขอบคุ ณ, คณแนนต่อแนนจากบุรรัมย์ <ท>มีอะไรไมวั้ไมีคำถามค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีนะเป็นอ่องแบกบอวินเปลีนนมัธกษาค่ะว่าอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะกลัวหรือยังก็ลดลงค่ะลดลงอยู่คนเดียวได้ยังไม่กลัวนะอยู่คนเดียวได้ได้ค่ะพระอาจารย์วันที่ห้าธันวาที่จะถึงนี้รู้จัก เป็นวันที่ครบรอบรู้จักพระเจาหนึ่งปีค่ะอ่าค่ะหปีแล้วนะเวนักปุ๊เดียวเดียวค่ะก็รู้สึกว่า ก, ก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้แต่ก่อนสิบนาทีก็เป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยค่ะออก็ดีมากนะปีหนึ่งเมื่อดูย้อนหลังแล้วก็จะเห็นความคืบหน้านะค่ะแฟนบอกว่านิสัยเอาแต่ใจลดลงห้าสิบเปอร์ซ็นค่ะอ่ออาเนะ เขาบอกว่าถ้าได้ 80% แล้วเดี๋ยวปฏิบัติตามเออเดี๋ยวรอยรอยเจ็บรอยเลยเขารอดูว่าเราได้ผลเยอะหรือเป่าค่ะใช่เดี๋ยวยังทำไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็เดี๋ยวปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจอยน้านทาบุรีหน้นทาบุรี เกค่ะเป็นไงทาใจได้ไหมได้แล้วค่ะได้ใช่ค่ะพอทีนี้เขาดา่าเราไม่รู้สึกเลยค่ะใช่แล้วนะรู้สึกเฉยแล้วแบบเออทำไมไมันไม่เจ็บปวดคิดถึงที่พ่อจาย์สอนแบบจริงเลยอะไรอย่างนี้ยคะ่ะดีขึ้นแล้วไม่ทรนทุนลายไม่เจ็บปวดแล้วอย่าพยายามให้เขาไม่ด่าเราอย่าให้เขาด่าแลเราจะสมใจค่ะดีดีห้ามเขาไม่ได้เห้ามเขาไม่ได้ เขาจะชมก็<ฮ>ะมจะด่าแล้วมันเป็นเป็นเรื่องของเับค<ะ>่ะวางได้เยอะเลยแล้วกนะ็รู้สึกว่าใครจะชอบไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาใช่ทอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเขามันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาได้นี่เขาอำนาตะเป็นเหมือน<ะ>ดินฟ้ากันเราสั่งเขาไม่ได้แต่เราอยู่<ะ>กับเขาได้ใช่ไหมอ<ะ>าการลอนแล้วก็อยู่ได้อากาศหนาวแล้วไม่อยู่ได้ ค่ะนีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอ่นะพยายามอย่าลืมมนันแลอวันนะทำไปเรื่อยๆอยาอา่าท้อค่ะหนูหนูต้องเข้าหาพระอาจารย์เติมพลังผูกพุทธอยู่แล้วค่ะมารายงานเตอรว่ายังอยู่ดีถ้ามีความไม่สบายใจเมื่อไหร่แสดงว่านั้นไม่ปล่อยแล<ร>้วค่ะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะค่ะค่ะค่ะตัวข้าแม่ต่อ<ะ><ะ> แมนมาทำอะรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ไม่ไม่มีอะไรครับเข้ามารายงานตัวครับจะได้ไม่ขี้เกียจตอนอาทิตย์ครับก็ <Okay. S 2> ปฏิบัติต่อไปครับ <c oughs> ครับคไลฟ์ฟนสาตะกาอาจารย์ ไ, ได้ยินไหมคะได้ยินชัาเชียนพูดได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์คะจะถามเกี่ยวกับว่าคือที่นั่งอยู่อะค่ะมันจะแบบมีความคิดมาตลอดอะค่ะอันนี้คือตัดไม่ค่อยจะได้ค่ะพราะนั่นไปแล้วมันจะแทรกคิดคิดคิดไม่ห้ามมันไม่ได้แะแต่เขาให้เราอยู่กับพูดโทรไปให้เรามีอะไรเกาะไว้ใหม่ๆ ม, มันจะมันจะมันกำลังมันยังเยอะอมันแรง เรพุดโธเรายัางกำลังน้อยมาทําพุทโธพุทโธเนี่ ย, ยมันจะสร้างมาเขาไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปตอบต้องแต่นี่หนูหนูก็ที่พระอาจารย์สอนนะคะคือทานศีลอันนี้หนูว่าหนูหนูได้แล้วแต่ว่าภาวนาค่ะมันมันคือเพิ่งเริ่มทีนีออหนูก็ว่าจะเริ่มอีกตรงพุโทโธของพระอาจารย์เน่ยคือพอตื่นนอนอะ่ะมันก็พอได้แล้วจริงมันก็จะหายอะคะ่ะพระอาจารย์พอแบบ พอบางทีอย่างกับว่าเหมือนเนี่ยคือความบาลานซ์คือแฟนลูกกับลูกอ่ะคือลูกอ่ะเป็นคนชอบอยู่นิงน่งๆแต่แฟนลูกอ่ะเขาจะชอบแบบออกไปข้างนอกทีนี้เขาก็จะชวนลูกไปพอเข้ามาเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะเข้าพวกเกี่ยวกับ น, นั่งอ่ะค่อนข้างยากแต่ปกติอ่ะถ้าอยู่ที่ที่ที่ร้านเนี่ยค่ะลูกก็จะแบบนั่งฟังแต่ลูกไม่ค่อยดูพวก หนังพวกอะไรลูกจะดูของพวกระอาจารย์นะคะแล้วก็ดูพวกใบสองแล้วก็ดูพวกอันเก่าๆอะคะ่ะพวกดูทุบ ฟ, ฟังอะลูกจะรู้สึกว่าลูกนิ่งสบายอะค่ะอาจารย์อันนั้นจะได้กว่าลูกก็เลยก็การฟังธรรมนี่ก็เป็นทำให้เกิดความสงบขึ้นมาได้ คือพอนั่งฟังมากๆแล้วว่าเราจะรู้สึกว่าใจเรานี่งทีนี้พีตุงพุดโธลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะลูกจะทํำยังไงให้พุดโธลูกก่นแน่นลูกก็ไปเปิด y o u ูทูบที่เขามีพูดว่าพุดโธพุดโธพุดโธประมาณสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้เวลากับฟังใส่หูฟังอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะเหมือนกับถ้าเราถ้าเรายังพูดตัวเองไม่ได้ก็เอาของคนงอื่นมามาเก็บใจเราฝังก็ได้ แล้วต่อไปเราจะหัด<น>เราก็หัดพุดโธตามไปดใช่ไหมเพราะตอนหลังก็เราก็หัดพุดโธไปพอเราเริ่มแบบคอ้องแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจรนี้ลูกกห็หรือถ้าเราพูดโทไม่ได้จริงๆเรานั่งดูลมนั่นไม่กันดูวมหายใจที่ปลายจํามูกก็ก็พอได้ค่ะจรนี้ถ้านั่งนิ่งๆมากอค่ะ <ๆ S 1> ๆๆ ถ้าอาจารย์สมมุติว่าไม่ได้ออกไปไหนอ่ะค่ะถ้านั่งเนาจิตมั น, ม, น, ม, นมันไม่คิดอะไรเรื่อมันไม่คุ้นชานให้มันดูลราได้ก็ดูลราแทนทุกทัวรก็ได้เพราะว่าตอนที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าเห็นอะไรคือลูกจะจํา จ, จากที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นลูกก็เลยแบบอันนี้ไม่ค่อยอะไรแต่ลูกจะมี อ, อีตรงความคิดแทรกเนี่ยลูกจะตัดไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรมัน สติเรายังมันยังไม่ยังไม่กำลัง ม, ม, มากพอที่จะที่จะตัดมันก็เวลาเวลามันแทรกเราเท่าพุทโธแล้วสวดส่วดมนตได้ไหมที่ปิโสปอีทีปิโสก็ได้เพราะว่าทไปก็สอนว่าให้อิติปิโสไปทีนี้ลูกก็พอทีิปิโสพอมันเงียบพอได้แล้วอะค่ะเราจะตัดมาที่พุทโธใช่ไหมค่ะตัดก็ได้เนอถ้ามันเงียบมันไม่คิดก็ไม่ต้องอะไรให้ลูกเฉยเฉยไปก็ได้ ก็คือท่องอิติปิโสไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเอาไปจนการรู้สึกว่าจิตมันเบามันนิ่งมันมันไม่คิดปูดแต่งแล้วก็หยุดสวยก็ได้อ๋อแล้วก็ดู แ, แล้สักแต่ว่ารู้ไปอ๋อค่ะแล้วทีนี้ลูกก็เลยมีความคือลูกลูกมานั่งฟังอ่ะโลกก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะไม่ต้องรู้อะไรมากไปเรารู้แค่ว่า สติเราหาสติเจอค่ะพระอาจารย์แล้วเราฝึกจนจนคล่องแล้วเราอยากได้ความสงบความนิ่งเนี่ยมันมันมันแค่นั้นมันมันมันโอเคใช่ไหมคะเรายังไม่ต้องแอดวานไปถึงคนอื่นใช่ไหมคะอพอลูกให้เรามีสติแล้วให้เราเฉยๆกับทุกอย่างได้ก็ ก, ก็ก็ได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกอ่ะจะไว้คือลูกแพนไว้อ่ะค่ะว่า ประมาณว่าตอนแรกอ่ะคือลูกฟังฟังแล้วก็ทีนี้ตอนแรกอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเราว่าต้องตัดสินใจ<ม>เพราะว่าพอมาค่ะแฟนเขาก็พอเสร็จแล้วเขาก็บอกเธอเธอไปอย่างเงี้ยแล้วระวังนะเธอจะไปมีแฟนใหม่ลูกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกก็เลยณนะตอนนี้นั่นที่ลูกไอ้น่ะลูกก็เลยคิดว่าเดี๋ยร์น้าลูกจะไปอีกค่ะอ่าเฉยๆเ ว, ว้ไม่ต้องไปพูดกระชอนๆเดี๋ยวกนะ็จะ ลูปรูปไม่ได้ประชดใช่เฉยๆแล้วก็เขาจะพูดแล้วก็นับทราบให้แล้วก็ไม่ต้องไปกกไม่ต้องไปไปสุ้มไม่ต้องใส่ ไ, สไฟให้เข้าไปเดี๋ยวยิงไป <c oughs> ไปยุกเขาเดี๋ยวเขาไปมีจริงๆจะได้ฝึกดำที่ว่าอาจารย์บอกเออเฉยได้ไหมถ้าเข้าไป ม, มีใหม่แล้วเฉยได้หรือเปล่า <c oughs> แต่จะรู้ได้ปะ อันนี้ทุกอยากไม่เที่ยงทุกอย่างควบคุมบังคับเขาไม่ได้นะคะใช้ปัญญาคิดว่าเราห้ามเขาได้หรือป่าถ้าเขาจะไปมีใหม่จะยังไม่รู้ค่ะใช่เราไม่ห้างเขาไม่ได้แล้วตอนนี้ถ<ต>้าจะไปอ่าไปมีที่ไหนเราก็ไม่รู้นะไปไหนแต่ลูกก็เลยแบบว่าคิดว่าว่าลูกลูกพยายามแทนไว้อะค่ะเพราะว่าที่พระอาจา ร, รย์บอกว่าต้องหาความสงบอะค่ะ เพราะว่าไม่งั้นเพราะอันที่ที่เที่ยวที่แล้วที่ลูกไปมาลูกว่าลูกยังแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเพิ่งเริ่มไปแล้วมันเหมือนตัดชืบแต่ลูกอยากไปหาแบบสติให้มันแน่นๆนะคะ อ, อ่อาก็ดีนะไปอยู่คนเดียวมันจะได้ฝึกสติได้ดีกว่าค่ะค่ะงันไม่มีอะไรแล้วเจา้าค่ะโอเคอ่าท่านี้ก่อนนะยินดีจากอเมริกาเซาท์แคโรไลนะ่า ยังไงดีตัวเราเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอาจารย์แล้วทางทางทางกงสุนไทยเขาตอบรับมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะก็ได้วันได้วันเดินทางเขาเลยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะค<อ>่ะท่านอาจารย์ก็ต้องค้างข้างร ข, งาข้างโรงรเคืนนี้มันมาถึงที่ถ้าคือก่อนขึ้นเครื่องตอนนี้หนูนัดอ่าทางทางทางทางด้านอทางด้านที่เป็นแหล p อะค่ะ นัดเขาเรียบร้อยแล้วว่ามันจะต้องตรวจ PCR ก่อนครึ่นเที่ยง72ชั่วโมงอะคะ่ะมันก็เลยแบบทีแรกก็มุ่นวายนิดนเพราะเราไม่แน่ใจว่ามัน72ชั่วโมงตอนแบบว่าขึ้นเครื่องเพราะว่าเราต้องไปตรวจแล้วก็ผลมันจะออกมาก็คือภายใน48ชั่วโมงอะคะ่ะและไอ้48ชั่วโมงเนี่ยมันนับไหมอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มีใครเข้ากฎหมายแตก็ไม่ให้เกิน72ชั่วโมงถ้ามันอยู่ภายใน72ชั่วโมงก็โอเค แต่ด้วยความที่เราไปทานสิทธ์ไงคะท่านอาจารย์เพราะไปทานสิทธิ์ที่เพราะว่าเราขึ้นเครื่องจากที่นี่ที่อเมริกาแล้วก็ไปลงที่ปารีสมันก็เก้าชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์แล้วเราก็ไม่เ<ไ>ป็นไม่เป็นปหนญหาเพราเถือจุดหมายเริ่มต้นของเราที่เราเดินทางตั้งแต่นับขึ้นเครื่องเนี่ยก็ก็เลยแบบคือหนูก็เลยแบบก็เขาเขาาตรวจตอนเดียวนะตรวจตอนที่เราขึ้นเครื่องทางแรกน ทางพอเราขึ้นเครื่องที่ที่ปารีสเขาจะเขาจะดูอีกอะค่ะก็ก็คือด้วยความที่นั่นแล้วทางหนูอ่านรายละเอียดที่ที่ที่ทางกองสุนทไทยเขาเขียนนะคะที่ทางรัฐบาลไทยเขาเขียนเขาบอกนั่นหมายถึงว่าเอ่อเวลาทานสิตยูต้องห้ามแบบออกจากอิมิเกรชันนะคะใช่ก็ไม่ต้องออกจากที่นั่นไป่็ไม่ไม่ออกก็เท่ายังอยู่บนเครื่องอยู่ค่ะแล้วก็ก็คือให้ในรัะนี้คือตอนขาไปก็ ขอให้แบบไปถึงเมืองไทยก่อนนะคะท่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวคากลับค่อยมานั่งนับ ก, กันใหม่ค่อยค่อยว่ากันใหม่นะคะท่านอาจารย์ mm hmm. ไอเรื่องเจ็ดสบสองชั่วโมงเนี่ย ม, มันมันมันแลแบบวุ่นวุ่นนิดๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านอาจารย์ก็นับเราก็อย่างเนี้ยคะ่ะเป็นรู้ใครในนี้รู้เรื่องเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็ือบป่ถ้ามีใครมีความรู้ช่ยนะเป็นยินดีหลยก็ได้ไม่เป็นไรท่านอาจารย์เรอส่งแชทไปให้ก็ได้ถ้า้ ค่ะค <gesch> ่ะเมื่อไหร่อีกกี่วัน่ะนี่ว่าก็เลยแค่ยี่สิบวันเองค่ะวันที่สิบสองเดือนทค่ผ่านมาได้พบกันขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากความคิดถึงด้วยการท่านอาจารย์แล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพดีด้วยค่ะแข็งแรงะนอาจารย์ค่ะต้ผโลงใจนานๆค่ะท่านอาจารย์เป็นประธานในเลยประธาไใน นั่นพัรลัชัยพัทลักษ์ชัยมีไงน่าไงมีอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ครับเออเชียงใหม่พูดดังๆหน่อย ไ, ได้ไหมเสียงค่อยหน่อยอยู่เชียงใหม่ครับอ่ามีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีคําถามครับโอเคงี้นฟังไปเรื่อยๆนะครับผมมีเด็กเข้ามาฟังได้นี่เก่งนะ มันแสดเงเจตไม่ใช่เล่นๆนะใครแนะนําให้เข้ามาด้หรมีการบังคับให้เข้ามาหรือเปล่านะพัชรานัยกดให้เปิดเสียงนะใครใครบังคับใครสั่งให้เข้ามางับหรือเปลไม่มีครับสมัครใจมาเองเหรอครับแล้วฟังเรื่องอะไรมากขนาดนี้เนะีย ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะรู้<ถ>เรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องสติรู้ไหมเออรู้ว่าให้รู้ว่าพุทโธพุทโธรคร่ะเออเราลองทำดูดูหรือเปล่าครับ<ถ> ใ, ให้เราทำอยู่นะ<ถ>พุทโธนี่ดีนะเวลามีอา ร, รมณ์เสียกับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวกหาย อโอเคน ะ, ะเชิญคุณสุภปาปนาจากบอกวนตอบกล่วในมัศ ก, การพรอาจารย์เจ้าค่ะไม่ใส่หูฟังได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินท่าดีอย่างนี้ดีเออขอข อ, ขออนุญาตถามพระอาจารย์ไว้เป็นเป็นอประสบการณ์ส่วนตัวเจ้าค่ะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเรื่องที่เคยมีโยมถามพระอาจารย์ว่า หากเจอเอ่อที่เรียกว่าผี่เจ้าค่ะอาจารย์คุณโยมก็เป็นคนกลัวแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเราทําใจมาได้แล้วแต่เผื่อเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าเราไปเจอโดยกระทันหันเนี่ยพี่พระอาจารย์บอกว่าให้ยืนเฉยๆยค่ะเจ้าค่ะเพื่อเผือ่อว่าเขาคิดว่าถ้าเราตกใจแล้วเรากลัวเราจะไปทําร้ายเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยคะพระอาจารย์อ๋อ <c oughs> นี่เราพูดในการนีนเจอสัตว์ได้มา่า ไม่ได้มาเจอสัตว์ถ้าเรายืนนิ่งเฉยเฉมันก็จะมันก็จะรู้ว่าเราไม่ทํามันมันก็จะไม่ทําเราแต่ถ้าเราไปขยับอะไรขึ้นมามันอาจจะตอบใจที่ว่าเราจะไปทํามันมันก็จะมันก็ป้องกันตัวมันขึ้นมาค่ะเจ้าค่ะอันนั้นอันนั้นโยมพอทราบในเรื่องของเอ่อไม่ว่าม้าแมวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าในกอล์เราพาไปเจิเหมือนกันเลยก็เหมือนกันนะอัมันก็เป็น เป็นสัตวตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่ร่างตัวกลัวตายเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้เพื่อเอาไว้เพราะว่าจะเป็นคนกลัวมากเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เวลากลัวก็ยืนพุทโธพุทโธไปหลับตาพุทโธพุทโธไปค่ ะ, ะ, ะค่ะขอขอวันนี้มีเท่านี้ะะนะคะขอให้มีสติคอยเหนี่วนั่งจิตใจให้อยู่เฉยๆได้แล้วปลอดภัยไม่ต้องกลัวเขาเขาทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้หรอก ทำได้แค่ร่างกายถ้าก็จะทําแต่ถ้าเป็นเป็นผีเป็นดวงวิญญาณ ก, ก็ทําร่างกายไม่ได้เแล้วก็ทําร่างกายทําจิตใจเราไม่ได้บางทีก็อาจจะมาอยากจะมาทักทายอาจจะมาขอความช่วยเหลื อ, อจากเราก็ได้เราควรจะแผ่เมตตาถามว่าเป็นยังไงสบายดีเหรือมาจากที่ไหนตัวนี้ได้รู้ตัวนีบอกว่าจังค่ะ แต่เวลาไปไหนจะบอกเขาว่าอย่ามาให้เห็นนะครับเอนี่ก็ไม่เมตตาสิบอมาเลยถ้าอยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะมาอขอเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับให้สมัครเป็นเพื่อนกดไลค์ได้มะเขาไม่ทำอะไรล้วหรอกดูวิญญาณหนต่งตาเขาทำอะไรเราไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นทั้อาจจะเป็นญาติเก่าของเราก็นายญาติพี่น้องของเรา ที่เขเสียไปแล้วอาจจะเป็นญาติพี่น้องของภพก่อนชาติก่อนก็ได้เขาจํามาได้เขาก็มามาทากทายเราไปได้ถามไว้เผื่อว่าแก้ปัญหาหตัวให้ตัวเองเนาะค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรน่ากลัวเราต้อง ม, มีสติให้นัอดอยู่แล้วค่ะแ่้ค่ะค่ะขอพอบคุณทุกค่ะพระอาขอรย์มาขอฝากคำแล้วค่ะแล้วก็มากราบพระอาจารยไ์ได้ขอะคุณท่านน่าพลด้ว ข่าวท้องนอกรมกรมการเจ้าการครั บ, ม, รรบมีอะไรไหมคือของผมไม่มีครับก็มีแต่ว่าตะกี้นี้ที่ประเิเอิญได้ยินเอ่อพูดเอ่อท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของว่า พอแกะพรมเรื่องเวทนาได้เนเหมือนเหมือนลมออกจากทุกโกอย่างเงี้ยครับอ mm hmm. ซึ่งผมก็เคยมีมีประสบการณ์อย่างนี้ในในในในการที่มันเหมือนแบบว่าปัญหาในในในการทํางานเนี่ยพอมันหลุดไปในในสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอาการเหมือนกับมันมันเปิดท่อน้ําทิ้งอะไรไหลไปทั้งหมดเลยอาการอย่างนี้มันเป็นธรรมอารมณ์หรือเปล่าครับเขาเรียกเป็นธรรมอารมณ์นะครับ มันมันไม่มีชื่อหรอกมันมันก็เป็นอาการอยู่ภายในใจของเราเราจะเรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์ก็ได้มันก็เป็นสภาวะอย่างเข้าใจเป็นใจครับให้ปล่อยวางมันก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อสมาธิก็ได้เรียกว่าความสงบก็ได้ครับแต่อาการนั้นเหมือนว่ามันมีอะไรที่มันหนักๆนี้มันไหลออกไปหมดเลยไหลแบบอ ืมัอกปอย่างโล่งอกโลองใจเคยนําออกหนักใจมันก็เหมือนยกภูเขาออกจากออกไปครับครับแล้วเรายกเราไปแบกมันไงครับไปแบกภูเขาครัด้วยอุประทานด้วยความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บยึดถือว่าเป็นของเราอย่างนี้อย่างนี้ยึดมาเป็นอย่างนั้นพอเราปล่อยตั้มมันก็เบาครับครับส่วนของคุณ ของของปาร์ามีคำถามครับอาจารย์นะคะเมื่อเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมาเจ้าค่ะเราหลับตาอยู่ค่ะแต่รู้ตัวว่าตื่นแล้วอะค่ะแต่ว่าในสภาวะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเรากําลังทําสมาธิอยู่เลยค่ะคือมันใสหนูก็เลยแต่รู้ตัวว่าตื่นนะคะก็เลยกลับมาที่ลมหายใจต่ออะค่ะอันนี้ถือวเราตื่นที่มันมีสติถเรารู้ตัวแสดงว่าเรามีสตินะเจ้าค่ะ ตปทำสมาธิได้ในท่านอนก็ทำได้ถ้ามันไม่หลับมีข้อหนี้เจ้าค่ะโอเคยันคุณเอกต่อคุณเอกอยู่ที่ที่ไหนกิตกรกอนะกินกนวัตการครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ตรงแค่ใช่ไหมครับจุงเด็บครับ ม, ร ม, มีคําถามครับก็ ส่วนตัวเนี่ยปฏิบัติทำมาประมาณสักสามปีครับอาจารย์แล้วก็ความโลภโกรธหลงเนี่ยน้อยลงแต่ว่าตัวปัญหาเนี่ยเรื่องความโกรธเนี่ยก็ยังเข้ามาประจำแต่ว่าเข้ามาเนี่ยมักจะมากับคนใกล้ตัวครับเช mm hmm. ่นภรรยาหรือลูกเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมีแนวทางยังไงครับเพราะว่าเราไปหวงังจากเขามากกว่าคนนี่น ต้องรุนละความหวังทำต้องการอะไรจากเขาเราหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นเราไม่ค่อยหวังใช่ไหมแต่คนใกล้ตัวเราลู้เราแล้วก็อยากจะให้เขาได้ดีอะไรทำนองนีแต่เราไปควบคุมมากเกิไปสั่เขาไม่ได้ดังนั้นตามที่วิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างเร่อย่าไปหวังเอาตามที่เขาให้มา ก็ให้นะมาก็เอาอย่างนั้นาจนะแล้วก็จะไม่โกรธไม่เสียใจไม่ผิดหวังอยากให้ไปตั้งความหวังไว้แล้วไม่ได้นักใจหวังก็ผิดหวังบางทีก็โกรธขึ้นมาก็คือความอยากใช่ไหมครับใช่ความอยากอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนี่อยากก็ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ถัำตามที่เราอยากเราก็โกรธขึ้นมาคือคือล่าสุดเนี่ยพอพออารม์เกิดอารม์โกรธเนี่ยเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคือเรา เราพูดออกไปแล้วเงี้ยฮะอาจารย์แล้วก็<ฮ>เราก็นึกได้เอ้ยเราจะโกรธทาไมอย่าเงี้ยเราก็พูดพูดขึ้นมาว่าอ๋อสงสัยพ่อพ่อไปอยากอย่างนี้อย่างงู้อย่างนี้เขาเขาก็คงงงอ่ะเอหมือนเรายังจับจับอารมณ์ไม่ทันมเขาไม่ทันเขาไม่ทันทเลยของเราอ๋อมก็มไม่เป็นไรอตอนตอนเข้าเข้าต่อไปเราก็จะเร็วขึ้นเราจะรู้แล้วว่าจุดที่เราบกพร่องอตรงไหน อไปแล้วก็จะคอยดูปฏิกิริยาของเราต่อกับคนต่างๆพอเราจะเริ่มพูดเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วว่าใช้สติใช้ปัญญาเวลางั้นครับแต่นานๆมันจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งครัอาจารย์ใช่เวลาเราเผลอไงครับเวลาเราตั้งใจมันไม่เกิดนะใช่ครับมันมันจะเผลอครับอาจารย์พอเราเผลอปั๊บเหมือนบทีเหมือนจามเหมือนมวยที่มันเข้าไปวงไงมันชนระเบแบบนี้คือ สติของเราคือไม่ ต, อตอ่อเนื่องมันไม่ต่อเนี่ยอาจจะไปมัวกอาจจะไปยุ่งอยู่กับเหตุการณ์เะไรเดินส้งสติอืรับกับเหตุการณ์ก็เหมือมนนั่งมวยเวลาไปเข้าวงอะแล้วบางทีมันก็ไม่มีสติแล้วมันใช้สัญชาตญาณแต่ถ้ายังอยู่วงนอกอยู่มันยังมีเวลาที่จะตั้งสติตั้งการได้คแต่ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆซ้ามไปเรื่อยๆต่อไป เอาความผิดพลาดนี่มาเป็นบทเรียนอสอนเ ร, อเราก็แล้วก็เราเผยแล้วนะตอนนี้เราเผยก็ก็พยายามปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้มันปกติครับพระอาจารย์พยายามลดละความอยากทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอาจารย์ก็เคยแนะนําตอนอยู่บนเขาอะครับ<ม>ไปการาบพระอาจารย์ตอนหกหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าเออก็เรายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อยๆทําไปครับ ที่เรายังชาอยู่ยังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเร็วกว่ารเราไปสติเราเร็เวขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะรู้รรทันมันทันมีจานนี้นะครับตอนนี้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สายทิพย์เชิญอาจาสายทิพย์ขอนแก่นนะยังไม่าด้ไปกลับมาสักการพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้อ่ไปบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นาเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มไปแล้ค่ะเริ่มไปแล้วค่ะอคําถามไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติให้ให้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเรามีกําลังในการทํางานมากขึ้นค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าทํางานแล้วลืม ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยค่ะไปกับงานจนเสร็จมีสติมีสติอยู่งานมีสมาธิอยู่งานก็ดีแต่ทีนี้พอทําไปทั้งวันค่ะพระอาจารย์อยู่กับวิชาการทั้งวันกลางคืนหมดแรงอันนี้แปลว่ากําลังสติเราไม่ค่อยดีหรือเปล่าคะพระอาจารย์หรือว่ายัางไงคะมันก็ได้สองอย่างใช้จิตใช้งานมากๆมันก็มันก็หมดใจได้นั่งกางก็หมดแรงด้วยทัย้งสองอย่างมันก็เลยถึงเวลาต้องพักแนละ้ว ค่ะเหมือนกลางคืนก็เลยก็ไม่ทํางานต่อก็จะนั่งสมาธิแทนเพราะเหมือนทํางานไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพอแล้วอด้ถ้นั่งสมาธิได้ก็ดีนะค่ะทีนี้คุณพ่อเริ่มสร้างบ้านส่วนให้ค่ะพระอาจารย์ให้ไปอ่าแผ่นไว้ให้เราไปปฏิบัติธรรมช่วงกลางวันค่ะเช้ากลางวันให้ไปอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนเย็นใครมานอนบ้านหมายถึงว่าในคณะก็ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ห่างจากบ้านประมาณสามกิโลค่ะผูาจานมันเป็น แ, <ต>แบบเป็น ท, ที่นาติดกับบ้านคนค่ะถ้าฉับอกมันอ่าเงียบมากค่ะรอบข้างจะเป็นเป็นคลองน้ำเป็นน้ำแล้วก็แต่จะมีบ้านคนที่แบบไม่ไม่ค่อยวุ่นวายค่ะอะเลยแบบนี้แบบอยู่คนเดียวได้ก็ดีมันจะได้ไม่มีใครมารบกวน ค่ะแต่ว่าคงเป็นช่วงช่วงกลางวันอะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์กลางคืนกลับมานอนบ้านตอนนะี้ก็ฝึกกลางวันไปก่อน<ม>ออจะไปก่อนอยากจะไปรอกลางคืนที่บ้านก็ได้กลางคืนค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยแอบทํำทีหลังให้ให้ที่บ้านชิ้นชินก่อนค่ะให้ให้เขาบอกว่าเขาเนียนเนีนหายหายไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ทีนี้นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ก็ นั่งได้นานขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ลึกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็คือนั่งนิ่งๆไม่เตะไม่ปวดก็ยังดีแบบไม่ได้นานทำไปแล้วที่เราจะทํานะ ม, มันอยู่ที่กําลังสติของเราถ้าสติเรามากมันจะลึกมันจะเข้าไปลึกและนิ่งมากขึ้นถ้าสติเรายังว่าแวกอยู่ยังคิดนั่งนั่งนี้นสลับกันอยู่ก็เข้าไปไม่ได้เลยค่ะเหมือนมันจะเข้าแล้วมันก็ถอนออกทันทีเลยค่ะพระอาจารย์ปึ๊บแล้วก็กลับกลับมาอยู่ที่ ที่ลมใหม่ที่ลมไหม่ค่ะกาไม่แก็แสดงว่าทตตต้องหมดกำลังก็เลยถอออกมาค่ะไม่ยังไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะไปที่ท่านตอบอไรตบทุกบบริรกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะคุณเอมี่อะไเอมี่อยูีที่ไหนคุณเอมี่ สวัสดีค่ะเอ่ออยู่กรุงเทพค่ะได้ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะวันนีเพิ่งเข้ามาซูงวันนี้วันแรกค่ะเลยตั้งใจจะออกเสิร์ฟก่อนเลยขอขอฟังท่านอื่นๆไปก่อนค่ะแต่ก็ก็มีฝึกปฏิบัติมาเองบ้างอยู่แต่แต่พูดว่าเหมือนหลายปีแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่องก็เลยรู้ตัวอยู่ว่าขาดความเพียรค่ะเลยยังไม่กล้าถามอะไรเพราะรู้ควาบกพร่องตัวเองอยู่มาศึกษาไปก็ได้มาฟัง นำคำถามอะไรที้อยากให้ค่อยถามได้ไม่เป็นไรค่รอุอชลิดิศมามามาอาจารย์ค่ะพอดีเดี๋ยววันวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะจะไปที่พัทยาก็เลยจะว่าจะแวะเข้าไปกราบอาจารย์ที่ที่วัด น, นะคะเออถ้าไปไปใส่บาตรตนเช้าที่สะดวกมาเพราะวันศุกร์ค่ะเพราะปกติเราจะไม่ได้รับแขกที่พุทิอ๋ อ, อ, อได้ค่ะ เปลี่ยนไปตักบาตรตักบาตรที <directement outward> <sub Independ Economic maximum trustworthy> ่บ้านอกเภอค่ะขอบคุณคุณสุนิสานำมิถึงคิวคนะเปิดไมค์ก่อนอันยื้อ่อยน้ามัศการเจ้าค่ะค่ะต้องขออภัยพอดีโยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกพอดีเพื่อนที่เป็นคุณหมอค่ะเขาแนะนำมาเขาส่งคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสังโยติบมาให้ฟัง โยมก็เลยว่าคลิกกับอันนี้ก็เลยลองศึกษาก็ฟังมาประมาณสามสี่วันเนี่ยเจ้าขาฟังทั้งวั น, น่ะฟังพระอาจารย์เนาะคือสขขอญญาวจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสภาวะธรรมของของโยมาเจ้าขาคือโยมเคยนั่งนั่งแล้วเน็ดกินขาแล้วโยมก็เลยกําหนดตรงที่เน็บกินขาแล้วโยมก็เห็นเป็นกระดูกเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็สลายไปแล้วจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยโยมนั่งสมาธิได้นานแล้วก็มันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้จักปวด ก็คือนั่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะตื่นตีสี่ถึงหกโมงแต่ปัจจุบันนี้ก็คือมันตีสามบ้างตีสี่บ้างไอ้ตีสามครึ่งบ้างอะนะคะก็นั่งนั่งแล้วมันเป็นสภาวะเหมือนไม่มีกายตามรู้ลมหายใจแต่มันมีความคิดแล้วก็ตามรู้ความคิดเป็นช่วงๆตรงเนี้ยเป็นสภาวะที่โยมทําได้ถูกทางแม่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่ควรไปตามหลังคืคอควรจะกลับมาที่ลมหายใจ อ่าเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสภาวะของการที่มันเหมือนมันไม่มีร่างกายตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ ม, มันคือสงบจิตแล้วเข้ามาเข้ส า, าสู่ความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่เพร า, ย, ายังยังยังลบได้อยู่ย่าเลเจ้าค่ะแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยโยงก็พยายามฝึกปฏิบัติคือตามรู้อารมณ์อยู่ตลอดแล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจด้วยหรือว่าการหยิบจับอย่างเงี้ยมันเหมือน มันเป็นล่างกับจิตแบบเนี้ยมันถูกต้องไหมเจ้าค่ะอ่าคือมันมันมันไม่สําคัญว่าจะรู้ว่ามันเป็นล่างกับจิตหรือเปล่าเพราะสคัญคือเราควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดปรุงแต่งได้หรือเปล่าอืมเจ้าค่ะแล้วอีกหนึ่งคำถามขออนุญาตนะเจ้าค่ะพอดีเพิ่งวันแรกเลยเพิ่งเข้ามาคือเวลาโยมทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีบางครั้งอย่างยกตัวอย่างเช่นเดินไปแล้วมีใบไม้ร่วง แล้วมันก็จะมีเสียงอาจารย์คือต้องขอโทษที่พอดีเป็นอาจารย์ก็เลยติดอาจารย์ก็คือโยมก็นึกมันมีเสียงหรือไม่แน่ใจว่ามันจิตได้สำนึกที่โยมมีหรือเปล่ามันมีเสียงว่าอันนี้คือสักวันหนึ่งคือมันเคยอยู่ข้างบนแล้วมันก็ร่วงลงมาเหมือนชีวิตคนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคนเรามันเป็นที่กรซิบสอนเราเจ้าค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นปัญญาก็ได้ เจ้าค่ะบอกนะว่านี่คือชี ท, ทุกสิ่งทุอย่างในโลกนี้มันไม่ต้องมีการสิ้นสุดเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโย ม, มก็ปฏิบัติแบบ น, นี้ไปเรื่อยๆพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันชิ้นสุดมัาทั้งร่างกายทั้งของเราด้วยทั้งสรงสมบัติอะไรต่างๆที่เรามีมันใน่มันจะต้องเข้ามันต้องถึงจุดจบ อ, อะไรไปไม่ได้ขออนุญาตอีกคาถามหนึ่งเจ้าค่ะ คือน้ำสบายเลยเก่งใจคือยมเคยนั่งแล้วก็เห็นศพตัวเองมันหลายครั้งอะเจ้าค่ะเห็นศพตัวเองเห็นงานศพตัวเองเห็นสร้างศพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีดีอันนี้อันมา้งานน่าสนใการพิการระลกถึงความตายของเราอยู่เรื่อยอันนี้านาน ร, ร, ร, ร, าา ร, ร, รู้มันจะทําให้เราไม่หลงเรามันจะทําให้เรารู้ว่าวันหนึง่งชีวิตของเราก็จะต้องเป็นอย่างนัน เจ้าค่ะที่มเป็นปัญญาเจ้าค่ะตอนเราอยูปัญญาอยู่เนี่เราทุกข์ไหมเวลาเห็นอย่างนี้ตอนช่วงใหม่ๆทําใจไม่ได้เจ้าค่ะร้องไห้แต่ช่วงหลังๆนี้ชินเริ่มชินแต่มันถามว่าตอนนี้ที่เวลาเห็นเนี่ยมันก็ยังมีน้ําตาซึมๆบ้างแต่มันก็น้อยกว่าตอนช่วงใหม่ๆที่เห็นเจ้าค่ะแล้วมันไม่กลัวการตายไม่ตายนี่ไม่กลัวเจ้าค่ะเพราะว่าตอนก่อนนอนก็คือ ก็ระลึกถึงว่าผู้นี้คือโยอมจะบอกนักศึกษาว่าก็จะเล่าจะแชร์ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะก็จะบอกกับนักศึกษาหรือบอกชุมชนว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องแต่งตัวดูดีทุกคืนคือดูดีหมายความว่าต้องมิดชิดเพราะว่าไม่รู้ว่าเพิ่งดีเช้าอาจจะตื่นมาหรือเปล่าแล้วก็จะพูดติดตลกว่ากลัวว่าถ้าเกิดสงฆ์เพิ่งดีเช้าไม่ตื่นขึ้นมาแล้วตำรวจมาชนะสูตรศพเนี่ยมันจะเป็นอุกภาอุจจาตาแต่งกายไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะระลึกเตรียมตัวเตรียมตัว พร้อมกับความตายเจ้าค่ะเพราะว่ามันต้องประสบอยู่แล้วก็เลยเวลาไม่รจะตายตายไหนเมื่อไหร่ น, นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้เตรียมความอย่างเต็เนะจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็เวลาตอนนี้คือโยมโชคดีอย่างหนึ่งคือทํางานเนี่ยมันเป็นห้องส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสในการฟังธรรมะแล้วเวลาฟังฟังไปก็มีสติในการทํางานหรือบางทีบางครั้งเนี่ยก็อยากจะนั่งนั่งแล้วมันก็ มันก็ไปเลยเจ้าค่ะประมาณหรืออย่างทุกวันนี้อยู่ที่บ้านเ่ยค่ะนั่งประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคือมันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดมันไม่มันมันเหมือนไม่มีกายอ่ะเจ้าค่ะแต่รู้รู้สึกตัวมันรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกตัวรู้เจ้าค่ะมี ส, สติมีรู้ไม่หลับไม่หลับเจ้าค่ะไม่หลับต้มีแรงว่างจิตเราสงบเจ้าค่ะเจ้าก็พยายามทําไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ คิดถึงใบไม้ที่น่วงมาเวลามองเห็นอะไรก็คิดถึงมันทุกอยากเป็นเหมือนใบไม้ก็ได้เจ้าค่ะสาเจ้าค่ะจะได้ไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปหวังอะไรจากสิ่งต่างเจ้าค่ะจะได้ไม่ทุกเจ้าค่ะอันนี้ยังทุกกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าก็กังวลใจเรื่องเรื่องงานอ่ะเจ้าค่ะก็เห็นเป็นเหมือนใบไม้เหมือนกันเจ้าค่ะคือเราเราเราเห็นแต่แต่เราอ่ะเอา เอาเรื่องความโลภ ก, กดหลงของคนอื่นมาเป็นทุกข์ว่าทําไมเขาคิดไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าว่ า, ว, าว่าทุกข์เองเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ของเราเจ้าค่ะว่าเราไม่มองพ้ออ้อก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเจ้าค่ะที่เราไม่สามารถาที่จะไปกําหนดไปบังคับไปให้เขาเป็นเหมือนเราได้เจ้าค่ะโยอมฟังธรรมะของพระอาจารย์อยู่อันหนึ่งที่ว่า ไม่สามารถไปห้ามฝนได้แต่เราสามารถที่จะมีอุปกรณ์ในการกันฝนได้เจ้าค่ ะ, ะอันนี้ก็เกิดปัญญาโยมก็เกิดปัญญาตรงคําเนี้ยเจ้าค่ะไม่สามารถไปไปบงังคัให้เขาไม่โ่มไม่โกดไม่หล่ได้เจ้าค่ะนกอกจากถ้าเขาอยากจะมาขอปรึกษาเราก็ช่วยสอนก็ได้เจ้าค่ะแต่เขาไม่ขอคําปรึกษาเรากไ็ไปสอนเขาไม่ได้เจ้าค่ะ ม, มีแม่บ้าน มีแม่บ้านที่วิไลวันนั้นเดินมาบอกอาจารย์สอนนั่งสมาธิหน่อยยป้าอยากนั่งก็เลยสอนเขาว่าค่ะก็บอกว่าเนี่ยป้าก็ถูบ้านไปป้าก็กําหนดลมหายใจไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์นะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปกราบพอดีเพื่อนที่เป็นหมอค่ะเรียนสมัยเรียนราชินีด้วยกันไม่เจอกันมาเกือบสามสิบปีเจ้าค่ะแล้วเพิ่งมาเจอกันแล้วก็เลยคุยกันธรรมะ ก็เนี tell, so so <You know. ่ยค่ะก็เลยท่านก็เลยส่งคลิปมาสาก็เลยฟังสังโยชน์สิบประมาณเป็นสิบครั้งอะค่ะแล้วสามรู้สึกว่าอืมมันมีคําตอบอะไรหลายหลยอย่างให้สาสักเลยอยากจะเข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เช้าค่ะได้ดีอาจารยนี้ยังมีความงเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสองเหงื่อไหมไม่ลังเลยเจ้าค่ะเพราะว่ากฎแห่งกรรมเป็นไงลังเลกฎแห่งกรรมสาขอสารภาพนะคะสาเห็นกรรมของคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยสาก็จะเหมือน เปิดกรรมอะค่ะแต่ส า, มาไม่ได้มีคิดอะไรเลยนะคะคือสายเห็นกรรมของคนอื่นสาเห็นอดีตชาติของคนอื่นสาวก็จะบอกบอกบอกแต่สาวก็จะบอกในกรณีที่เจ้ากรรมในเวงเขาอนุญาตให้บอกแต่ช่วงหลังเนี้ยสาวก็ไม่ยุ่งละเพราะสาม่รู้สึกว่ามันเป็นกรรมของเขาหรืออย่างคนใกล้ตายเนยเจ้าค่ะสาวก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะกับพวกหมอ พ, พยาบาลนะคะสาวก็จะไปสื่อให้เขาว่า เขาต้องการอะไรเขากังวลใจอะไรเขาห่วงอะไรก็จะไปสื่อให้เขาแบบนี้เจ้าค่ะแต่ตอนเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่หน้าที่นี้ก็คือไปสื่อว่าเขากังวลใจเรื่องอะไรเขาห่วงเรื่องอะไรเอ่าที่พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนี่หมายถึงตัวเราเนาะโอ้ออทำ ด, ดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรามั่นใจในกฎแห่งกรรมนี้หรือเปล่ามั่นใจเจ้าค่ะอื ไม่ไม่ไปบาังเพื่อนอะไรนอกจากพื่อกำอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะสอบมั่นใจเพราะว่าสาเองเออตรงตรงนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะคือสาก็เห็นเห็นกรรมเห็นเวรในอดีตของสาสิ่งที่สาทําในฝั่งบุญมันก็มีจริงฝั่งที่สาทําบาปมันก็มีจริงเจ้าค่ะเพราะสาเห็นแล้วอ่ะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสาก็เลยกลัวแล้วหรืออย่างตอนช่วงเมื่อประมาณ ตอนเป็นวัยรุ่นนะคะตอนเด็กๆเราก็ตกตาเนาะแล้วปรากฏว่าวันนั้นไปประสบอุบัติเหตุแล้ววันนั้นไปฟื้นที่โรงพยาบาลเจ้าค่ะแล้วหมอเขาเย็บปากเป็นแผลสดอะคะ่ะแล้วภาพที่สายเห็นก็คือมีผู้ชายตัวดําๆอ่ะเขาชี้หน้าสาว่าจําได้ไหมเคยทํากับเราไว้แล้วภาพตาหมอที่สายตกอ่ะค่ะมันก็ปรากฏขึ้นมานับจากวันนั้นจนถึงวันนี้สาวก็ไม่ตกปาอีกเลยรวมทั้งยุงทั้งหลายแหละเนะะี่ยค่ะสาวก็ไม่ตีเลยเพราะว่าสายเห็นว่า เขมีจริงเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพยายามปฏิบัติไปอันต่อไปก็เราพิจารณาสุภาพถ้ายังถ้ามีการมาลงก็ใช้สุภาพมาตัารมาเจ้าค่ะอันนี้แหละคือคำตอบที่โยมต้องการเพราะว่าการมาสันทาของโยมยังมีอยู่เจ้าค่ะพิจารณาามมยงม ยัยังติดความสวยความงามยังติดราคาจริตอยู่อเจ้าค่ะเราต้องดูว่าอาการ32พิจารณาการ2ของร่างกายพิจารณาแบบไหนเจ้าค่ะแบบนึกเองเหรอคะหรือว่าต้องให้เขาปรากฏเองเราตอเราต้องนึกเองเราต้องนึกภาพอ๋อเจ้าค่ะเมื่อทะลุเข้าไปภายใต้ผิวหนเช่นครกกระดูก ยอมใช้การดูหนังสือก่อนได้ไหมเจ้าช่ะได้ได้ดูหนังสือก่อนไม่จะไปดูของจริงเลยก็ได้ถ้ามีเพื่อนเป็นหมอนำถามว่านเวลามีวิชาสารอานาตโมนีให้กับนักศึกษาแพทย์เราไปขอดูด้วยได้ไหมเจ้าค่ะแต่โยมชอบดูรูปศพอ่แค่ดูรูปก็ได้ดูแล้วก็เอามาจดเอามาจำเอามันมาเก็บเรื่อยๆเวลาเราคิดถึงของสวยๆเงางามก็พลิกมันแล้ให้มาดูไว้เจ้าค่ะไม่สวยไม่งาม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุค่ะผู้ชนเดือดประเทศลวาวครับมีงารนว<ง>่างไงมีอะไรไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ได้คําตอบจากพี่เมื่อกี้นะคะเนี่ยคตอบอะไรพี่อาสุภาค่ะอสุภาเนะี่มิจนาเป็นนิยังมันยเนี่ยังนะคะพระอาจารย์ เราม่อาการต่างๆที่อซ่อนอยู่ภายใต้ถุงนหนังพระอาจารย์ไปดูาพก็ได้เปิดภาพก็นดภาพถ่ายก็ได้ภาพวาดก็ได้แล้วก็นนันเรื่อยๆว่าพิจารณาอยู่ที่อยๆอันนี้อันนีท้ท่องไปเรื่อยๆได้ไหมคาริงได้เนเท่อง่ อ, อก็ได้เราต่อไปนที่พท่องชื่อมันกนนึกถึง สังอาการของมันว่าเป็นยังไงผมอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนเล่นอยู่ตรงไหนปัน้นอยู่ตรงไหนกระดูกอยู่ตรงไหนกระดูมีอาการยังไงพยายามท่องให้ท้องให้ครบหมดเลยสิครับครบก็ได้แล้วเอาเฉพาะส่วนที่ที่สําคัญสำคัญก็พอก็ได้ส่ว น, น, น, นที่เราเห็นแล้วมันให้เหมือนกับมาสอนเราว่าร่างกายของเราหรือของคนหนึ่งมันก็แค่โครงกระดูกหนังหุ้มหัวโครงกระดูกแต่ไม่ได้วยลำไส้ตับไตอะไรต่างๆนั่ก็ได้ หรื อ, อยากจะอาครบทั้งสามที่สองร่างกายก็ได้แล้วแต่เราเป้าหมายก็คือให้เราสลัดความเห็นที่ว่ามันสวยมันงามออกไปให้ได้ถ้ า, ารเราเอลทะลุเข้าไปใต้พื้นดังแล้วไม่มีอะไรสวยงามบ้างกายของคนเราทุกคนค่ะไม่มีอะไรแล้วคะอาจารย์คุณมาลีเชนมาลีหยาาัดกอธรรม แต่ว่ามาคุณมันมีมีอะไรไหมหลวค่ะมันไม่มั น, ม, นมันเงียบค่ะหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินนะค่ะตอนนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรคะ่ะแต่ว่าหนูที่เรียนหลวงพ่อไปว่าถ้ามีเวลาก็จะไปปฏิบัติตอนเนี้ยคะ่ะคนที่บริษัทอะคะ่ะเริ่มเขาเริ่มมานั่งสมาธิกันมากขึ้นอะค่ะหลวงพ่อไ ม, ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า เราไปนั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเขาก็เริ่มเริ่มมานั่งกันเยอะขึ้นน ะ, ะ, ะไม่เป็นไรหรอกดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรอะนมุทนาไปท่านเองไม่น้อสนใจว่าเขานั่งเพราะเหตุใดใครเป็นทาให้เขานั่งมันก็อาจจาะสมัยนี้มันอาจจะมีสื่อที่เขาได้รับทราบแล้วก็ได้เรียนรู้เพราะว่าเห็นว่ามีคนมีประโยชน์เขาก็าปฏิบัติของเขาไปคือคนส่วนใหญ่เขาจะอายคะ่ะหลวงพ่อว่า เอ๊ะแบบทําไมมาทางนี้อะไรเงี้ยเขาไม่กล้าอะไรเงี้ยค่ะเออบางทีก็ควรจะนี้ถ้าควรจะภูมิใจว่าทางนี้แหละเป็นทางของนักป่าทางของมุกตะเจ้าทางของโบราณนทางทางของคนโออ ง, ง่ค่หลวงอหนูก็รู้สึกเออก็ดีก็ดีนะแบบเออเห็นพอเราไปทํา ก็ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นมาทําทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมถ้าเขาทําตามเราแสดงว่าเราก็มีที่พนต่อเขาปรดีถือว่าเราได้ช่วยเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐให้กับผู้อื่นได้ด้วยการกระทําไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดการกระทําของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะสอนได้ดีที่สุดค่ะหลวงพ่อ <c oughs> หลวงพ่อคะหนูดูคลิปหลวงพ่อที่หลวงพ่อเหมือนมีคนถามว่าแล้ว จะรู้ได้ไงว่าจิตผู้รู้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจิตผู้รู้มันมันมีกับอยู่กับเราตลอดเวลาเพีนแต่เราไม่มองมันไดเราไม่เห็นมันได้หมายถึงตอนที่เรานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพ่อตอนที่สงบแล้วอะค่ะหลวงพ่อถ้าทุกอย่างหายไปหมดมันก็จเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่ที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะแยกจาก อะไรนะธาตุแยกจากธาตุทั้งสี่อะไรอย่า้เอาน้ำกายดินน้ำลงไปก็คือร่าำกายแล้วก็จะเหลือแต่แตเป็นธาตุรู้แล้วแต่ธาตุรู้ค่ะหลวงพอ่อธารู้มันมันส่งส่งกระแสมากกอนติดที่ตาหมจะหมุนยืดกายพอเวลานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธเราก็ดึงกระแสที่กลับเข้าไปที่ในตัวธาตุพอมันถอนมันตัดมืนอนกลับถอดปลารกออกจากจาก ถอดปั้กทีวีออกจากจากไฟจากช่องไฟพอถอดปั๊กจอทีวีก็ว่าก็เหมือนกันตอนตอนที่เรานั่งปฏิบัติแล้วเราทิ้งทิ้งกายเราไม่สนใจกายทิ้งไปเลยมันก็จะเบาไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเออก็แบบเดียวกันนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วค่ะดูแต่ตัวดูกต่ตัวเดียวค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วไอ้อ้ตัวรู้อันนี้เราเราควรจะคงไว้สภาวะตรงนี้ยให้มันนานที่สุดเท่าที่ทำให้มันรู้เฉยเฉยให้มันรู้ด้วยอุเบกขาอย่าให้มันรู้ด้วยความรักช้ำโกลงค่ะหลวงพ่อพอเป็นรับช้ำโกล้งก็ต้องใช้สติเดินมันกลับเข้ามาให้มันเข้ามาที่อุเบกขะค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคำถามได้นะ้ะอาจานี้ก่อนนะ ท ค, ค่ะทวิสาหักสวิสลาเชิญคุณทวิศาในงานวัคซีนเป็นอย่งนั้นแต่ัดสินใจเอาอย่างไรดีค่ะโล่งเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาค่ะก็คือปล่อยมันไปเฉยๆค่ะไม่ได้คิดไม่อะไรแล้วค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมากๆเลยค่ะทบทวนคําที่พระอาจารย์เทศสอนค่ะก็แล้วก็มาคิดเอให้มันเข้ากับ กฎของใจรักกันค่ะพระอาจารย์ก็เลยโล่งเลยครับพระอาจารย์รู้สึกดีมากมากค่ะฉีกฆตายไม่ฉีกฆตาถ้าพิจารณาจริงๆมันก็มันก็นกหนีไม่พ้นความตายอยู่นี่เพียงแต่อาจจะเลื่อนเวลาออกไปเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยตอนนี้ก็เลยเออช่างมันปล่อยมันไปเฉย ๆ, ๆค่ะก็ดีดีขึ้นมากกะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากค่ะ กไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์นี่ไม่มีคําถามนะครับค่ะตอนนี้ก็พยายามฝึกอ่ตัดนิบรณความเกลียดค้านขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ก็มีตัวใหม่เข้ามาก็พยายามจะเร่งเร่งเพียนให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ถ้ามันขี้เกียจก็ลองบังคับให้มันเดินก็มาเดินเดินน้ำมไปเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเกิดกำลังขึ้นมาเองอค่ะ ขาดจริงคระอาารยยมไม่ค่อยได้เดินค่ะส่วนมากยมนั่งค่ะขาดพยายามเดินนั่งเดินน่งคมนั่งมากเดินนั่งคมนี่ดีนะเป็นการสติเป็นการสึกความเพียรค่ะป้าจ้าค่ะยมจะรับปฏิบัติค่ะการชิมต่อการชิมอยู่ไต้วันนะกราบนมัสการครัหลวงตาว่า เวันนี้ไม่มีอะไรครับก็มาเริม่มฟังธรรมครับอะไมไหมครัไปที่ด้านต่อไปเลยคนฟางว่าอะไรเสียงไม่มาเลยเสียงค่อยมากอ่าถ้าเอาทูฟังตอบกันนีก่าค่ะ<อ> ม, ม, ามีมีกันบ้านเกี่ยวกับที่ทํางานมาค่ะทําให้เราเครียดแล้วก็มี เรื่องของการใช้อารมณ์ก็ก็เลยทําให้รู้ว่าสติือที่พระอาจารย์เคยพูดทุกๆครั้งว่ายังไม่ไม่ดีมากเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องนั่งสมาธิให้ให้ให้มากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ต้องใช้สติเวลาที่ไม่นั่งด้วยอย่างยึกสติให้ใจอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายการเคลื่อนไหวในตะ่างร่างกาย วันนี้ก็โดนเจ้นายดูแล้วก็ก็ร้องไห้มาพอกลับมาที่ออฟฟิศแล้วเหมือนน้องๆเขาบอกว่าพี่ไปไปทานข้าวกันแต่ว่ายงก็บอกว่าไม่เอาดีกว่ามาฟังทำพระอาจารย์แล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะขับรถกลับบ้านมันนึกถึงโลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีจระเสริญมีนินทาอะไรเงนี้ยค่ะแล้วมันก็เลยนี่ให้ตัวเราดีขึ้น ต้มีนึ็คนชมบ้างเป็นคนด่าบ้างเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้ค่ะเราพร้อมรับรับกับทุกสภาพให้ได้ค่ะคิดว่าต้องต้องต้องทำมากขึ้นค่ะจากที่ <c oughs> ที่ด้ <c oughs> วยต้องทำแค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งต้องต้องเร่งสปีดให้มากขึ้นเราจะดูเองว่าพอปฏิบัติไ ป, ไปเราเรายังปฏิบัติน้อยไป ยังแก้ปัญหาไม่ได้หมดมเาราพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทํำได้แล้วกะครับค่ะขอคุณเจ้าค่ะคุณจีอ่าใช่คุณจีปิดไมค์ก่อนอ่านวิวไปยังไม่ได้เปิดไมค์คุณจีมีท้าง่างจอจะมีบอกให้อันนว้วไมโครโฟนอ่า กาบมาราชการเจ้าค่ะได้ยินไหมเ้าคะได้ยินอยู่ที่ไหนอยู่ลังสิตเจ้าค่ะลังสิตท่าเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไรติดตามเจ้าค่ะติดตามผ้าจารย์มาหนึ่งปีแล้วเจ้าค่ะก็อยากจะมากาบผ้าจารย์ที่ชนบุรีเหมือนกันยังไม่มีโอกาสเจ้าค่ะกาบตรงนี้เลยก็ได้มาแต่งงานกาบเจ้าค่ะจะไปกาบที่ไหนเีอยู่วิธีกาบที่ดีที่สุด ค่ะเจ้า่ผู้กาบกัผู้รับกาบม่นสะดวกสบายเพะั้นขอน้องกาผ้าจารย์เจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะโยมขอเป็นผู้ฟังเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมโยมมีข้อนึงเจ้าค่ะคือโยมใส่บาตรเตรียมของใส่บาตรตอนเช้าเจ้าค่ะแล้วก็ไปไม่ทันพระเจ้าค่ะท่านไปหมดแล้วอย่างเงี้ยโยมก็เลยต้องกลับบ้านเจ้าค่ะอย่างนี้เป็นยังไงเจ้าคะก็ไม่ได้บุญน้นไม่เป็นไ หรือถ้ายากถ้าอยากจะได้บุญก็ให้ให้คนยากคนจนแถวแาวไหนก็ได้ที่เราอยู่พอเห็นเขายากจนเข้าไปให้เขาทนให้พระก็ได้อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะโดยเขาเล่นกันไม่ไหให้กับอราก็ได้ให้กับคนที่ยากคนอยากขาดแคลนก็ได้โดยเอากลับมาทานเองเจ้าค่ะก็ไม่ในบุกกันเลยในบุญในกินอาหารแต่ไม่ได้บุกความตั้งใจที่ตั้งใจยุตสตื่นมาหมดเลยเจ้าค่ะ แ่คะก็วันนั้นก็ท้าถ้าถ้าตามไปได้ก็ตามไปตามไปหาผ้าสายบาสใครแนะนำทานั้นถ้าหาผ้าไม่ได้เจอใครเดนั่งข้างถนนรู้สึกเขายากจย์นก็ใครเขาไปเลยก็ได้ขาดเจ้าค่ะค่ะอันกาบนักการเจ้าค่ะจ้าทุกจ้าพูดเจ้าค่ะค่ะคุณหมอสุทัศนีอ๋อพระทุมธานี มีลูกมีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์คะการที่เราปฏิบัติทำไปเรื่อยมันทําให้การารมณ์เราลดลงด้วยใช่ไหมเจ้ า, าค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติด้ดวยอะไรการอามันจะไม่ลดถ้าเราใช้สติอย่างเดียวเราใช้ปัจญาอสุปะมันถึงจะลดการอารมณ์ได้คือพอดีมันมีเหตุการณ์แปลนไปผ่าตัดแล้วแล้วเขาไม่สามารถ ที่จะช่วยตัวเองช่วยอาบน้ําได้ค่ะอวันนั้นหนูก็เลยเขาขอให้อาบน้าให้ก็เลยอาบน้าให้เขาทีนี้มันมาเองเลยเจ้าค่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันมาเองเลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีการมาลงเลยแม้แต่เอ็เดียวเลยเจ้าค่ะเออก็ดีแสดงว่ามันมันมันมันมันชำนาญมันพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่ถึงเวลามันก็จะมาเองมันรู้ว่าทําไม่ไม่ไม่เห็นเดี๋ยวมันก็เกิดกามาลงได้ มาเองเลยหนูงงเลยเจ้าค่ะอาจารย์ขพอจะตากเริ่มอ่านมันก็มาเลยไล่ขึ้นมาเลยเจ้าค่ะอาการ32ค่ะอันทีที่มันมาตอนที่เกิดการระดมด้วยยินดีค่ะมันมันมันแปรปัญญาจันท์ามันไม่มีเลยเจ้าค่ะมันมันเหมือนกับกินยากันไว้ก่อนค่ะก็ได้มียากันไว้ก่อนก็ได้เลื่ถ้า เออเลิกกินยาพอมันเกิดขึ้นมาก็รีด ก, กินตอนนี้ตอนนั้นเลยก็ได้ลูกจะเรียนถามว่าถ้าสิ่งที่เราไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ไม่ต้องพิจารณาบ่อยหรือเปล่จ้าค่ะพิจารณาในสิ่งที่เรามีปัญหาเช่นอาการพิจารณาถึงความตายนี้เจ้าค่ะใช่อันไหนที่ไม่เป็นปัญหาเราก็ก็แสดงว่าหมดปัญหาเจ้าค่ะแต่ก็แต่ก็เราสังเกตดูบ้างคือ ทดสอบจิตใจหนึง่งว่ามันเป็นหรว่ามันมันตายจริงก็ไม่ตายจริงแล้วมันยังเป็นปัญหาขึ้นมาก็ต้องพิจารณาไปวันนี้มุกมีคําถามเท่านี้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะยินไปได้วยคุณทัชพนทัชพนเนี่มันมิวได้ยังไม่ไหกับผมนะครับ รับนวัตการครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับอาจารย์ข้างหน้านอะัเใคเข้ามาใช่ครับอาจารย์ก็อยากจะขอครับอธิบายท้าวความนะครับคือผมก็ได้ได้ครับก็คือหัดปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิมาเรื่อยๆครับอาจารย์ แล้วมีวันหนึ่งก็คือโกรธมากๆครับพอโกรธมากๆาปุ๊บเห็นอาการโกรธครับมันแน่นหน้าอกแล้วมันขึ้นหน้าแล้วมันก็ตัดหายไปเลยหลังจากนั้นมันก็เหมือนตื่นมีผู้รู้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันไม่เห็นนานนะครับมันก็จะเห็นความคิดมาแล้วก็ไปถ้าบางครั้งความคิดมาถ้าเราเพลินก็นานหน่อยครับแต่ถ้าบางอย่างที่เราเห็นบ่อยๆเราชินแล้วเหมือนกับเห็นแล้วมันก็หายไปครับ หลังจากนั้นก็เห็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วมาจนถึงทุกวันนี้มันมันเหมือนมันสว่างเหมือนเหมือนกับเทียนที่มันสว่างรอบตัวครับะอาจารย์ครับไม่เหมือ น, นกับที่มันเพ่งไปที่เดียวครับในี่ตอนตอนที่นั่งสมาธินู่นตอนไหนทีี่เนดยตอนปกติตอนนี้ก็เห็นครับ<อ>แต่ตอนนี้เป็นว่างๆครับพะอาจารย์ครับเพราะดีให้มันว่างกันดีที่สุดถ้าเห็นอะไรก็ใช้สติพิจารณาว่ามันเป็นสายลม มันไม่เที่ยงเกิดแล้วกระดับไปครับแสดงว่าต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์คือความจริงเราต้องกา ร, ร, รกให้ใจมีสติเป็นไม่ให้คิดไม่ให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาครับให้ให้ใจมั่งว่างสักแต่ว่าเราครับครับตอนนี้มีอะไรปรากฏขึ้นมาแสดงว่าใจไม่ว่างใจกําลังผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา อ๋อครับเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเขาคิดไปเองแล้วเขาก็ไปยึดเองแล้วก็ติดไปเองใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่เราคนที่จะหยุดเขาใช้สติพุโทโธแล้วอะหยุดทอนก่อนอย่าปล่อยครับอ๋อคือไม่ปล่อยให้ไปยาวใช่ไหมครับไม่ให้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับทุกวันนี้นี่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยยาวนะครับอาจารย์เพราะาเหมือนออแต่ก่อนมันเห็น แป๊บเดียวแต่ตอนนี้มันเหมือนเห็นเกือบตลอดเวลานอกจากใช้ความคิดครับพยายามให้เราดูร่างกายเราดีกว่าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิล้วก็ดูร่างกายถ้าเรานั่งสมาธิล้วก็ดูลงไปครับอย่าปล่อยให้ใจมันผลิตภาพต่างๆขึ้นมาให้เราดูไม่เกิดประโยชนอะไร แต่ว่ามันไม่สงบถ้ายัางเห็นนู่นเห็นนี่ถ้ามันสงบแล้วมันจะไม่เห็นอะไรมันจะว่าครับแล้วมันจะสบายครั บ, รบเวลาอ่ามีสิ่งมาตอนนี้นี่ก็คือว่างอยู่ครับแต่ว่าเวลามีสิ่งที่มากระทบผัสสะอย่างเช่นตาเห็นรูปรูปที่ชอบใจมันมันจะแวบไปครับแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยแวบไปไหนครับช่วงนี้ครับเออแค่มันอยู่ครับ อยู่กับร่างกายอย่กับสิ่งที่เรารับรู้ในปัจจุบันครับแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหยครับก็ถ้าเรายังมีเห็นโน่นเห็นนี่อยู่ก็ยังไม่ถูกอยากอยากพยายามครับให้มันให้มีอะไรเรายึดเหนี่ยวจิตใจไว้เช่นร่างกายหรือพุโทโธเนี่ยครับ ก็พยายามดูกายไว้ครับพทะอาจยครับดูกายอยู่เรื่ยอยๆดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถึงได้ครับครับพอบคุครับพระอาจารย์เ <Okay. Started. S 2> ครับครับโรจโรจใช้อยู่ที่ไหนครับนัสกสการ์พระอาจารย์ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่กลสินครับผมกรสินมีคําถามไหย มีครับก็คือคําถามเกิดจากการปฏิบัติครับอาจารย์ออผมผมปฏิบัติอย่างเช่นสมถะนยครับมันมั น, ม, นมันมีหลายอาการคืออย่างฮะอย่างปฏิบัติสมถะก็คือผมดูลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุทโธไปด้วยจนมีอยู่ตอนนี้คือว่าเป็นครับพ อ, พอพอภาวนาไปเรื่อยปุ๊บมันหายไปเลยตัวมันหายเราก็ไปเราก็ ตัวหายลมหายใจหายหายจนดิ่งลึกไปเล้วมันหายไปไหนเงี้ยครับแล้วมันก็กลับขึ้นมาเหมือนก็ว่ามีลมหายใจแต่ว่าไม่เห็นตัวคือลมหายใจเห็นแต่เพียงแต่ว่าเป็นลมหายใจวิ่งเข้าผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเงี้ยครับก็มันาจะสงบชั่วคราวเมื่อเดี๋ยวมื่ถอดออกมาครับผมก็ดูต่อไปดูลมต่อไปดูลมุดทงต่อไ ป, ไ ด, อไปดูลมุดอ๋อครับคือบางครั้งก็หายสนิทไปเลยเจนว่าเอ๊ะ แต่ว่าเราตายหรือเปล่านะก็คือไม่ตายละไม่ตายเลือไหลครับผมเออแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งผมลองผมก็ศึกษาการปฏิบัติจากจากใน youtube เนี่ยฮะก็ลองมาพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังก็พิจารณาไปเรื่อยๆวนไปวนมาวนไปวนมาจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเอ้เราจะถอนเราก็ไปพิจารณาเอาเอวัอยวะเพศเครื่องเพศนะทั้งหญิงทั้งชายนะ มันก็มีคําถามเกิดทำไมเองเหมือนว่ามันมีการโต้ตอบอยู่ข้างในว่าไอ้ที่เราติดอยู่เนี่ยเราติดเพราะอะไรมันมันติดเพราะเราเห็นรูปหรือว่าเราไปหลงในในกายสังขารหรืออะไรก็เหมือนมันมีการถามตอบมันเป็นความเคยชินมาตั้งแต่เดีกมานานแนละ้วพอมาเห็นภาพมันก็มีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นทันทีครับ อ๋อคล้ายๆกับว่าผมก็ไม่ได้ไปตั้งใจที่จะไม่ได้ไปตั้งใจมันเหมือนอัตโนมัติอห็นแตเห็นเพียงแต่คิดแั๊บมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีอ๋อครับแล้วมันเหมือนมีเหมือนเหมือนมีผมอีกคนหนึงอ่ะนั่งดูเขาตอบโต้เอถามันถามกันตอบตอบโต้กันเงนี้นะครับออ่าแล้วทูลอะไรทูลตามทุกที่ตอบโต้ปันคือฐานขานความที่ตูกแต่งอ๋อครับ จนได้คําตอบจนจําได้จนทุกวันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเห็นก็ให้ใช้สติสิให้อสติไปกํากับเห็นก็เท่ากับเห็นให้รู้เท่าเท่าทันมันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ให้มันให้มันระ ง, งับถ้ามันมีอารมณ์ก็ต้องให้มันระ ง, งับให้ได้อืมครับผมจะระ ง, งับด้วยด้วยปัญญาก็ได้ระ ง, งับด้วยด้วยสติก็ได้ครับผมก็เลยเลยตามรู้ตามดูอยู่อย่างนั้นครับ ตามตามถ้าตามรู้มันจะไม่ระงับเนี่ยปันไม่ระงับใช่ไหมฮะเราไม่ระงับเองใช้พุโทโธพุโทโธแล้วถ้าจะถ้าจะรู้ก็ให้มันรู้ภาพตกกันข้ามดูภาพที่ไม่สวยไม่งาครับผมแล้วอีกกรณีหนึ่งว่าสองวันก่อนผมป่วยก็คือนอนป่วยจากฤิ์วัคซีนนะนะครับก็เลยนอนนอนพิจารณาไปว่า ถ้าจะตายก็ตายผมอยู่คนเดียวยนะครับอยู่คนเดียวเพราะว่าแฟนไปทํางานผมก็หนีมาอยู่ชายทุ่งก็นอนพิจารณาไปพิจารณาไปว่าเอาถ้ามันตายก็ตายไอ้ร่างกายนี้มันมันมันไม่ใช่ของเราก็คิดไปอย่างเงี้ยนะครับจนรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าเราออกมาเห็นกายเรานอนพลิกไปพลิกมาคือจากอาการไข้นะครับแต่ว่าเมันมันเป็นความฝันหรือเปล่าหรือเป็นอาการไข่ก็เลย ตังเลยสงสัยมันเป็นเพราะอะไรก็พิจารณาก็เป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตใช่ไหมครับก็มันมันไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรากังวลกับความเป็นความตายของร่างกายหรือเปล่ปาครับครับผมแต่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าผมไม่กังวลคือถ้าตายก็ตายไปก็ไม่ห่วงอะไรมันแล้วครับก็ไม่กังวลไม่ทุกข์ก็ใช้ได้มีครับเปหมายเราปฏิบัติเพื่อกำจัดความ ท, ทุกข์ ต่างๆที่ไปยุ่งไปทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ครับแต่นามตายของสิ่งนั้นสิ่งนี้คนคนนั้นคนนี้ตายมันก็จะมันก็จะไม่ไปทุกข์กับครับผมก็มันม่นพินนนจณาอยู่เนืองครับ<อ>แล้วมไม่ได้ครับผมแล้วในการดํารงชีวิตประจําวันเนี่ยผมผมใช้หลักการว่าตามบาครั้งก็ตามดูกายว่าผมผมปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยนะครับ ปูก ผ, ผักกินทำเกษตรผมก็ตามดูนะเออกายมันทำตัวนี้นะมันเดินอยู่นะมันปลูกผักมันได้หญ้ามันขุดดินอยู่ใช้ได้ไหมครับหรือว่าได้ย้ายย้ายไปที่อื่นให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อครับบางครั้งผมเผลอออกจากการดูกายมันก็ คิดโน่นคิดนี้แต่ก็ตามไปดูความคิดมันแล้เอ๊ยมันออกไปนน่นเลยก็ไปคิดถึงอดีตอีกแล้วไปคิดถึงอะไรก็ได้แล้วกลับมาที่กายกลับมาที่กายกลับมาที่กายใช่ไหมครับ อ, อันนี้เป็นการฝึกสติหรือเปล่าครับฝึกสติฝึกสติก็อยู่ความคิดต่างๆอ๋อครับผมเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบได้ง่ายครับเ อ, อพระอาจารย์ครับถามถึงเรื่องของสมาธิพอเรา แล้วดิ่งจนจนรู้สึกว่าไม่มีไม่มีตัวไม่มีลมหายใจแล้วควาจริงผมก็ได้อยู่แค่นั้นบางครั้งก็ถอนกลับขึ้นมาพุดโธอย่างพระอาจารย์ว่าหรือบางครั้งก็ถอนจะมาดูลมหายใจมันผ่านเข้าเหมือนนั้นไม่มีตัวตนมีแต่ลมผ่านเข้าออกก้อนอนะรสักอย่างหนึ่งโลง่ลงเหมือนอยู่ในถ้ำนั่นแหละคือการนั่งสมาธิต้องการให้ใจมันน่องมันเบามันสงบอือครับผมไม่ต้องทําอะไร ถ้ามันสงบจริงๆเราไม่ต้องพูดโทรเราไม่ต้องดูนมเราไม่ต้องบัคคับจิตจิตมันจะนิ่งมันมันเชื่อมพระอาจารย์มีอะไรที่ทำไหมครับเพราะว่าผมอยู่ทางนี้ไกลครูบาอาจารย์เพิ่งเข้ า, าพยายามพยายามพยายามทําสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้ทําสมาธิก็ใช้สติดูร่างกายหรือพิจารณาว่าร่างกายหรืองทสิ่องอย่างไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดแล้วทั้งวันเนยก็ต้องมีจักอะไปเป็นธรรมดาท่านนี้แหละไม่ต้องไปรู้มากให้รู้คําว่านิจกรครมเดีย ว, วครับผมคราพตาพกต็ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟทั้งหมดครับผมกลาบขอบพระคุณผู้อาวุโสมากครับจมันเพียปรปฏิบัติครับผมถึงก็เข้ามาติดตามได้เพิือเคยมาพูดครับผมกลาบขอบพระคุณผู้อาจารย์ครับ คุณประวิทย์จากดัลลัสเท็กซัสเชิญาสตราการพระอาจารย์ครับมีข้อข้องใจนิดๆสองข้อครับเชิญการที่ผมตั้งเวลาว่าเราจะทำสมาธิเวลาไหนสวดมนต์เวลาไหนเนี่ยมันอยู่ในข้อของความยึดยึด ต, ติหรือเปล่าครับไม่หรอกมันเป็นการบังคับให้เรามาทำถ้าเราไม่ตั้งเวงเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นมาดึงไปทำอย่างอื่นได้ แต่ถ้าเราตั้งตารางตั้งเวลาว่าวันเวลานี้เราจะมานั่งสมาธิเวลานี้เราจะมาสวดมนต์มันก็จะทําให้เราอมีมีโอกาสได้ทำเพราะเรามีความตั้งใจเรียกว่าทิฐานเนี่ยมีคำํวคำว่าคําว่าทิฐานก่อนจะทําะไรได้เราต้องตั้งตั้งเป้าตั้งคํามหนดไว้ก่อนว่าเราจะทํำอะไรเพราะว่าทุกทั้งที่ตั้งตั้งตั้งอันนี้ไว้แล้วก็วเวลาเรา สวดมนต์ไหว้พระแล้วทําเป็นบัรรมเนี่ยเราทําได้ดีผมยังกลัวว่าเอ้เราไปยึดติดหรือป่าคนนี้ว่านุณขอบคุณมากครับยึดติดการปฏิบัติไม่เสียหายครับข้อที่สนะครับก็การที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทั้งทั้งที่เราเป็นคนไทยแต่เราต้องมาเดินทางมาอยู่ในต่างประเทศแล้วก็มาใช้ชีวิตในต่างประเทศนี่เป็นเพราะเหตุใดครับพี่เพราะตั้นหาความอยากเราอยากจะ มีชีวิตที่ดีกว่าที่เราอยู่ที่บ้านเร า, เราก็เลยได้ข่าวว่าที่นี่มีที่นเป็มีเหมืองทองให้เรามาขุดเราก็ไปขุดทองกันตันหาความอยากพัฒนาชีวิตร่ายุ่งสรรเสสุขให้มันดีกว่าที่เรามาีอยู่เราไม่ไปอับฮิคาร์ใช่มันไม่ไปอินเดียเพราะที่นั่นมันไม่มีมันไม่มีเหมืองทองให้เราไปขุดกัน บมดหมดเข้าข้าใจครับหลวงพ่อโอเคตัณหานักหนักามว่าตัณหาเพราะว่าตัณหาความอยากตัณหาใช่ไหมหลวงพ่ออตาความอยากอยากได้ล่ำยุทธสารเสริญสุขให้มากขึ้นกว่าเดิม อ, อยู่ที่บ้านเราอ๋ออยู่ในข้ออยู่ในข้อตัณหาโอเคครับอ่ตัณหาคามอย่างยังเป็นกิเลสอยู่แต่อย่งังไ ม, ไม่ไม่บาปถ้าไปหาโดยวิธีที่สุจริตไม่ไปทําทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรมยังไม่บาปไม่บาป ใส่ไปด้วยไปด้วยมีใจด้วยครับอันนี้ที่ยังไม่บาดเห็นนะไม่มีอะไรครับคุณพ่อขอคุณพ่อสุดพ่อสุดแรงครับผมสาธุสาธุคุณแานตอบคุณแานอยู่ที่ไหนเช่ิญพูดได้เลยคุณแนนแต่ยังไม่ได้เปิดไม้เปิดามาก่อนกลับนรัสการค่ะอยู่ที่ไหนนะคะ อยู่สวีเดนค่ะอ๋าสวีเดนครั้งแรกเคะค่ะค่ะครั้งแรกค่ ะ, ะตามอาจารย์มาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกเคยเข้าลองเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ว่าคืออาจจะยังไม่รู้เรื่องซูมก็เลยเหมือนไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คุยมีอะไรไหถามไหมอยากจะถามหลวงพ่อคือณนะตอนนี้คือทํางานอยู่ที่อ่า บ้านพักคนชราค่ะแล้วอยู่ในแผนกที่เป็นอของเดเมนส์ค่ะบางทีคือเราก็ต้องเหมือนแบบต้องโกหกเพื่อที่จะให้อ่าคนไข้สงบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน อ, อย่างนี้ไม่เป็นไรไเพื่อกุ๊ปสลบายเราไม่ไทําเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองทําประโยชน์ให้กับคนที่เราโกหกไม่เป็นไรค่ะอื โอมีคำถามแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเราโอกเพื่อจวัะหวัหวให้ประโยชน์เข้าตัวเราอย่างนี้ถึงเรียกว่าบาสโอ้ค่ะแต่ถ้าทำใช่ค่ะพูดโต้โอ้โหเพื่อเพื่อให้เขาคนที่เราพูโอกได้รับประโยชน์นี้ไม่บาสค่ะครับค่ะเขาเรียกว่ากุชโลบายนะค่ะโอเคใครต่อคุณนัตนาตะพงเชิญ พนัานจะมองอยู่ที่ไหนอาจารย์ครับอยู่นนทปปบุรีครับนนทบุรีอ่านละอ่านนนทบุรีครับนนทบุรีเข้ามาครั้งที่สามนะครับเ ม, ม, มื่ออ่ามีคําถามหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับถามเรื่องการปฏิบัติไปครับให้เข้าถึงอัปนันสมาธิครับก็เลยกลับไปลองทําดูนะครับปรากฏว่าสองวันแรกรู้สึกว่า จะไม่เข้าสมาธิเลยนิวันจะเยอ ะ, ะสิว่ามีความอยากที่จะทำเยอะเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็กวางอารมณ์ใหม่ก็ก็พยายามให้เป็นอุเบกขามากขึ้นนะครับก็เมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งพิ่งจะได้เพิ่งจะปฏิบัติได้ก็คืองกับว่าพุโทโธพุโทโธเรื่อยครับแล้วก็กิจก็จะรวมพอรวมเสร็จปุ๊บเหมือนน้ำตาจะไหลน้ตาจะไหลปุ๊บอีกสภาพหนึง่ง ลมหายใจเริ่มหายไปนะครับเริ่มหายไปก็ตกใจครับตกใจว้าลมหายใจหายไปกปรากฏว่ามีลมหายใจกลับมาทีหนึ่งนะครับก็ก็เลยก็ฟังอาจารย์บัณฑลายท่านก็คือบอกว่าท่านผมผมก็ลองทําแบบเดิมใหม่ก็คือคือวางอารมณ์ใหม่ก็คือเหมจะว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเรามีนั่นแหลกายนั่งกายไม่ใช่เราก็คือแบบจะตายก็คือแห้งตายไปเลยแล้วกันนะครับก็ก็ปรากฏว่าลมหายใจหายไป นะครับก็ตามอารมมันได้ก็พยายามทรงอยู่นานพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกแต่ว่ารู้สึกท้อมมันก็เพื่มก็เพิ่มอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นอยู่ในสภาวะตรงไหนนะครับก็เหมือนก็เป็นความสงบแต่ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มรอยอ๋อคือยังคือยังไม่ไปถึงยังไม่สนบมากขึ้นคือจะต้องหัวดำไปแบบไมั่มีร่าการมันต้องว่า ไปเลยหรือจิตของเราไม่ไม่ไปสนใจกับอะไรเลยอืมแต่ตอนแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้สนใจเลยคือแบบว่าหวแบบโลง่ลงๆว่างๆนะครั<ช>แต่ก็ลองลองลองลองสํารวจร่างกายดูพยายามให้มัน ว, า ว, าวา่างๆอีงนั่นหาใช่ครับคือเหมือนตอนแรกตอนแรกก่อนจะเข้าก็คือวูบมันก็ตัดไปอีกโดนดหนึ่งเลยครับออ่าเ<ช>หมือนเหนดำน้ำแบบําบครับใช่ใช่ใช่ครับ S <S> ก็หลังจะในวันหนึ่งมาก็จําอารมณ์นี้ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือพอสักพักหนึ่งก็ออกมาออกมาเพื่อที่จะพิจารณาที่เป็นยุทธศาสตร์ค่ อ, อ, อ, เ, อเกษารลมานะคะท่านจะตัดจว ก, ก, ก็คือกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ทราบว่า ถ, ถูกไหมครับได้นะพิจารณาร่างกายได้ใช่ไหมครับอีกคําถามหนึ่งนะครับเราจะพิจรารณายังไงเพื่อให้ตัดพบตัดชาติ ได้เพื่อเข้าถึงอนิพานออก็พิจารณาว่าถ้ายัางมีการเกิดยู่ก็ยังมีการแก่การเจ็ดการตายมีการเป็นว่าตายเกิดอยู่เราต้องมีการเกิดแล้วเหตุที่ทำให้เกิดก็คือความอยากต่างนี้อยากหาความสุขทั้งร่างกายอยากดูอยากความอยากเลีล้ยงรถนมกลิ่นที่ต้องตัดให้หเร า, าเราจะรู้ของเราเองใช่ไหมครับถ้าเราทําได้ เขาอยากดูน้ำเลยนี่เล่าเสนอเขาอยากไปเที่ยวก็เล่าไปเที่ยวนะเขาอยากดื่มอยากกินอะไรก็เล่านะดื่มเท่าที่จําเป็นดื่มน้ําตาไปแทนแทนที้จะดื่มของที่มีรสชาติก็ไม่ดื่มนะครับเราจะรู้รอยนงใช่ไหมครับถ้าตามอยากได้หมดคืออมันจะรู้ไปตามเมื่อจิตมันอิ่มมันพอแล้วมันก็รู้ว่ามันไม่ไปไหนนะเอ อยากมีแฟนก็ต้องตัดเลยอยากเสพกามก็ต้องตัดด้วยใช่ครับทุกวันทุกวันนี้เริ่มความอยากเริ่มน้อยลงข้าวเย็นก็ก็เริ่มลดลดลงความอยากเสพกามเริ่มล ด, ล, ดลงเจอใครว่าใครพูดก็ก็พยายามเบีขาพยายามลดลงไม่อยากไปโยกกับใครทั้งหมดใช่ครับใช่ไม่อยากไม่อยากไปโยกกับใค ร, รใช่ครับเป็<ใ>นเบอร์ว่าจะว่าเรื่องของเขาไม่คิดเรื่องของเรา ใชครับแต่งานก็ยังทำในงานก็ยังเครียดอยู่ทุกวันนี้ต้องมีโปรเจกต์กต้องจบทุกวันนี้แต่ว่าคือว่าถึงเวลาน้าสมาที่ผมก็จะพยายามจบไปที่นั้นจะวางไว้ทุกอย่างครับก็คือต้องมือนก็ว่าต้องคิดซว่าตอนนี้ก็คือใช้เวรใช้กรรมในที่เกิดมาก่อนแล้วกันพอถึงเวลาสักวันหนึ่งก็ก็จะก็คงจะคงเข้าก็คงต้องไปแล้วผมอาจจะต้องคิดไว้แล้วเนี่ยมันถ้ามันพลาดเนี่ยก็ไปรัวเองใช่ครับผมผมคิดไว้แล้วครับว่าไม่เกินสิบปี ก็คงจะบวชล้วคงจะเข้าไปในป่านะครับในใจคิดด้วยแล้วก็คือตอนนี้เหมือนเตรียมความพร้อมไว้นะครับเดี๋ยวความพร้อมไว้ก่อนเวลาบวชนี้ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนนะบวชน่าไปอยู่ป่าคนเดียวยังไปไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ใชก็ไปที่วัดป่าได้ไปอยู่วัดป่าได้แต่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยสอนคอยโค้อนครับเพราะเพราะว่าครูอาจารย์จะบอกเองใช่ไหยครับว่าเมื่อไหร่จะ <พ> อ, อ, อ่าพราอมเมื่อไรพค้อมวันท่านก็นจะปล่อยล้วไปครัโอเคอดีตอนนี้พยายามตัดไปเรื่อยๆม า, าตัดลดเ ส, สียงเกล็ดลดตัดหน้าลดสรรเสับทํางานเพืเ่อเลียงปากเลี้ยงเขาไม่ทาเพื่อที่จะนร่ำรวยเพื่อเป็นใหญ่เป็นโตอะไรใช่ทําทําเพื่อตรงนี้ทํางานเพื่อเก็บเงินให้ลูกเมียอยู่สบายแล้วผมก็จะทิ้งทุกอยาก่างไปเนี่ยคนไทย ไทยสลับอาวทางานเพื่อถ่ายสลับอาวของันมาเหมือนกับเหมือนกับว่าเกิดมาใช้เวรให้กรรมคือลูกเมียเนะี่ยคือเวรกรรเราชาติที่แล้วผุกพันมาแล้วเป็นชาตนะิของเราใช่า ช, ช่คือแบบเพราะว่าเรามีขน 5, 10, 15, ันห้าขันสิบขันสิบห้าเนี่ยครับที่ต้องดูแลกเ็เริ่มเริ่มเริ่มอย่างไงถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็พาเราไปถึงถึงเองครับถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วก็มันก็ยังวนไปเวียนตา่างใช่ครับ ตอนแรกก็ศึกษามาเยี่เมือนกันศึกษาฟังเทศฟังธรรมครัวอาจารย์หลายคนฟังตั้งแต่หลวงพ่อฤาษียิงดำหลวงพ่อหลวงพ่อพุธหลวงเจออาจารย์ม่านอจารย์หนุ่มมหาบัวก็มาเจอต่างนะครับก็ฟังมาเยอมเหมือนกันคือตอนวันนี้ก็เลยต้องลองปฏิบัติตดูจริงๆแงไดข้อสรุปนะต้องปฏิบัติใช่ถูกต้องก็คือเมื่อวันนั้นคือบทความสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติอย่างแท้จริงคือคือเอาจากสมาธิปุ๊บรู้สึกว่าบิดใจเบิกบานคือหมดความสงสัย ตัวอย่างเลยหมดความสงสัยเลยเพราะว่าเมื่อก่อนปฏิบัติไม่ได้ไม่เคยได้ทําไมผึงทำอย่างนี้บางทีสับ ป, ปรงกเหมือนง่วงมากไหมจิตนำไอสมาธิช้ากว่าสมาธิหรืออะไรยังไงหรือว่าออนจริงแล้วง่วงอจาจารย์รับพขาดความตั้งใจตอนนี้มีความตั้งใจแน่แนะใช่ครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับเหมือนกั็หิดความสงสัยละนะครับนี่ก็จะปฏิบัตินะพยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับ กาเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนตอนนี้อ่าการการตั้งเวลาไว้อ ย, อย่างเงี้ยถ้าจําเป็นต้องตั้งก็ตั้งได้ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปตั้งตั้งสติดี่มาครับตั้งเวลาเดี๋ยวจิตมันก็จะไปเขาโังคับเวลาให้ถึงเวลาหรือยังอะไรใช่ <c oughs> ครับบางทีคือต่างๆคือตอนแรกชั่วโมงหนึ่งปรับเป็นชั่วโมงครึ่งบางทีเชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เลยาากามตายหรือเปล่านะอ่ามันยัดั้งตั้งสติดี่มาแ ล, แล้วมันนั่งให้นานเท่าไหร่ครับพยายาม พยาย า, ามบังคับให้มันนั่งให้นานที่สุด ไ, ไม่ต้องไปคำวันคำเวลานอกจากถ้าเรามีภารกิจต้องไปทํานี้ก็ตั้งได้แต่ถ้าไม่มีภารกิจต้องไปทําอะไรก็ไม่ต้องไปตั้งเวลาตั้งสติ น, นะครับอาจารย์นะครับเข้าใจครับอะไรครับ <Okay. S 2> ขอบคุณที่แนะนำนะครั บ, บครับอคุณจี๊บต่อจากอเมริกาคุณจี๊บจากแมรีลัน U.S.A. ในวันนี้มาตัดกินเซรินทานนะเซินทานไม่ได้เข้ามานิยมทํางานที่บ้านค่ะพอดีวันพรุ่งนี้วันต่างสกิฟวิ่งของที่นี่เขาเลยให้ทำงานที่บ้านวันนี้ได้ค่ะวันนี้ทำงานเรื่ินทางวันนี้ในที่อเมริกาเรนี้ื่ินทางกลับบ้านนเหมือนตุ๊จีนอขนนงองชาวจีนฮะเวลาเรากว่าตุ๊จีนล้อเหมือนกัน ฝรั่งเ <laughs> ล้วเขาจะกลับไปกินไก่กินอะไรเหมือนกันเลยคนจีนตัวจีนเขาก็ไปกินไก่เหมือนกั น, กนแล้วองไทยเราก็สงการเนี่เหมือนกันเทศกาลแบบเดียวกันสายกานบินก็คงแน่นน่นแน่นเหมือนกันช่วงนี้นายก็วันที่วันเดินทางวันที่แน่นที่สุดคับวันอาทิตย์อีกวันหนึงวันค้ากลับตายค่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีโควิดนี่คือคงแบบมากกว่านี้อ่ะค่ะคง <c oughs> ตรงนี้โยมก็เลยโยมก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่เราคิดว่าโอเคเราวางแผนล่วงหน้าเลยว่าโอเคเนี่ยแตงสกิฟฟิ้งเขากินไก่งวงเราก็ไปซื้อไก่งวงมาเตรียมไว้เลยอันนี้บาดไหมคะถ้มันตายเขาไม่บาดอย่าไปกินตัวที่มันอย่าไปสั่งให้มาฆ่าให้เราแล้วไหมไม่ค่ะไม่ค่ะแต่มีมีบางคนมีฝรั่งเขาจองล่วงหน้าเป็นปีเลยนะคะแบบขุนมันนะคะ <จน S 1> ถ้าถ้าจองก็เมืนไปสั่งเขาให้ไปฆ่าให้เราอย่าไปจอง ไปที่ไปทีร้านแล้วทํานันนี้ก็ซื้อมาไม่มีก็ไม่เอากินยิมก็เอาไปดูที่ร้านเอ่มเอาตัวเล็กที่สุดเอาไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นทางที่ดีกินเจอะไรก็ดีเหมือนกันเออก็นน่นจะดีแต่ว่าลูกๆคงไม่ไหวลูกๆคงบอกไม่สีเขียวทั้งโต๊ะเลยแม่อะไรก็ไม่เป็นไรครับแล้วลูกก็จะกินอะไรก็ให้เขากินแบบกันแล้วกัน ค <c oughs> ำถามค่ะถ้าสมมติอย่างโยมถ้าอยากจะถือศีลแปดเป็นบางวันนะคะแต่ว่าในขณะที่เราต้องทำงานด้วยล้วคือสมมตเเิเขาให้ถือวันที่เราไม่ทำงานกันว่าศีลแปดสำหรับวันที่เราว่างจากภารกิจการงานจะได้สะดวกจะได้กินข้าวถึงไม่ต้อาหารหลังเที่ยงวันได้แลถ้าเราทำงานนี้มันจะไม่สะดวก อย่างการที่เราเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมมันรวมแบบไหนบ้างอะคะเดินจงกรมนั่งสมาธิล้วปฏิบัติธรรมรักษาสีไี่เป็นเพียงแต่เป็นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติธรรมล้วอ๋อแต่ถ้าเกิดกับปฏิบัติก็คือเราต้องปฏิบัติเช่นเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเออใช่เราปฏิบัติธรรมสีนี่เป็นการ เป็นการห้ามทํากิจกรรมที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเช่นดูหนังฟังเพลงกินอาหารเย็นอะไรไม่ตัดไปให้หมแล้วสวดมนต์นี้คือเป็นส่วนเน็คสวดมนต์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการฝึกสติถ้าเราอธิษฐานว่าถ้าเราหนุยมไปอธิษฐานกับพระพระพุทธรูปที่วัดไว้บอกว่าถ้าถ้าโยมได้แค่อธิษฐานว่าถ้าได้แบบนี้โยมจะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยเออปฏิบัติธรรมนี่คือ รวมขอบเขตไหนบ้างนะเชื่อแค่มาให้แน่ใจอะค่ะอ่าเราก็ต้องรู้เหตุ ก, ก่รณที่เราจะไปทำสัญญาหรอค่ะว่าเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรให้เขาไม่ใช่เดีย ว, วไม่ใช่เดีย ว, ยวพอพอได้อะไรมาแล้วมันนั่งถีบใช่ไม่ได้หมายความว่าจะไปปฏิบัติทำใช่ไหมได้หมายควา ม, มาาาว่า เลยถามว่าสิ่งแปดมันมันต้องมันต้องเซ็นสัญญามันชัดเจนเวลาเขียนสัญญามันจะทําอะไรบ้างไม่ใช่มาม า, ม า, ม, ามาเขียนสัญญาทีหลังหลังจากที่ได้อาัญญาพิธานไปแล้วแล้วใครมาเขียนรายละเอยีอยดนี้มันก็มก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่โยมโยมอันนี้ว่าเอ๊อแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะถือสิ่งแปดแต่แต่ว่าเออถ้าเราเพิ่มเข้าไปนี้แต่เป็นบางวัน มันจะมันจะแบบไม่ได้วันธรรมดาวันทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราปฏิบัติทําได้แล้วไม่ต้องถือศีลแปดได้ก็ไม่ต้องถือศีลแปดก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ต้องถือศีลแปดก็ได้แต่ถ้าอยากอยากจะปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันต้องถือศีลแปดค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเราสมมติเราเราอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าโยมมีความอยากว่า อีกสักหน่อยเหมือนเหมือนพี่คนก่อนหน้าค่ะว่าเออถ้าลูกเราโตแล้วอกีกสักสิบปีอาจจะไม่ถึงหกสิบปีอายุไม่ถึงหกสิบน่าจะไปปฏิบัติธรรมไปกับเมืองไทยไปวดัดไปถือศีลไปบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเราอยากอยากแบบอยากไปไหมอยากอย่างน้ดีอยู่อยากอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลนี่เป็นถือว่าเป็นฉันทเป็นความดี แต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้แต่เราสมมติเราก็คือยังอยากได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยากในสิ่งที่ดีไม่เสียค่ะอย่ากพยายามในสิ่งที่เป็นทําให้เราทุกอยากรวยอยากสวยอยากอะไรอย่เงี้ยมันไม่ดีแต่อยากจะทําบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมเป็นความอยากที่ดีได้เงินเพื่ออยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้บัตรธรร ม, า<ำ>มยางนี้ก็ไม่ดี โลอยากอยากได้เงินทองมากอย่างนี้ก็จะทําให้เราทุกเวลาเกิดไม่ได้อยากก็ไม่ได้ทําให้เราทุกเวลาค่ะโยมจะจะได้พยายามคิดว่าเอออันนี้อยากโอเคเราอยากดีแล้วมไม่ใช่ได้กันเดือนเดี๋ยวไม่ได้ก็จะเสียใจใช่ไหมอันนี้มันข้างนอกค่ะโยมแค่อยากจะถามว่าถ้าเราอยากได้ในสิ่งของอันนี้คือไม่ดีแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติอันนี้จะดีดีถ้าอยากปฏิบัติทำ ดีเป็นความอยากที่ดีวันนี้ยมมีเท่านี้จ้าค่ะพระอาจารย์สาธุอจาจารย์เห็นไปที่ไกลตาคุณกาคิษนีคุณกายิด น, นอนมานานนะกลับนลกวารครับ ว, นนวันนี้มีข้อสงสัยเออเวลา ช่วงเช้าอย่างผมไปวิ่งแล้วก็เจริญสติไปด้วยแล้วก็มานั่สมาธิมันก็สติมันก็รวมดีครับอาจารย์ครับแต่ว่าพอช่วงเย็นเนี่ยทำเหมือนกันแล้วมันนั่งมันกระวนกระวายแล้วมันก็แบบสติมไม่รวมเอ่อก็เลยนึกว่าเอ๊ะช่วงเย็นนี้เหมือนบอดี้แบตเตอรี่เราหมดหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่มันมันเกี่ยวกันไหมครับอาจารย์ครับคือช่วงเย็นนี่มันไป ไปรับอารมไปรับเรื่องราวต่างๆมาในช่วงกลางวันมันยังค้างๆ้างอยู่ในใจนะไม่เหมือนดับช่วงเช้าซึ่งเรานอนตอนคืนตอนนอนแล้วเราก็เพียงเรื่องต่างๆที่อยู่ในใจเร า, าหายไปหมดพอตื่นขึ้นมามันก็เลยไม่มีเรื่องมารบปวดใจนะง่ารปฏิบัติจะจะดีตอนเช้าถ้าเปียบเท่กว่ตอนเย็นตอนเย็นที่เราไปทํางานไปนมีเรื่องมีราวกับคนนั้คนนี้ค้างค้างอยู่ในใจ มาปฏิบัติไปก็ยังโผกขึ้นมารบกวนใจเราแต่ก็ให้รู้ไว้ก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เราก็พยายามปฏิบัติไปอยากไปเรียกว่าเอาแต่เช้เช้าตอนเย็นไม่เอาตอนเย็นมีเวลาว่างก็ต้องเอาก็คือเหมือนกันครับว่าแค่การนอนมันช่วงมันก็ติดมันช่วงมันก็ไม่ติดครับครับครัก็พยายามฝึก เอในในหลายหลายสถานการณ์ใช่ไหมครับเพื่อเรามีประสบการณ์เยอะใช่ถ้าอยากจะให้มันไม่มีอะไรเลยก็ต้องไม่ทํางานเลยอย่างเงี้ยพอไม่ทํางานมันก็ไม่ไปยุ่งกับใครไม่มีเรื่องเวลาข้างๆ ม, มีใจครับคครรัับบอีกอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์เ อ, อเคยเคยได้ยินหลวงปู่มัน่นท่านท่านต้องมีหลวข้อองค์หนึ่งที่คอยแก้ วิปัสสนูกิเลต น, นะครับแล้วก็เออดีเพื่อนเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาเขาใส่ผิดแล้วแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมให้เหมือนเขาเขาก็จะแชร์ว่าเขาเ อ, อธรรมชาติเขาระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็แช ร, ร์ตกปลาแล้วผมเหมือนให้ให้รุ่นพี่ที่ที่เขาเรียนอภิธรรมเขาได้วิเคราะห์ดูว่าเออเหมือน ก็คล้ายๆกับวิปัสสนู อ, อย่างมุขก็เลยก็เลยอยากจะเรียนถามพราะว่าแนวทางในการป้องกันในการทําเ อ, อ่อเ อ, อ่อในการปฏิบัติทำในข้างหน้าเนี่ยครับว่าควรจะมีแนวทางป้องกันในไบ้างพ่อครับผมก็ต้องหมั่นพิจารณาให้รอบคอบอย่าเพิ่งไปสรุปทันทีทันฟันแวมาดูว่ามัน มันเป็นแช่ชั่วคราวแล้วมันเป็นอย่างถาวรคอยสังเกตต่อไปเมืยอก่อนอ๋อครับครับที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอจะต้องทบทวนแล้วทบทวนใช่ไหมครับไม่อย่างนี้จะเป็นแบบอ า, าหาันโลกุณิเคยได้ยินนิทานอ า, านละหันโลกุณิไหมมีเคยครับก็มีพระท่านไปช่วย น, น้องัาสองสามนู่นแล้วพอไปถึงที่ นั่นสมาธิท่านก็แยกกันไปนั่งคนจถเกติคันไม่ไม่นั่งใกล้กันแล้วรูปหนึ่งท่านก็มีลูกเวดเบื่อจะเรียกเพื่อนดูให้บอกถ้ามีภัยมีอันตรายจะได้มาช่วยกันได้ท่านที่ท่านในลูกเวดนี่ท่านพอนั่งสมาธิไปท่านนั่งรถเกติท่านสงบท่านก็เป่ารูปเวดออะมาถ้าเพื่อนเพื่อนก็สงสัยเป็นอะไรว่ารีบไปดูเขาบอกให้บุดพ้นแล้วไหหมดแล้วไม่ หายไปหมดเลยกิเลสก็เลยหอมมีแค่นีองเหรออ๋อเนี่ยก็โอเคท่านก็สบายใจว่าแม่มีภัยไม่มีอะไรหยุดแล้วพอดีนะท่านก็ยากกลับไปนั่งกันต่ออย่างสภาพเบารุ่มวีดีล่าทีนี้ดีท่าได้ก็สงสายไว้มันจะมันรู้กันถึงขั้นไหนหร้อว่าก็เลยไปถามดูบอให้เมื่อกี้คิดว่ามันมันรู้แต่ตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วอ่ะ อตอนกรับำข้อบางทีมันอาจจะซ่อนมันเป็นเหมือนเสือซ่อนเล็บก็ได้มันหมอบหอกเราก็ได้มันไม่ตายจริงอครับคือที่เหรีเนี่ยเมื่อามทุกข์เนี่ยมันยังไม่ตายจริงแต่มันอาจจะตายด้วยกําลังของสติช่วคราวพอสติอ่อนกําลังลงมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ ก็ดูคอยสังเกตดึงใจอย่าไปอย่าไปฟังในความคิดของเราความคิดของเรามันไม่อาจจะไม่ตรงออกับความจริงความจริงก็คือใจของเรามันว่างจริงมั้บบบมันปราศจากดีเล็ดจริงมั้บบมันปราศจากความทุกข์จริงมั้บบดูที่ตัวนั้นอ๋ครับครับพอใจนะครับครับกลับาด้วยกันคุ้มครับ เหมืนกินข้าวแล้วคิดความคิดบอกให้กูอิ่มแล้วว่าอยากกินเลยแต่ท้องมันยังไม่หอิ่อ่ะมันดูตรงอยู่ที่ท้องนี่เวลากินข้าวเอย่ยไปดูที่ความคิดว่าอันนี้ไม่อยากใหกินอิ่มแล้วว่าจริมันอาจจะท้องมันมันยังไม่อิ่มครับครับดูที่ใจเป็นหลักการปฏิบัติให้ดูที่ใจใจว่างจริงหรือไม่จากปัสจาความลักความชันความกลัวความเหงื่จริงหรือไม่ เราทดสองไปด้วยค ร, รับนะพักผมสวัคดีครับคุณพัทธลพรใช่พับธลรอยู่ที่ไหนคุณพัทธลพรจะยินไหมอไรเรยนทำก่นฐานะอะไรส่วนยอดไอ่บไม้ก่อนใบไมกับผม ธรรมสถานครับพ่อาจารว่าอย่งไรอยู่อยู่ที่ไหน uet, อยู่เทียใช่ไหมโอ้สูงเทียครับเมื่อวันพุธที่แล้วที่ผมถามว่าอาจารย์ว่าสถานที่ศักดิสิทยากคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมไปมาแล้วก็มีกำลังขึ้นมาเยอะครับทันทีที่เดินเข้าไปผมก็จําคำที่พ่ออาจารย์บอกว่าถ้าสถานที่ตรงไหนที่ทําให้เรา สบายใจในการปฏิบัติธรรมต้องหาเวลาไปไบ่อยๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยหาเวลาว่างคือคือผมปัดงานทุกอย่างแล้วก็หาเวลาว่างไปก็ไปกลับมาก็มีกําลังขึ้นมาเยอะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบอกว่าที่มันเป็นพังพาใจอยู่คือเราสามารถที่มันผ่ามาที่มันเคยมาสะกิดแต่เนี่ยคือเราผมสามารถที่จะปัดออกปัดออกไปได้หลายเรื่องแล้ว แต่มันจะมีอยู่บางเรื่องที่มันจะมีมันจะคอยมาสะกิดใจเราอยู่ผมก็จะพยายามที่ข่มข่มลงไปได้ก็เยอะเหมือนกันสถานที่ตรงเนี้ยถ้าผมจะถามพี่ฝ้ายอีกเนึยงว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่แปะะบอะไรตําหนดเราเนี่ยถ้าเราไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไปอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไปอีก ห, หลายครั้งเนี่ยมันจะมีผลกับการ ปฏิบัติธรรมของผมให้มันสูงขึ้นไปอีกทางหนึ่งไหมครับก็ดูสิอลองปฏิบัติไปก็น้องปฏิบัติไปจนกามันไม่รู้สึกว่ามันมันไม่กระเตื้องล่ามันไม่ขยักนะว่าจะลองเปลี่ยนที่หนึ่งแต่ปฏิบัติยังยังยังขึ้นหน้าได้อยู่เรื่อยๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนที่ข็ได้ครับดูที่ของการกินยา ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับพี่ท่านก่อนหน้าเนี้เคยถามว่าอาการลมเข้าลมออกเหมือนกับไม่มีตัวตนเนี่ยทั้งทั้งที่นั่งสมาธิคือรู้ว่าอย่างงู้นคือรู้ว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ทํำสมาธิแต่ว่าในอาการจับลมเนี่ยคือมันเหมือนกับลมผ่านไปคือเข้าไปก็คือเข้าไปแล้วก็ผ่านพอออกออกมาก็คือเหมือนกับผ่านไปเฉยโดยที่ว่าเราเหมือนกับเราไม่มีตัวตนเหมือนว่าเราจับ เราจับลมไม่ได้อย่างเนี้ยอาการนี้ใช่อาการเดียวกันกับพี่ที่เพิ่งถามผ่านไปเมื่อเมื่อตะกี้ไหมครัเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยถ้จับลมไม่ได้แสดงว่าลมมันละเอียดก็ไม่ต้องไปสญญนใจเรื่องตัวตนตอนนั้นนะให้สนใจอยูญญ่ว่าจิตเราคิดหรือไม่คิดตอนนี้ต้องการให้จิตเราไม่คิดอะไรให้จิตเราไม่หมุนด้วยเฉย แล้วถ้าในตอนนั้นเนี่ยครับคือในตอนนั้นที่ว่าที่ว่าลงเข้าลงออกคือเราสามารถไม่สามารถที่จะมันลงได้คือว่ามันดูความว่างไปอะมันดูวางมากเลยครับครับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคือแบบว่าถ้ามันเป็นี่ใจมันอยมันไปได้ยังไงอ๋แล้วทุกวันนี้ที่ผมที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าอยู่ในไม่ว่าออยู่ในเวลาทํางานเนี่ย คือผมลืมมาผมลืมทำบริการพูดโทรัไปแต่ว่าจิตจะไปจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำเนี่ยคืออันนี้ไปถูกทางไหมครับถูกทางถ้าเราทำงานก็จิตก็ต้องจดจ่ออยู่งานที่เรากำลังทำอยู่ออครับผมเพราะว่าหลังจากที่พระ อ, อาจารย์แนะนำผมเมื่อเช้าบอกบอกว่าให้ลองไปที่สถานที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับเราดู เกือบทุกอย่างมันจะดีขึ้อนอย่างเงี้ยก็คือว่าในในข่าวนั้นคือผมผ่านการทดสอบบทบทหนักมาแล้วคือบทหนักที่ผมพยายามนี่คือผมพยายามกัดอเป็นเรื่องพกในเรื่องนั้นคือคือที่ผ่านมาก็คือว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความโกรธผมพยายามผมไว้ผมไว้ผมไว้จนอยู่สองสามวันจนแทบจนผ่านมาได้ท่านคนนี้ผมก็เลยมาคิดได้ว่าเอ้วันอาทิตย์เนี่ย เป็นวันว่างขอให้ไว้ว่างสักวันหนึ่งขอไปที่ที่ผมเคยไปแล้วมันมันมันสบายใจดีกว่าขอให้มันว่างสักวันหนึ่งพอดีผมไปวันี้ทิตย์ป่าวมาในคือมันเหมือนกับว่าได้รับการชาร์จแบตอ่ะคือเราชาร์จแบตชาร์พอรังใจมาเต็มปุ๊บมันสามารถที่จะให้พาไว้ผมนี่ก่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มันผ่านเข้ามาได้เยอะมากๆเลยครับอาจารย์ ได้ก็ดีแสดงว่าที่ทำดีช่วยเสริมการปฏิบัติของเราครับผมแล้วกลับไปที่ที่ตรงไหนดีก็กลับไปเรื่อยๆครับก็ผมก็อยากจะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็อีกที่หนึ่งก็ไ ก, ก, กลเหลือเกินแต่ว่าที่ประฐานที่ตรงนี้ก็คือว่าที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็ว่าธรรมมงคลเนี่ย mm hmm. คือว่าผมก็ไปตรงนี้สคือใกล้สุดแต่อีกที่หนึ่ง มีอาการเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ไกลามากคงไปไม่ไหวร่องใจจะเป็นช่วงเทศกาลครับถ้าไดกลับบ้านที่ไหนก็ได้เอานาที่ไหนก่อนข้าที่งั่นก่อนก็แล้วกันนะข้าวผมครับผมนมัสการกับผมมีคำถามแก้ไขถามใช่คุณหมอท่านทะลุต่อคุณหมอท่านจะลุก่อนทาลองเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วมาฟังธรรมครับไม่มีคำถามอันนี้ก็ยังต้องทำงานอยู่นะ ครับใช่ครับบางก็ออกมาชาร์แบตเตอรี่บางตอนนี้นะครับเหนยวครับครับผมอามีใช้กาสรึนะใยางาสรึใชครับป้าจักรครับอลโครับอยู่ที่ไหนอยู่ระยองครับผมระยองมีคำถามอะไรไหมมีครับสองสาคถามครับป้าจัก ขนาดที่อ่าเอ่อขณะที่เราให้จิตมันรวมเนี่ยครับผมทําสมาธิเนี่ยสิ่งที่หลักหลักหลักเลยคือให้เราปล่อยวางใช่ไหมครับพ่ชางคือให้เราเน่งให้จิตมันนน่งให้มันหยุดคิดตุ่มแต่งก็มันก็จะปล่อยวางเองถ้ามันนน่งแล้มันก็จะปล่อยทักอย่าครับรวมทั้งร่างกายลมหายใจอถ้ามันก็สัเน่งทุกอย่างมันจะนี่งไปหมดเลยจะเงียบ เราต้องอยู่กับตัวนั้นนานไหมครับอาจารย์ก็ใหม่ๆมันก็อยู่ได้ไมนะ่นานเพราะสติเรามีกำลังน้อยแต่ถ้าเราฝึกสติให้มากขึ้นต่อไปมันก็จะอยู่ได้นะครับอาจารย์ขณะที่เราอยู่อะในในในในสมาธิตัวนั้นอ่ะมันจะมีหลายๆเรื่องขึ้นมาปุ๊บแล้วจะมีตัวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญญามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เป็นอ่า อ, อะไรนะครับ อันนี้ยังตุกห่างอนน่ตาอันยังไม่ยังนี้ยังไม่เป็นสมาธิถ้ามันยังมีการคิดปรุงแต่งนี้ยังแสดงว่ามันยังไม่สงบแต่ที่ไม่สงบแป๊บเดียวแล้วก็มาคิดปรุงแต่งต่อก็ต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดปูกงแต่งเพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจารณาไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดตอนนี้ต้องการให้มันนิ่งอย่างเดียวครับแล้วอันีอีกอีกอีพิธีหนึ่งครับอาจารย์ขณะที่ผมทํางานมาปุ๊บเนี่ย เอ่ามันจะเหมือนกับการสวดมนต์ไหมครับอาจารย์ผมใช้คําบริกรรมที่แบพูดทางสระนังกชามิธรรมะครับพอพอผมไปมันเป็นนิ่งกึบนิ่งแบบคือเห็นเลยเพราะว่าเขานิ่งไรนี่ผมเข้าใส่คําบริกรรมพุทโธเข้าไปอีกแล้วมันหายไปเลยนี้อันนี้นี้ันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์อะไรอ่อคําบริกรรมหายไปหมดเลยครับอาจารย์ก็คนอยู่ก็หายเลยนั่นมันนิ่มันว่างว่ะเปล่าแล้วมันว่างเปล่า ครับมันไม่มีอะไรเห็นแค่ตัวไม่มีอะไรนะมันถ้ามันไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ใช่ได้ถ้า<อ>พูดต่อหายแล้วยังคิดปรุงแต่งมาใช่ไหมได้ไม่มีเลยครับอาจารย์มันไ ม, ม, มันหายไหมดมันแค่มีแคดรู้ออถ้ามันรู้เฉยๆไปอย่างนั้นมันได้โอครับอาจารย์ครับผมไม่มีครับสงสัยแค่นี้ครับอาจารย์นั่งสมาธินี้ไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาเจริญปัญญาก็เป็นเวลาที่เราต้องการพักจิตให้จิตพักนาน จะได้มีกำลังออกมาต่ อ, อสู้กับกิเลสต่อไปครับผมพรนะอาจารย์นะครับผมสมเด็ิดาเชิญอันนี้จากวอชิงตอเมริกามัเนสิเนี่ยากลับนะมัสการคะ่ะพระอาจารย์วันนี้หนูไม่มีคําถามคะ่ะอ่ะหน้าเวลาเนะี่ยสบายดีคะ่ะสวัยดีค่ะพอดีวันตอนนี้เวลาที่นี่เปลี่ยนนะคะ จากเดิมที่เคยเข้ามาฟังพระอาจารย์ตอนเก้ามงชาตอนนี้มันเป็นแปดโมงชาบางทีหนูกลับมาไม่ทันนะคะแต่ส่งลูกก็เลยตแต่ก็เข้ า, าขมาฟังบางทีไม่ได้เปิดวิดีโออะไรยนยคะยยค่ะแต่ว่าหนูก็ยังปฏิบัติต่อนเนื่องอยู่คะ่ะแล้วก็มีได้ไปนั่งที่สุาสานตอนคาริทัลแล้วค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะพระอาจารย์เหมือนกับแบบ ทำให้เราเห็นว่าคนไม่ว่าจะแบบยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายเขาเข้ามาเป็นเป็นดินเป็นธาตุอยู่แถวนี้การไปภาวนาในในป่าชาติได้ประโยชน์หลายอย่างในสลานที่สงบเพราะไม่ไม่มีใครไปเที่ยวไปวิ่งไปเล่นกันแล้วก็ได้ปัญญาได้สติได้มรณสติค่ะนี่ไปบ่อยๆค่ะค่ะหนูก็จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ ค่ากลาบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะเป็นราชวันราชราชดาวันคุณราชดาวันได้ยินไหมมีแต่จอภาพไม่มีคนเดี๋ยวต้องข้ามไปก่อนนะการทัศน์สีโน้ตสิบเขาไม่เขาไม่ได้เปิดเสียงครับไม่ได้เปิดนะครับเห็นมาที่คุณราพายเอาต่อคุณราพาเอาได้ยินไหมราพายเอา สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่สวนน้ำฟูมค่ะอ๋อสวนน้ำงมมีอะไรไหมันรายงานตัวค่ะไปหาพระอาจารย์ที่ชนบุรีมาค่ะแต่ว่าไม่ได้เจ อ, อไปติดโควิดค่ะไม่มีคำถามนะตั้งใจเฉยนะก็คำถามโนะดยรวมก็ได้ค่ะเผื่อว่ามีใครฟังแล้วมีอะไรที่คล้ายกันว่า ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทางบ้านเขาไม่ได้สนับสนุนทางเนี้ยค่ะจะยังไงดีคะเขาเรื่องของเขาเถิดเราไม่ต้องการสนับสนุนเราทำของเรามมเราไม่ได้ไปขอร้องไปไปรบกวนเขาสักหน่อยเขาจะไม่สนับส น, นุนก็ไม่เป็นไรไม่มีกองเชียร์เราก็เล่นเราก็เล่นได้ไม่ใช่ไหมันมันก็ได้แต่มันก็จะรู้สึกขัดขันว่าแบบ ช่วยเขาไม่เต็มที่หรืออะไรเนี้ยค่ะเหมือนกับเหมือนอาจจะเรียกว่าแบ่งเวลาได้ไม่ดีเลยเอาแล้วก็เวลาที่เราเป็นของเราเนี่ยเาเวลาที่เราต้องไปทําให้อะไรให้เขาแล้วก็ไปทําเหมือนเดิมก็อะไรคะแล้วแล้วถ้าแล้วอีกอันหนึ่งที่หนูได้ยินมาก็คือว่าถ้าคือ เราควรจะพาตัวเองออกจากในออกจากกิเลสตัญหาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมคะใช่ก็ควรจะที่ยออกจากกิเลสตนะัณหาทำได้ก็ว ค, ควรจะทำจากจากที่จากที่หนูประสบมาะคะจากจากความรู้สึกหนูเองว่า เวลาที่มันกลับมาเจอกับครอบครัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายแล้วถามว่าถามว่าเราเรารู้ตัวทันไหมว่ามันเกิดเอ อ, อาการอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นเราก็รู้ตัวทันแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ไม่ถึงไม่อยู่แต่ว่าจะทํายังไงให้มันแบบพยายามให้ให้สองด้านมันโอเค เคยถ้าเรายังต้องอยู่กับเขาแล้วก็พยายามทาใจไปแต่ถ้าถึงเวลาที่เราไปได้ล้วก็ไป เ, เพรอยู่กับเขามันวุ่นวายเนอะวุ่นวายเนอะอยู่คนเดียวมันสบายกว่ามันสงบกว่าค่ะนะค่ะใช้เหตุใช้ผลไม่ได้ใช้อารมณ์อยู่นลขาทุนอยู่ไปทำไมต้องไปอยู่ที่เราทาลางไม่ดีกว่า มันก็ยังไปไม่ได้ไหมคะไม่ก็ต้องรอเวลาให้ทุกอย่างอะไรใดๆมันประจบก่อนความตายไม่ไมรอรอน้เราไปเรา ม, าไมัไปรอคนนู่นคนนี้เดี๋ยวความตายบอกกูไม่รอมึงนะนะคะโอเคนะ <c oughs> <ข>อ่ี๋ยเมื่อกี้คุนกานแล้วซีโนะเห็นมานั่งกลับไปนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะสันนิทอนต่อ สมิงทอนจากแมรีแลนด์เหมือนกัน u กลับมาราการกลับมาราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมวันนี้โยมไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ยังต้องเจริญสติให้ต่อเนื่องพอรู้สึกว่ามันหยุดบ่อยๆค่ะแล้วางทีโยมค่ะโยมทํางานที่บ้านช่วงนี้ทํางานที่บ้านทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทํางานแทนเพื่อนด้วยเพราะเขาล่าหยุดกันหมดเลย ก็ <c oughs> ก็เลยทำงานนานหน่อยอย่างเมื่อคืนนี้กว่ายมเสร็จงานก็ดึกด่นแล้วเวลาเหนื่อยมากยมก็ไม่ไหวหลับก่อนแล้ว <c oughs> ค่อยมานั่งสมาธิตอนเช้าแต่เหมือนกับว่าเหมือนอย่างอย่างเมื่อเช้านี้ยมนั่งไปสองชั่วโมงแล้วมันยังไม่สงบอะคะ่ะพระอาจารย์แต่พอถึงเวล า, ว, า, าว่าเราจะต้องหลุดเมื่อเราจะต้องหยุดลกเหมือนอาจจะเป็นกิเลสหรือว่าจิตเรา ฟุ้งซ่านคิดไปเองว่าเอ้ยมันกำลังจะลงแล้วมันกำลังจะดีแล้วนะหยุดแล้วท ำ, ทำไมถึงหยุดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนี่เกิดมาจากความฟุ้งซ่านของเราเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ครับสติเราไม่ไม่มีกำลังพอที่จะหยุดควาคลี่คลงแต่งตาอืมอมืก็เพียงแต่ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็จเจริญสติให้ต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นก็ช่วงไหนที่มันฟุ้งซ่านเราใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะค่ะ คะโยมก็พูดโทพูดโทเนี้ยแหะค่ะแต่ก็บางทีมันก็มันก็หลุดหลุดไปแล้วก็คอยกังวลว่าเอาถึงเวลาเดี๋ยวเราต้องไปทํางานแล้วมันมันต้องหยุดแล้วตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเนี้ยค่ะก็เลยอทา<ำ>ท<ำ>ี่ทาได้ก็แลใ ช, ใช่ค่ะอาจารย์ก็เมื่อกี้ก็อย่างเอาอย่างท่านเมื่อกี้นี้โยมก็ต้องอาจจะต้องรอให้ถึงเวลาของโยมแล้วตอนนี้ก็จะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อะคะ่ะอันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนอายุมากๆแล้วอาจจะชวนคุณจิ๊บกับเมืองไทยไปปฏิบัติธรรมด้วยกันได้ยินเขาพูดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะค่ะพระอาจารย์ับขอบคุณนะคะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะคนเมนตอบเมมินเมมินเมมินค่ะพระอาจารย์ไม่มีไมโทรค่ะไม่มีไม่โทรนะ ค่ะพระอาจารย์มีคำถามค่ะคือว่าเหมือนแบบว่าหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากถามพระอาจารย์ว่าแบบอย่างเช่นการที่เราเป็นแบบพรโสดาบันภระกิทาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนี้ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันดูแบบยากมันดูเป็นเรื่องที่แบบไม่มีคนพูดกันอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแบบอยากให้พรอาจารย์ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยว่ามันแบบว่าจริงๆแล้วมันแบบมันหนูแค่สัวมันดูเป็นแบบ ถึงที่มันดีลับวิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงจมันก็คือแค่เราปฏิบัติได้แล้วเราก็สามารถเป็นได้ได้มันก็เป็นเหมือนกับไปเรียนมหาลัยจะเป็นหมอถ้าเรียนเดี๋ยวมันก็เรียนจบใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดไม่มีคนไปเรียนมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเรียนหมอนี่ไปไปไม่ได้แต่ทีนี้เราเห็นคนเรียนหมอกันเยอะแ ย, ยจบกันมาเยอะ แต่เราไปอยู่ในวงของปฏิบัติแล้วเราได้ยินว่าพระรูปนั้นก็เป็นอราหารันต์พระรูปนี้ก็เป็นอราหันมันก็บอกเอ้ยมันก็ไม่ใช้เป็นขอกอยากเองอเข า, mm hmm. าเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้แล้วก็มีอาการสามที่สองเหมือนเราแล้วก็เป็นเหมือืเขา mm hmm. ถ้าเราถ้าเราทําหน้าที่ของเราเรียนไปปฏิบัติไปนะครัเดี๋ยวเราก็ได้เอง mm hmm. แล้วเราทําไมถึงหเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือรู้สึกว่าเหมือนในยุค ก, ก่อนๆเนี่ยคน เป็นกันเยอะมากเลยบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยค่ะอ๋อพอยุคขององคเจ้างๆมันเป็นเหมือนยุค ท, ที่อมีพวกที่พร้อมที่จะบรรลุเยอะเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนวามามาม า, มารอองค์ต่างๆมาสอนองคเจ้าตๆแสมมติว่าท่านพระเจ้าไ ว, วยสารพุกนักบวชก่อนเลสมาสอนทุกหน้าบวชที่พร้อมที่จะบรรลุพอสอนก็พวกเดียวเขาก็บรรลุกัน ที่เขามันดูได้เลยเพราะว่ากําลังสติเขามันมันมันก็มีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาแล้วก็มีศีลนะขาดปัญญาอย่างเดียวแล้วอาจารย์แล้วหนูเข้าใจถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าสมมุติเราฟังท่านอาจารย์ตอนนี้พูดถึงอ น, าตานัตตนุนียนั่นแต่เราก็ไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าเหมือนเราสติไม่พอใช่ไหมก็ยังเรายังยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจคำว่าอนัตตาแปลว่า แต่ถ้าเรามานั่งคิดๆอยู่เรื่อยๆนักตาไม่มีตัวตนแล้วเรามาเปรียบเทียบว่าอะไรไม่มีตัวตนบ้างเมฆมีตัวตนไหมนมมีตัวตนไหมมาเราเปรียบเทียบอีกต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินเป็นเป็นเหมือนนมเหมือนน้ําเป็นเหมือนเมฆเป็นเหมือนอะไรต่างมันก็จะเข้าใจแล้วว่านักตาเป็นไงเราต้องวิเคราะห์เพื่อเข้าใจ อืมก็คือแสดงว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเราฝึกสมาธิแล้วเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับทําให้เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราเข้าใจจริงๆแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมคะใช่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเดนเป็นเหมือนดินฟ้ากัดเราจะไปทุกข์กับดินฟ้ากัดหรออืมแล้วที่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มีขึ้นเหมือนที่พระรหันเหมือนยังไม่หมดคําว่ายังไม่หมดนี่หมายความว่ายังไงคะอาจารย์หอกอว่า ก็ยังมีความอยากอยู่คำเริ่มคนเริ่มดีอืมก็คือเหมือนถ้าสมมติเรายังยังไม่เห็นว่าเป็นยังไม่เห็นว่าเป็นเรียนธาตุทั้งหมดบางส่วนยังเห็นว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราอ๋อก็คือเราก็ต้องดูใจว่ามันยังมีอะไรที่เรายังอยากอยู่ว่าเรายังทุกกับมันอยู่ไปเรื่อยเื่อยเรายังไปหลงไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถสั่งได้หรือเปล่าอืม ค่ะอาจารย์แ <dengan> ล <b appears> ้วก็อย่างสมมุติว่าเวลาที่ปฏิบัติอะค่ะคือสมมุติว่าจริงๆเราเราควรให้เวลาการแบบพูดโธมากที่สุดไหมค่ะอาจารย์อย่างแบบสมมติว่าขั้สติขั้นอยู่สติเราต้องฝึกฝึกใช้พูดโทเป็นตัวฝึกสติไปก่อนอืมค่ะแล้วก็หนูขออีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ว่าแบบเหมือนว่าหนูอ่านแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบอาสุลกายค่ะอาจารย์หมืยกับว่าเกิดจากการที่เรากลัว หนูก็เลยอยากรู้ว่าแบบเอ๊ะเขากลัวอะไรอะไรย่เงี้ยค่ะอาจารย์ที่เราเป็นเกิดเป็นผู้กลัวต่างๆที่เรียกว่าโฟเบียไงพวโฟเบียบางคนก็กลัวความแก่บางคนก็กลัวความเจ็บกลัวโควิดบางคนก็กลัวคนมาบ้ามมามาปนมาที่มันตั้งแต่จะกลัวชนิดไหนมความกลัวทั้งนั้นอ๋อแล้วอย่างนี้คือความกลัวนี่คือเกิดจากการปรุงแต่ง ก็เกิดจากการหลงหลงในสิ่งที่เราลักเราหวงเราลังร่างกายแล้วก็กลัวร่างกายเราจะถูกทำร้ายทําลายถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราแล้วมันจะต้องตายไปวันใดวันหนึ่งเราก็จะหายกลัวไม่กลัวเนี่ยไม่อเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปกลัวอะไรก็คือเหมือนเข้าใจผิดหลงแล้วก็เลยไปกลัวกับ ใช่ไปเข้าใจถิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราใช่ไหมอะไรพอเป็นของเราก็าไม่มีตกกังวลใช่ไหมบ้านเราก็กังวลเลยใช่ไหมรถเราก็กังวล น, นะแต่ถ้าใช้รถของคนอื่นเนี่ไม่ค่อยกังวลใช่ไหม <laughs> อืมอาจารย์อาจารย์แล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์หนูรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าพอพอเริ่มเข้าใจธรรมมากขึ้นเนี่ยตอลเาเราคุยกับคนอื่นอ่ะพอาจารย์มันเหมือนเราแปลกเราเหมือนเราแบบว่ามันเหมือนเขาคิดว่าเราแบบเพี้ยนไปแล้ว ก็พูดกันคนละภาษานไงเราเปลี่ยนภาษาพูดเราก็เ<ม>ลยเพีย้ยนแต่เพี้ยนไปในทางที่ดีไม่เป็นไรหรอกอือแสดงว่าเราก็ต้องเหมือนกับไม่ต้องไปคุยกับคนเยอะใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเวลาเราคุยเยอะนัปฏิบัติเข้าไม่คุยเขาไม่ให้คเคกับใครให้อยู่คนเดียวให้เปิดไว่เอืโดยแล้วไม่กลับไปอยู่กันเสียเวลาอือค่ะอาจารย์เพราะเข า, ห เ, าเหมือนเห็นคนเราแบบคนละด้านกับเราเลยมั น, น ทำให้เราแบบตกใจด้วยให้เขาแบบเราต้องรู้ว่าเราเราแปลกแล้วเราแปลกจากเขาแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเหมือนเขาเราชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวเหมือนเขาแต่นี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเป็นบัญญาเสร็จติดอืมครับอ า, าจารย์โอเคค่ะแต่ใครไม่เห็นเมืนเรา<ป>เราไปพูดกับเขาไม่นานไปพูดกับเขาก็ไปพูดกับคนที่เขาเห็นเหมือนเราอย่างเงี้ยเข้าาห้องนี่ย มองนี้มาพูดแล้วไม่มีใครว่าแปลกเลยใช่หมอืมค่ะอาจารย์ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์โอเคเมื่อคืนนี้เข้าไปในห้องภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างก็ฟังไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องนะเราคือเหมือนแบบฟังรู้เรื่องเป็นบางคนนะคะแต่ว่าหนูสือว่าอาจารย์เก่งมากเลยที่ฟังแบบทุกสำเนียงออกหนูยังแบบฟังไม่ออกเลยสำเนียงแบบ สิงคโปร์มาเลยอะไรเนี้ยค่ะหลายชาติหลายภาษาใช่แต่ว่าเหมือนก็อยากเรียนรู้ว่าที่พระอาารบอกว่าเหมือนพอถ้าเราศึกษาจากภาษาอังกฤษเราจะเหมือนกับว่าเข้าธรรมะตรงตรงเข้าใจง่ายกว่าเพราะภาษาเราไม่ค่อยสับสนเหมือนภาษาไทยใช่ค่ะเหมือนอย่างเช่นแบบคําว่ากิเลสหนูก็ยังงงอยู่แต่ว่าพอไปฟังภาษาอังกฤษปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบอ๋อมันคืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนภาษาอังกฤษมัน คนน้อยด้วคะอาจารย์ ม, มีเวลามีเว ล, <laughs> มลามีเลาถามถามอาจารย์อะตอนนี้ก่อนจะต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวใกล้จะหมดอ่ะใน่อห้าี่คุณยภาต่อคุณยะานักพันักพันาสการค่ะอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ก็มีคำถามค่คะเห ม, มัอน<ข>มีสอง <c oughs> <c oughs> คถามคำถามแรกคือ ภาระที่เราทํางานอะค่ะอาจารย์แล้วเราต้องไปเจอคนที่แบบจิตใจเขาแบบคิดช่อชนตลอดเวลาแต่ถ้าเราจะไม่ทํางานกับเขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้เราควรจะแบบมองอยังไงดีอะเพราะว่าเราคุยก็ก็เหมืนเนลวลาขึ้นรถเมลเราเราไป น, นั่งกับคนที่เราเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงใช่มเราทำไเรานั่งกับเขาได้ก็ตัวใครตัวมันเรื่องใครเรื่องของมัน เขาจะชอบชนเรื่องของเขาไปแล้วอย่าไปชอบชนตามเขาก็แล้วไปเหมือนต้องเป็นค้าขายกันยังไงคะอาจารย์ก็ค้าขายมันก็ค้าขายไปเ้วไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ค้าขายความชอฉชนนี้แต่ว่าค้าขายของว่าค้าขายเขาจะโกหกเราเรื่องของเขาแต่เราไม่โกอกแบบรวมแล้วก็พวกความจริงไปอืมก็คือถึงเราจะโดนเอาเปรียบก้มก้มก็คือก็ถือว่าเป็นการทํำบุหไปแล้วนั่นอืม โอ้ผาผ่าแล้วกถ็ถ้าเราไม่อยากจะเสียเปรียบเราก็ต้องอย่าไปทำกับเขาแล้วก็ต้องย้ายงานไปเรื่อยๆแล้วเราจะย้ายไหวแล้วมันมีแต่คนพวกเอ า, ลารละลาเปรียบเท่งนั้นนะไม่มีใครที่เขาจะนอกจากคนเข้าวัดเท่านั้นาจะไม่ค่อยเอาละละเปรียบเพราะฉะนั้นก็จะเอาละละเปรียบไปเท่านั้นค่ะแล้วพุทธเจ้าถึงบอกให้ครบบัญญัตีไยอย่าไปครบคนพานคนพานก็พวกที่เอาละละเปรียบนี่แหละคนพาน มันเอง ก, ก็คือพวกใจบุญคนใจบุญ แ, แต่ถ้ า, าเรื่องไม่ได้ก็ต้องทำใจเรื่องไม่ได้ก็ต้องทาใจว่าเขาก็เป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วก็คอยป้องก<ไ>ันตัวเราก็แล้วกันแลวก็ป้องกันตัวเราอย่าให้ก้าวเอาลัาน่นเราเปรี่ยนเราบ้าไปไกลก็แล้วกันค่ะอาจารย์แล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะเหมือนถ้าสมมุติว่าเหมือนบุพการีอย่างเงี้ยค่ะสั่งเสียไว้ว่า เราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ทําตามที่เขาสั่งเสียไว้อย่างเนี้ยค่ะมันจะติดอะไรเราไม่ได้รับปากเราเคยเสั่งขาเเขาสั่งอะไรก็ให้เขาสั่งมาแล้วก็รับฟังไว้แล้วเราทําอะไรได้ก็ทําไปมันไม่ได้เป็นผูกติดสัญญาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่หรอกไม่หรอกถ้าเรารับปากว่าจะทำเนี่ยถึงจะปิดแต่ถ้าก็สั่งไว้ก็แล้วก็ฟังไว้นะคร ใช่ค่ะทายใจก็อย่างหนึ่งถ้าสิ่งที่เขาสัรงมันผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ต้องทำหรือถ้าทําให้เกิดทุกข์เราก็เลือกที่จะไม่ทําำคือถ้าเกิดทุกข์เพราะมันเป็นผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้ามันเกิดทุกข์แต่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ทำอย่างเช่นเขาสั่งให้เราเงินของสมบัติเราไปทําบุนนี้แล้วเราไม่อยากจะทําำเรวก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องทำถ้วเขาสั่งให้เราทําให้กับเขาแล้วก็ทํำให้กับทุกเองอืมค่ะ หมดคำถามค่ะก็ได้ไปวินทบาทกับพระอาจารย์ด้วยอาทิตย์ที่แล้วเลวที่ไหนที่บ้านเพืเมื่อไหร่ไปกับมินนะค่ะวันนี้เรายู่หัดใหญ่เราไปกรุงเทพเขาก็อุตส่าห์ขับรถไปให้ตอนกลางคืนเลยค่ะเพื่อไปตอบบัตพระอาจารย์จำไม่ได้เห็นใส่หน้าด้วยนะไม่รู้ใครเป็นใครอ่านใจมากขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคสาธุคุณการธนาเชนจากสุโขทายัยทำเป็นเชื่อกเหรอ ปลวางแล้วเบาไม่ใ่ไละวัตการเจ้าค่ะอาจารย์ปล่อยวางเจ้าค่ะช่วงชมโยงกินกาแฟเพราะว่ามันง่วงเจ้าค่ะแล้วก็วันเมื่อโยงไม่ได้กินครั้นี้มันปวดหัวมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์โยงก็พยายามวางกาแฟเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็มันพอนั่งสมาธิเอ๊อมันง่วงแล้วก็มันอุดหีิดด้วยเจ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เลย ไปกินใหม่ก็ได้แต่ก็ลดปริมาณลงเจ้าค่ะพันธ์อันนี้มันเป็นร่างกายติดหรือว่าจิตเราติดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าสองอย่างร่างกายก็ติดด้วยจิตก็ติดไปด้วยเจ้าค่ะก็เวลาง่วงเปลี่ยนวิธีนั่งจากนั่งมันรู้ขึ้นมาเดินอย่าไปดึงกาแฟดี๋ยวถ้ามัก็ต้องติดมันก็ต้องคอยกินอย่างเรื่อยๆเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเหมือนจะป่วยเลยรเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ ก็พยายามลดลงเ๋ยวเปลี่ยนวิธีไปเดินไต่ไหแทนเจ้าค่ะแล้วมันก็เป็นไม่กี่วันนะเวลาที่เราจะเริ่มเนี่ยมันก็เป็นพันสามสี่วันมันก็หาย เ, าเจ้าค่ะนนคเจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์มากับนมัสการเจ้าค่ะไ ด, ได้สาธุคุณสุภัทราจากดัลลัสเท็กซัสเชิญจับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีอะไรไหมวันนี้คุณพ่อมีคําถามบ้างคุณคุณพ่อไม่มีคําถามเจ้าค่ะแต่ลูกมีคําถามคือการปฏิบัติของเราก็เพื่อให้เราได้เห็นกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะอานิจจังทุกขังอนิตาใช่พอเราถ้<ค>าเราเห็นไตรลักษณ์เราจะได้รางความอยากได้แล้วขณะที่เราปฏิบัติไม่ว่าสภาวะไหนที่เกิดขึ้นก็อยู่ในกฎไตรลักษณ์เหมือนกันก็คืออานิจจังใช่ไหมเจ้าค่ะก็เหมือนกันก มันก็มีการเ ป, ไ ป, ไปรร ล, ลี่ยนแปลงไปการปฏิบัติเราก็จะมีการพัฒนาไปหรืออาจจะถดถอยลงมาก็ไดถ้าเราลดการปฏิบัติลงอือเจ้าค่ะอย่างอย่างสมมุติว่าจะมีช่วงระยะบางทีก็จะเห็นความว่างก็คือมันไม่มีความคิดแล้วมันก็อยู่ดีมันก็เข้ามาก็คือมันก็คื อ, อยังอยู่ในสภาวะของอนิจจังที่มันจะเขาก็มาเขาก็ไปแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แต่มันเป็นเขามาเพราะว่าเราเราทําให้เขามามเรามีสติเข้าอะไรมา แต่ถ้าเราไม่มีเสด็จเขาก็จะไม่มีวันมามมก็คือฝึกไปเรื่อยๆเพื่ อ, อที่จะเพื่อให้มันว่างอยู่เรื่อยๆว่างถ้างั้นถ้าว่างถึงที่สุดคือของความว่างเลยก็คื อ, อถึ ง, งนั่นคือสุ ด, อดของนิจจัง ถ, ถ, ถ้ามันว่างถ้ารมันก็จะมันก็ไม่เป็นอนิจจงมันก็เป็นนิจจ์เป็นนิจังอ น, นิจังก็คือนิพพานไปเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะใช่อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือคือถ้ายังอยู่ในกฎของอนิจจัง ก็ยังจะเป็นแบบนี้สลับไปสลับมาก็คือทําใจว่าเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจนกว่นเราจะทําชำระสิ่งต่างๆที่ทําจิตแห้งขเราให้เป็นนิจจ์คือกิเลสตัณหาต่างๆนี้พอหมดกิเลสตัณหาเวลาจิตของเราก็จะเป็นนิจจ์เป็นว่างไปตลอดเข้าใจแล้วเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะแค่นี้โอเค คนนิเทศอาจารย์คนนิเทศอยู่ ท, ที่ไหนหอาจารย์ค่ะกรุงเทพค่ะมีอะไรไหมค่ะวันนี้ค่ะรู้สึกเสียฟอร์มค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราก็ตัดต่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันมีเหมือนจะบางสิ่งอะคะ่ะมากระทบจิตอะคะ่ะแล้วรู้สึกแบบเ อ, อเหมือนกับ มันหลุดไปอะค่ะหลุดไปโดยที่เราคุมอารมณ์ไม่อยู่เรารู้สึกแบบเอ่อเหมือนกับมีอารมณ์โกรธขึ้นมานิดนึงนะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปพานหรือไปทําร้ายอะไรใครอนะคะแค่รู้สึกโกรธเฉยๆพอรู้สึกปุ๊บอะค่ะพระอารก็จะรู้สึกว่าโหรู้สึกเสียฟอร์มที่เราปฏิบัติทํามาต้องเยอะอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้ยังรู้สึกเสียฟอร์มอยู่เลยอะค่ะก็ยังไม่รู้สึกเฉยๆยอมนับสภาว่า น, นาำใจปฏิบัติของเรายังไม่ ยังไม่ยังไม่สถียืนยังมีขึ้นมีลงสติเรายังไม่ต่อเนื่องเราต้องมาพัฒนาที่สติต่ออย่าไปอย่าไปกำงานกับความรู้สึกเสียฟอร์ได้ค่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะเราแก้ปัญหาดีกว่าปัญหาคือสติเราเผลอเรา เ, อ, เ, ราเอสติมันก็เลยปล่อยให้ความโกรธขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ขาทีนี้ จะมีประเด็นถามอีกหนึ่งเรื่องอะคะ่ะเออมันเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดสัวเราอะปฏิบัติธรรมเยอะๆค่ะเหมือนกับว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนกับบททดสอบเข้ามาให้เราเหมือนกับฝึกจิตเสมอๆอย่างเงี้ยใช่ไหมอะค่ะอาจารย์คือปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็มีเข้ามาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อสอบเราทันตามมันได้ แต่พอเราปฏิบัติตั๊บเรารู้ว่านี่เราต้องไม่ทำตามนะมันก็เลยกลายเป็นข้อสอบขึ้นมนะ oh, าอ๋อได้ความจริงมันมีข้อสอบทุกวันเพียงแต่ เ, เราไม่ได้ทําข้อสอบเราทำตามแทนมันชวนเราไปเที่ยวเราก็ไปมันชวนให้เราไปทําบาปเราก็ไปอันน uh. ี้พอเรามาถือศีลมาปฏิบัติทํำแล้วก็มีข้อห้ามนะต่างๆมันมาชวนเรา ม, มันก็เลยกลายเป็นขับเป็ น, เ ป, นเป็นข้อสอบไปทันที เป็นบททดสอบอะไรอย่างงี้ยเป็นบททดสอบไปทันทีแ่ความจริมันเป็นสิ่งที่มันทําเราทําอยู่เป็นประจําำนะตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ถึ้ทิ้งศีลนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติค่ะใช่ค่ะขอบขอพระคุณค่ะพรนะอาจารย์ค่ะมีทนที่าอยู่กรุงเทพเหรออยู่กรุงเทพค่ะโอเคนะยังคุณไปที่คุณคุณอะไรคัมพีนะคัมพีคพัมพีพันใช่ ขอขอให้ถามถามนะยะอย่าเล่านิทานให้ฟนะเพราะไม่ค่อยมีเวลาค่ะละมัสการค่ะ ข, ของของโยไม่มีอะไรแต่ว่าถามของคุณแม่โยมาค่ะพอดีวันก่อนเขาเขาใส่บาตรทุกวันนะคะพระอาจารย์แล้วก็พอเขามีอยู่วันนึงเขานอนตอนบ่ายอะคะ่ะแล้วเขาตื่นมาตอนหกโมงเย็นเขาก็ตกกระจายนึกว่าเป็นหกโมงเชา้า เขาก็รีบลุกขึ้นมาใส่บาทใหญ่เลยเตรียมกับข้าวตอนหกโมงเย็นแล้วเขาก็เปิดหน้าประตูบ้านเป็นร้านค้าเขาก็เปิดมาตอนหกโมงเช้าอ่าหกโมงเย็นก็นึกว่าหกโมงเช้าเขาก็บอกเขาบอกโยมว่าเอ๊ะเขาทําไมเปิดประตูมาร้านค้าเขาเปิดช้าร้านค้าขายของเช้าจังนะวันนี้เขาก็รอต้องนานบอกพระทําไมไม่มาสักทีทําไมหกโมงเช้ามันไม่สว่างยิ่งรอมันยิ่งมืดแล้แม่ก็เลยรู้สึกตัวสงสัยจะหกโมงเย็นนะคะพระอาจารย์แล้วเขาก็ <S <S คลายมาหาลูกๆบอกว่าสงสัยแม่นี่จะอาการหนักแบบว่าแบบหลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ค่ะยมก็เลยตอบแม่ว่าไม่หรอกแสดงว่าจิตของแม่คงจะตั้งมั่นอยู่ในการใส่บาตรในกองกุศลผลบุญเนี้ยค่ะที่ตั้งมั่นมันก็เลยจําจดจดจออยู่ในจิตตลอดนะคะพอหลงตื่นมาก็จะเป็นพะวงก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วยมก็เลยบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีะคะ่ะแม่ทานบา ร, รมีเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไม ไม่อดไม่อยากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มียมตอบแม่เขาถูกไหมคะพระอาจารย์ก็ถูกเพิ่งนั่งไงความตั้งใจเขาก็ดีตั้งใจจะสบายงแต่ว่าแม่ไม่รอบคอบแม่ไม่ไม่ดูรอบคอบของไปตอนเย็นแล้วเป็นตอนเช้าแม่ไปไปไปคิดว่าเป็นตอนเช้าซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของคนแก่เนืคนที่มีอายุมาก เขาเจ็ดสิบกว่าแล้วคขาพระจรย์ก็ใส่ทุกวันวันละสิบรูป อ, อะค่ะใส่เป็หลายปีแล้วค่ะแล้วค่ะ เ, เขาก็นึกว่าเขาหลงอาการหนักเขาไว้อย่างเงี้ยสงสัยมากกันหนังแบบนี้ไม่เป็น ไ, ไรหรอกหนงแบบนี้ไม่เสียหายเพราะมันมันมันคล้ายคลาดอ่ะมันช่วงเย็นช่วงเช้าเขาบอกว่าพักนี้เขาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยเขาว่่ามไม่เฉลียวนะฉลาดแต่ไม่เฉลียว ค่ะค่ะค่ะแล้วก็บางทีคุณแม่ส่งมาให้ทุกเช้าให้โยมโมทนาบุญโยมไม่ได้ไปใส่อ่ะค่ะแต่ว่าโยมก็เอาเอ า, เอาปัจจัยโยมไปร่วมบุญกับเขาอย่างเงี้ยค่ะจะได้บใส่บาต ด, ด้วยไหมคไ ด, ไคได้ได้่ะเหมือนกับโยมก็ช่วยเป็นกําลังสเสบียงบุญให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาบอกว่าเขาทํากับข้าวเองทุกวัน ที่เขาใส่บาตรเขาก็มีส่วนของเขาเหลือเขาก็ใช้ของเขาก็ทานอยู่ด้วยทุกวันนะคะยมได้สองต่อไหมคะพระอาจารย์ได้ยังไงสองต่อก็ <ดะ S 1> อคือปัจจัยที่ยมให้คือแม่ยมก็ทานด้วยพระก็ได้ฉันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือได้ทั้งแม่ได้ทั้งพระอะค่ะท่านแม่เข้าแบกเก็บไว้กินส่วนหนึงก็เราก็ให้แม่ส่วนหนึงก็ให้ให้พระก็ได้ มันก็ได้เท่าเดิมเมืนได้เท่าเดิมถ้าร้อยบา ท, บาทลำบกากเท่า้นมันก็ไมได้ไม่ไอค่ะคือยมเอาเอายมไม่ได้ใส่แต่ยมเอาเงินไปให้แม่ค่ะ 1> <1> ไว้ช่วยให้แม่จะได้มีปัจจัยซื้อของใส่บาตรํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะไปให้ใครก็ไม่สําคัญเราให้เท่านี้เราก็ได้เราก็ได้เท่านี้แม่เราไปให้กี่คนมันก็ไม่ได้ทําให้บุญเพื่อนตามกันวนคนมันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราเสียสลับไป แต่แต่แต่โยมก็ยกจิตว่าเออโยมก็ร่วมโมทนาบุญใส่บาตรกับแม่ด้วยแล้วก็ร่วมว่าเออให้แม่ได้ทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราได้ใส่แต่คือโยมกับแม่อยู่เป็นคนละบ้านนะคะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอยู่คนละจังหวัด่ะคะ่ะก็ดีได้ทำบุญกับแม่ก็ดีค่ะต้อค่ะเะท่านี้ค่ะพอดีก็จะได้อตอบคุณแม่ได้ค่ะ สาธุคุณต่อไปคุณเกตเกตเนอันนี้ก็อยู่อเมริกาอยู่นอแครนียกราบนสกัครับอาจารย์โ <laughs> ยามาร่มบังํามเฉยเจ้าค่ะอนเจอรมาด้วยนะเ <laughs> จ้าค่ะแอเจอร์ด้เจ้าค่ะนางพยายาจะจิกต้องล็อกคอไว้ <laughs> อ่าโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คุณมีพานาเช่นอยู่ที่ไหนุณมีพานาอ๋อกรรมธรรสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้ามาครั้งแรกที่ไหนเลยอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพนะมีอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังแล้วมีกําลังใจฟังแล้วปลื้มใจค่ะจ ะ, ะพยายามอ่าติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการ ปฏิบัติของตัวเองต่อไปค่ะเอ่อดีพยายามฟังได้เรื่อยๆแล้วใจมีความเข้าใจดีขึ้นก็จะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะไปหาพระอาจารย์จะไปกราบที่วัดเจ้าค่ะเอ่อกาารกท า, อาที่นี่สะดวกกว่านั่นเนี่ยเดี๋ยวมีว่ากราบได้เลยอยากเจอพระอาจารย์ไม่เคยไม่เคยเจอเลยนี่ก็เจอแล้วเนี่ยบ่เจอที่บ้านก็คนคนนี้คนเดียวกันนะเ <c oughs> ขอคนละไหน <c oughs> อยากจะมาก็มาไม่ห้ามไม่ห้ามอที่มาถึงนอามาจะมาจะไปถึงไหนอีกอะ <c oughs> แค่อยากรู้สึกว่าอยากอยากกับเท้าสักครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> ให้เป็นกำลังใจของของสิทธิ์คนนี้เจ้าค่ะโอเคตสาธุสอบถกเ้ค่ะไปที่คนคนเดียวเดียวรสึกเราจะมาวางสกคุณได้ามาเรื่อยไ น้ำมันกันเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าขามีสิ่งมากระทบใจแล้วแบบว่าเห็นเลยค่ะมันมองเห็นใจแล้วทุกอย่างเข้ามาใกล้เข mm. e. e. the mm. ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาเห็นสิ่งที่มันไม่พอใจเข้ามากระทบใจเจ้าค่ะเราก็เห็นแบบมันกระเพิ่มกระเพื่มขึ้นมาเลยว่าอใจแล้วไม่สงบใจแล้วไม่บรคค่ะหลวงพ่อใช่เจ้าค่ะ แล้วก็ก็คำหลวงพ่ออ่ะยอมหยุดเย็นแต่ว่ามันมันเพราะว่ามันเป็นบ้านกำลังสร้างใหม่เจ้าค่ะแล้วก็พื้นเจ้าค่ะแล้วก็พอลูกไปเห็นลหลอวที่สีมันไม่ใช่แล้วใจมันมันขึ้นขึ้นมาเลยแบบมันก็เพิ่มจากที่เราสงบนะคะสงบสงบ ดิง่งนิ่งสงบตลอดเวลาปับมันเห็นคือมันลูกรู้สึกว่ามันแยกอะคะ่ะร่างกายกระจายอะลูกเห็นแล้วลูกก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นะก็แบบพยายามที่จะบอกกับตัวเองอะคะ่ะบอกกับใจตัวเองว่าว่าเห็นอะเห็นว่าความไม่พอใจมันมันมันพุ่งขึ้นมาเ จ, าจา้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพยายามพยาาระบายมันออกไปก็แล้วกันไม่พอใจก็เฉยเฉไว้ ระบายเจ้าค่ะก็คือบอกก็บอกเขาว่าว่าฉันฉันไม่แฮปปี้กับสิ่เจ้าค่ะก็พูดแค่นี้เราก็ก็เงียบค่ะก็คือเห็นแล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่สีที่เราเลือกนะแต่เขาก็บอกอ้าเราถ้เราถ้าเราพูดเราไม่เยียร์ลมก็ไม่เป็นไะถ้าพูดด้วยเห็นด้วยหูก็ไม่เป็นไร เจ้าค่ะแต่ก็รู้ว่าใจมันก็เพื่อว่ามันมันไม่ไม่พอใจเจ้าค่ะมันมันมีอารมขึ้นมาเจ้าค่ะต้องพิจารณาว่าเราเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เราสั่งอย่างหนึ่าแล้วก็ทําอย่างหนึ่งเราไปเราไปสั่งเขาไม่ได้เราห้มามหลบแต่แต่คนกเขาลืมหรืเอเขาเผลอเขาจำไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะแล้วมันก็ มันเกิดความเสียหายนะเจามันความหวังความอยากมันเลยทาให้เราโตขึ้นมาเจ้าค่าหลงทอก็ก็เห็นมันเห็นเลยนะเจานาทีนัาทีลูกพอตามันไปกระทบพื้นที่ที่โปะมันก็ขึ้นขึ้นมาเลยว่ามันไม่ใช่สีนี้ที่เราเลือกเจ้าค่ะมันก็เห็นเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเจ้าค่ะก็เวลาที่มัเพิ่มขึนแล้วก็หยุด ใช้สติปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วในทันยังไยแล้าค่ะหลวงพ่อลูกก็ก็พูดนาทีนั้นก็พูดออกไปว่าว่าว่าว่าโอเคฉันไม่แฮปปี้แล้วก็ ก, ก็ก็พูดไปปุ๊บแล้วลูกก็ดับอ่ะค่ะก็ดับแต่ว่าก็ยังดับตรงนั้นพูดแค่นั้นจบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้เถียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กลับกลับไปก็ได้แล้วก็บอกบอก บอกความรู้สึกของเราก็ไนดะ้แล้วค่ะแต่อย่าให้มันบานปลายกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาแล้ ว, วค่ะหลวงพอ่อลูกเจ้าค่ะลกก็ก็พยายามอ่ะไป ก, ก็ก็กลับมาก็ก็คือพูดตรงนั้นจบที่ที่บ้านที่กําลังสร้างอยู่พูดจบแล้วก็ก็วางไปก็จบไปแต่ว่าก็ยังกลับมาบ้านก็ยังคิดว่าคือรู้สึกยังไม่สบายใ จ, ใจ ยังไ ม, ไม่สบา ย, ยใจที่กลุ่มมาล้มไม่ได้ใช่จ้ะค่วรู้สึกว่าก็ฝึกส ต, <c oughs> ติให้มากขึ้นฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากเกินไปเชิญค่าหลวงพ่อจ้าค่ะเจ้ะค่ะไม่มีอะไรแน่นอนไอ้ทีนี้สังก่องอยากหนึ่งเขาอา จ, จะไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้เชิาค้าหลวงพ่ออันเนี้ยมันทําให้รูกเห็ตัวเองเลยว่าเอ้ ที่เราบอกว่างเปล่าว่วางเปล่าแล้วก็พอมันมากระทบปุ๊บเนี่ยนเหมือนหน้าเหมือนเหมือนหน้าลาหาลันโนบุยเนี่ยเลวลาไ ม, <c oughs> ไม่มีอะไรม่มีรก็รู้สึกว่างเลยหมดใช่เลยใช่ร <c oughs> าไมสอบมันก็ว่างเเจอก็สอบเขก็เด้งขึ้นมาเลยใช่ไหรู้สึกว่าเอ้เราสอบตกเลยแล้วก็วันเนี้ยหลวงพ่อก็พูดเรื่อง พาลรหันนกหวีดแล้วลูกก็ฟังที่ท่านท่านหลวงตามหาบัวเทนะคระเจ้าค่ะลูกก็ฟังลูกก็ว่าสอบตกหลวงพ่อแล้วก็คือเอ้าโอเคลูกก็ยอมรับ ว, ว่าลูกสอบตกพอใจมันก็เพื่อแต่แลมันก็มันต้องแก้ ไ, <ด>ไขต้องแก้ไขต่อไปคราวหน้าก็อย่าอย่ า, ยาทำซ้ำํากอย่าผิดซ้ําำซากเอาว่าอันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วต่อไปอย่าไปหวังอะไร ลูกก็ต้องทำใจเฉยๆทำใจการกลางสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สีดำก็ได้มันก็เป็นแค่สีนั้นมันหลวงพ่อเจ้าขาโรคโรคบาอาธุรกิจมันก็จะเสียหายอย่างเงี้ยเ้เสียหายก็แก้เลยก็แก้ได้ก็แก้ไปก็รื้อใหม่ไปก็ก็ช้าหน่อยเสียเงินเพิ่มหน่อยก็ตอนนั้นเ่งแมนจำเป็นจะต้องเรียนล คิดด้วยเหตุด้วยผลไปลูกลอ่ะแต่ว่าสามีเขาเขาเหมือนเขาแฮปปี้กับสีนั้นก็คือก็พบอกสีวามใจครับก็ตามใจเ้าอย่าไปมีเรื่องกันสมรนส่วนต่างกับสารส่วนยอมหยุดเย็นออยอมหยุดเย็นถ้าเขาชอบเราไม่ชอบไม่เรายอมเขาก็หมดมันก็หมดเรื่องอย่าเอามาชนกันอยเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบ ถ้าอยากจะอยู่กันด้วยความสุขแล้วก็ต้องรู้จักสรวนส่วนต่างประสานส่วนหนึ่งจบค่ะจาคัะกลาวขอบระคุณเจ้าค่ะหลวงพอ่งพอการยอมนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นแพ้เนี่ยเราเป็นผู้ชนะเพราะมันเรายอมแล้วทุกนิดปัญหาทั้งหมดไปไม่มีปัญหาตามมานี่นาถ้าเราไม่ยอมมันกลายเป็นปัญหาเดี๋ยวก็เป็นบ้านตกสลายขาดไปก็ได้ใช่เจ้าค่ะหลวงพอ่อลูกก็ฟังหลวงพ่อบอกว่า ชนะตอนชนะตอนตนะอย่ไปชนะพูดง่าย ไ, ไหมคะเจ้าค่ะลูกก็นอนไม่หลับะตอนจะเช้ารู้สึกตื่นมาแล้วเราแบบก็พูดโทรแล้วพอเราก็ตื่นเดี๋ยวก็ถามว่ายุเป็นอะไรเนี่ยเจ้ค่ะคือคือลุกปกติลูกก็จะพูดโทรถ้าเขาทักก็อยาทักฉันนะวันนี้เราแบบลุกแล้วเราก็แบบนอนพูดโทอยู่แล้วเจ้ค่ะแต่พอลุกก็เราแบบ ถอนใจลุกมาแล้วเขาถามว่าอยู่เป็นอะไรก็บอกอืมยตอนนี้หายรือยังตอนนี้หายหรือยังหรือยังยังยังยัไม่หายแล้วหายแล้วโอเคหายแล้วก็ยังดีไม่ใช่ยังด่ากมันจะถึงวันนี้แสดาว่ายากมากเจ้าค่ะหายแล้วเมื่อวานนี้ก็แนะหลวงพ่อบอกว่าแพ้เป็นภาชนะเป็นมารก็โอเคไม่เป็นไรสีมันก็ก็เพี้ยนมันก็ เจ้าค่ะก็ก็พยายามทํำใจเจ้าค่ะเพอเขาบอกว่าอยู่เป็นคนเลือกสีนี้เองเราก็บอกตอนเราเลือกเราเลือกสีขาวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผ่านไปเลยจบเจ้าค่ะหลวงเจ้าค่ะตกสาธุเจ้าค่ะโอเคมีเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทำที่ไปหน่อยนะอ่ากำหนดการกำหนดการอ่าเดียวเหรอมีอะไรนะเดียว มึงจะเก็บกรมาเก็บไปกันเก็บสิเจานียโอเคอเคถย้ำไโอเคถ่นี่เพิ่นเข้ามามีาบบนี่อยากจะถามอะไร้หมมนี่เชไม่มีเจ้าค่ะค <App. S 2> เข้ามาฟังมารับบุญจากหลวงพี่ที่ไหนทรายเอยู<ง>่อังกฤษค่ะอยู่ที่อังกฤษนะเคยเข้ามาแล้ ว, วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาฟังธรรมที่เฉยค่ะ ถ้าไม่มีคำถาม่็ขอไปที่เพื่อนุกต่อเลยนะคุณตาถูกค่ะเพื่อนบุกอะขอความอนุญาตนะครับกุญเชาว์วัฒนะครับุณเชาวลวัฒน์ท่านชาววัฒน์ไปก่อนขอไปอะนมันสการครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ตรงขาครับตรงขานืมาครับครับพอดีผมพึ่งเข้ามา ใช้แอปของกับเฮ้าเขาแล้วก็ไปเห็นอ่าขับเฮ้าของป้าจารย์พอดีแล้วก็ก็เห็นมีการถ่ายทอดทางซูม <c oughs> ผมก็เที่ยวหาอยู่นานมากกว่าจะเข้าซูมได้ <laughs> เพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นถึงก็เลย <c oughs> ไปเห็นรหัสเข้าเข้าซูมในเสร็จก็ก็เลยได้เข้ามารอบแรกก็นั่งฟังอยู่แ ป, ป๊บนึงแล้วก็ยกมือไปแล้วก็พอดี <c oughs> ทางแอปนี้บอกว่ายังไม่อ่าให้ว่าป้าจาย์ต้องว่าอ่าคือเรียก คุยตามคิวอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็เมื่อกี้ออกไปธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งไปรับแฟนเลิกงานกลับมาก็เลยเข้ามารอบที่สอง mm hmm. ก็พอดีก็ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ mm hmm. ผมได้ฟังที่ทุกท่านได้ถามอาจารย์แล้วก็ mm hmm. ก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีการปฏิบัติที่อ่ารู้สึกว่าบางคนก็ไปก้าวหน้ามากแล้วก็บางคนก็ยังยังเกียดเหมือนท่านหลังสุดนะครับเมื่อกี้ที่เรื่องสีสีบ้านอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ ก็ได้ฟังก็ก็เห็นว่าบางคนก็มีปัญหาในชีวิตแตกต่างกันไปจริงๆครับแตกต่างกันไปจริงๆซึ่งอาจารย์ก็ให้คำแนะนำ ส, ะสั่งก็แนะนาสั่งสอนที่เป็นแบบก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆครับทีนี้ก็ผมขอขออนุญาตก็ก ใ, นในเข้ามาแล้วก็เลยจะขอขอขอคำถามขอขอขอให้อาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งพอดีว่าผมมัน เข้าเพจธรรมะอยู่หลายเพจใน f a c e b o o ครับแล้วก็มีมีคุยกันเนี่ยอ่าก็คือถกกันรือธรรมะเนี่ยครับไม่ได้เสียงกันคือถกกันอ่าเรื่องธรรมะเนี่ยครับมีอยู่ข้อหนึ่งผมมันคืออยากทราบว่าหลักการศึกษาพรุทธศาสนาเนี่ยตามที่อ่าที่ชือหลักกันมาว่าสามอย่างก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ย ซึ่งผมยังยืนยนันผมเนี่ยผมจะยึดตามหลักนี้แต่ว่ามีบางท่านในเพจธรรมะอ่าในเฟซบุ๊กเนี่ยครับบางท่านก็แย้งว่าบางท่านก็ไปยึดคือขึ้นปฏิบัติเลยโดยข้ามไปประยัดบอกว่าอย่าไปติดคัมภีรบ้างอย่าไปติดตำลาบ้างผมฟังแล้วบางทีผมคือผมว่าทำไมไม่เพราะหลักนี้คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันเป็นหลักที่ว่าเป็นหลักแบบเหมือนเป็นเส้นทางเดินของการปฏิบัติของคนที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาครับ ซึ่งอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ว่าถ้าถือหลักเนี้ยจะถูกต้องไหมหรือว่าต้องเข้าไปปฏิบัติก็ได้แล้วค่อยมาศึกษาปริยัตทีหลังอะไรเงี้ยครับเ อ, เอาสองตัวนี้เฉพาะปฏิเวชนั่นคือผลที่ได้อันนั้นใน น, นั้นผมผมไม่เป็นไรครับแต่อยากฟังว่าปริยตัตนี่มันมีหลายแบบปริยัตแบบศึกษาพรไตรปิฎกให้ครบเล่มก่อนนี้ไม่ต้องเสียขั้นนั<อ>้นเข้าใจไห้ครับปริยตัตคือให้ศึกษารู้ว่าทําทานอย่างไรทําบุญทําทานอย่างไร นั่งสมาธินั่อย่างไรแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเรียนนักธรรมตีโทเอกไม่ต้องไปเรียนบาลีได้ประเด็นกงประเด็นก้าอะไรงไีง้ไม่ต้องไม่จําเป็นปริญาเพียงแต่วาให้รู้ว่าวิธีทําทานทําบุญใส่บาตรทำยังไงอะไรทนองนี้แล้วก็วิธีนั่งสมาธิทํำยังไงรักษาศีลอย่างไรศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างให้รู้ศิ์แค่ปึ๊ก พื้นฐานแค่นี้ก็พอม่ต้องไปเจาะนึกไม่ใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนทั้งพรต่ายปิดดกเพราะมีมีเหตุในในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเรียนจบเจ้าพระตายปิดดกแต่เวลาพระพุทธเจ้าเธอเทลาราท่านก็บอกว่าอว่นี้เป็นใบลานเปล่าใบลานเป่ า, า, ปาเพราะเขาไปติดกับการเรียนจนกระทั่งเขาไม่เป็นปฏิบัติเนี เขาใคยังคิดว่าก็ยังเรียนไม่พอเขายังได้เรียนต่อยังไม่จบพระตไตรภิญโกรไม่ต้องเรียนจงจบหรอเพียงแต่ให้รู้ว่าการปฏิบัติไตรสิกขามีอะไรบ้างทานสินภาวนามีอะไรบ้างทําทางก็เสียละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เราไม่จับเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เอาไปทําบุญทำทานเสียหรือถ้าไปบวชก็ไม่ต้องใช้เงินทองก็ยกให้คนญไปให้หมดไปในเรื่องประทาน สิ่งก็คือข้อห้ามต่างๆแล้วดั้งสมาธิดั้งยังไงก็ต้องมีสติฝึกสติเอ็นบริกรรมพุทโธพุทโธรู้แค่นี้ก็ไปปฏิบัติได้แล้วอยู่ไม่ต้องรู้จักประศุนประศุนนั้นประสศุนที่มันมีอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องรู้แบบนัอ่าแล้วบางท่านสมมติว่าบางท่าน ไม่ไม่ถว่าไม่ไม่ได้ศึกษาปริยัติเลยแบบนี้เหมือนอศึกษาว่าทานศีลทานศีลภาวนาหรือหรือไตศึกษาก็คื อ, อสมาธิปัญญาขปะติปัญญาครับแต่ว่ า, า, ปญญาไปไปนั่งสมาธิเลยจะแบบนี้มันได้ไหมครับไม่ต้องศึกษา ได้ก็รู้ว่าวิธีนั่งสมาธิได้อย่างไรเช่นนั่งหลับตาดูวงใบชัยก็แค่นี้ก็พอแล้วจะจะได้ผลลัพธ์จะได้ผลลัพธ์บแบบเป็นผลลัพธ์ทางทางทําการปฏิบัติปกติใช่ไหมครับก็คือได้ดไดง่ายน้องปู่น้องตาส่วนใหญ่สังเกตุเลยท่านไม่ได้มีป ร, ริยัติไม่มีป ร, ริยัตไม่มีนักทำตีเลท่านก็เรียนจากครูบาาจารย์ท่านไปบวชแล้วท่านก็นน ไ, ปนนไปอยู่ครูบาอาจารย์ พวานยาบอกให้นั่งหับตามพุทโธพุทโธท่านก็ทําตามไปท่นเนี่อันนี้ก็เป็นปริยัติแอ้วปริยัติปฏิบัติแล้วก็อ๋อก็คือมันรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเอ่ก็คือรู้วิธีนั่งก็คือเท่ากับปริยัติแล้วใช่ปริยัติมาศึกษาไงศึกษาวิธีปฏิบัติมันรู้จากวิธีปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติเหมือนทำข้าวอย่างเงี้ยทําวอยาจะทําทาแกงเขียวหวานนี่ก็ไปถามแม่ครัวเขาทำยังไง แล้วก็เราไปทําเลยไม่ต้องไปเรียน <ส escape. S 1> ตำราหรืออาหารอย่างอื่นให้มันเสียเวลาทำเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการจะทํเทานั้นเองอ๋อครับคือไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้อเรื่องตําราไอ้คาว่าปรวัติศาสร์ไม่้ไม่ต้องรู้ประวัติของพระเจ้าไม่ต้องรู้พระเจ้าไม่ต้องรู้รู้พระเจ้าสิทชาติไม่ต้องรู้อะไรไม่จำไม่จําเป็น ไมนต้องรู้พระสูตรทั้งหมดว่าพระพุทธาแสดงพระสูตรไว้กี่พระสูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องรู้ถ้าปฏิบัติไมนไม่ต้องรู้สิ่งแบบนี้ศึกษาแก้วิธีปฏิบัติการเนาะการดูตุ๊กปูการทำธรรมะที่ทำยังไงอ๋อแต่นี่ก็ถือเป็นปริยัติเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นปริยัติยอมมานั่งคุยกับเรานี้ก็เป็นปริยัติเรารู้เป่าอ๋อก็คือการฟังฟังคําสอนฟังธรรมะจากบ เรีวยกว่าสุตมตามายาปัญญาปัญญา<อ>ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอ๋อครับครับครับมรับงานนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปอ้ามหรือไปลบหนู่ท่านได้เรียนปรีญานี่เรียนอะไรนะถ้าท่านอยากจะเรียนอย่างนั้นก็ได้แต่มันเรียนมากเกินไปมันไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติต้ต้องต้องคือต้องต้องเน้นปฏิบัติใช่ไหมครับสรุปว่าต้องเน้นปฏิบัติเอาเอาเอาเอาสิ่งที่เราต้องต้องต้องปฏิบัติมาเรียนเรยอว่าวิธี รักษาศีลรักษาอย่างไงมีศีลห้ามีกี่ข้อศีลแปดมีกี่ข้ออะไรเนี้ยให้รู้แค่นี้ครับครับอาจารย์นะขอขอบคับขอบคุณครับก็วันนี้เอ่อครัอาจารย์อ่าไม่ทราบว่ามีการมาถ่ายทอดเนี่ยทุกวันไหมครับคือการูเอ่อคือการพุดเวลาสองทุ่มเข้าไปนี่เพจเพจเพจอาจารย์สุชาติเ c e b o o k เพจระอาจารย์สุชาติแล้วจะมีลิงก์ให้เข้ามาได้ อ๋อ<ม>ครับครับครับน้มันจารการครับขอบพระคุณครับหมดไปยังผู้ที่เข้ามาในห้องยังมีตาไมาห่หลายคนเลยนะอ่าคุณมาเดี๋ยวยังมีคนอะไรที่เข้ามาดามะเอาหมดได้เลยนะห ม, หมดหมดแล้วครับเดี๋ยวขอไปที่เฟรนดู ก, ก่อนนะแล้วไฟถามคุณคุณหลามีคําถามจากเฟรนดูไหม มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด12คำถามเจ้าค่าคาอ ะ, คะอะะ่ามาเลยคำ ถ, ถามแรกจากคุณอวัตนนัสการครับหลวงพ่อเสริมสร้างบา ร, รมีคืออะไรและเป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่ครับคือบา ร, รมีแปลว่าธรรมะที่ทำให้เราเจริญมีความสุขให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์มีอยู่สิบชนิดด้วยกั น, นกรียกาบารมีสิบเช่นทานบา ร, รมี เสรมบารมีด้วยการทําบุญทําทานนี่ก็เรเสริมบารมีเนี่ยศีลบารมีเราก็รักษาศีลห้าศีลแปดไปก็เรียกว่าเสริมศีลบารมีนะแล้วก็เนคขมภับา ร, ม, ม, บารมีก็คือการออกบวชแล้วก็ไม่ออกบวชก็อยู่วัดถือนู่นขาวหงขาวหรือจะบวชได้ก็บวบเป็นพระบวชเป็นชีไปเล ย, เลยอันนี้ก็เรียกว่าเสริมเนคขมภัณฑ์บารมี <c oughs> อุเบกขาบารมีก็เกิดจากการนั่งสมาธิเวลาไปนั่งสมาธิกันเพื่อไปเสริมอุเบกขาบารมีให้จิตใจเราเน่งจิตใจเราว่าจิตใจเราเย็นจิตใจปราศจากความลักชังกลัวหลงนี่แน่ๆว่าในขมภบารมีส่วนปัญญาบารมีก็เนี่ยเวลามาอยจะได้ปัญญาบารมีก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาศึกษาอ่านหนังสือธรรมะกันมาสนทนาธรรมกัน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสริมปัญญาบ้าง น, นี้ยกตัวอย่างให้มี10ประการด้วยกันจากใหนนี้ก่อนคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณธรรมชาตกราพรคุณเจ้าโยมเห็นกายโยมเป็นโครงกระดูกบ่อยและนานแล้วมองเห็นสัตว์ที่ผ่านมาก็เป็นโครงกระดูกเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมากคะ่ะเห็นบ่อยๆเกิดจากอะไรเจ้าคะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ ก็เห็นว่าให้เราอย่าไม่ให้ไปหลงกับ ร, ร่างกายว่ามันสวยงามนี่ยทั้งขอกระโดดเลยหรือ ว, ว่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเรานี่ของใครก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สวยไม่งถ้าเราถลกมหลังออกมาเท่านั้นก็การมีแต่ของที่ไม่สวยไงามไม่เราเห็นนะคุณถามต่อไปจากคุณกศิลาเราเกิดมาทําไมคะการเกิดมาเหมือนการสร้างกำใหม่แล้วเ <MEL. S 1> มื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เราจะต้องไม่กลับมาเกิดคะ ก็เกิดนํามารับใช้กิเลสไงก็มารับใช้กิเลสตัณหากิเลสตัณหามันมักจะใช้เราให้เราไปหาราบโนสนรเสริญหาความสุขกันแล้วพอหาไม่ได้แล้วเสียราบโนสนรเซนสุดก็รอ้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเมื่อไรจะหมดแล้วก็เมื่อไรเมื่อเราฆ่ากิเลสหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่กลับมาเกิดล้วเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องฆ่ากิเลสให้หมดฆ่า ความอยากในรูปสีหนงกินก่นน่า่าความอยากมีอยากเป็นพ้าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจเราก็จะไม่ต้องับมาเกิดอีกคำถามต่อไปจากคุณอรณิชากราพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูกราบเรียนถามพระอาจารย์เมื่อช่วงสมัยหนูเป็นวัยรุ่นหนูอาจเคยทำผิดบ้างทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยความที่นึกคิดไม่เป็นเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้หนูรักษาศีลห้าตลอดค่ะพระอาจารย์ทำเช่นนี้หนูทําถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วอดีตน่ผ่านไปแล้วเราไปแก้ไม่ได้แต่เราแก้ปัจจุบัน ไ, ได้ปัจจุบันนี้เราอย่าไปทําบาปต่อไปบาปมันก็จะไม่เพิ่มพูนเราก็ควบคุมมือนคุมกําเนิดมันไว้บักบอลใส่มันไว้ให้มันตน้นเป็นต้นเล็กๆไป จะได้ไม่บาดซ้ำความทุกข์ให้กับเราอย่างใหญ่โตของเราละคำถามต่อไปจากคุณรานิดากราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบขอเมตตาหลวงพ่อโปรดชี้แนะเจ้าค่ะคือหนูเคยสนทนากับพระรูปหนึ่งว่าถ้าเราตายแล้วเราบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยความคิดว่าจิตส่วนจิต ตายแล้วดวงจิตเราก็ไปตามบุญกรรมที่เราสร้างร่างกายเป็นธาตุธรรมชาติซึ่งสามารถมอบเพื่อการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้อื่นได้หากเผาแล้วร่างนั้นคงเสียประโยชน์ไปเปล่าพระรูปนั้นตอบว่าควรทำพิธีให้เผาดีกว่าการบริจาคร่างแล้วให้เขาผ่านั้นเหมือนเป็นการประจานตนเองตอนนั้นหนูนิ่งเงียบ ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้แยง้งสงสัยว่าทำไมพระรูปนั้นจึงคิดเห็นเช่นนั้นนอกจากนั้นยังมีบางความเห็นกล่าวว่าหากร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นบริจาคอวัยวะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดใหม่ร่างกายจะไม่สมบูรณ์ไปด้วยซึ่งข้อนี้หนูก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันจึงอยากกราบเมตตาหลวงพ่อโปรดอธิบายเรื่องการบริจาคอวัยวะ หรือร่างกายว่ามีผลหรือมีอนิสงส์อย่างไรบ้างคะและในสิ่งที่พระรูปนั้นกล่าวจริงเท็จอย่างไรบ้างเจ้าคะกราบขอขมาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าคะ่ะเก็ไม่จริงโทษอต่ที่เขาพูดมันไม่จริงตั้งกายพอตายเวลาจะไปฟังไปเผาเอาเอามาต้อมยากินมันก็ไม่มีผลอะไรกับกับจิตใจของเราแล้วจิตใจเราทิ้งมันไปแล้วไม่ได้ทําไม่ได้ให้คุณให้โทษกับจิตใจของเราไปต่อไป ถึงแม้เราจะสั่งไว้ก่อนตายว่าหลังจากที่เราตายแล้วบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ส่งผลให้รให้กับจิตใจของเราถ้าอยากจะให้มันส่งผลให้กับจิตใจของเราเราต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาคไตไปข้างนึงอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้ใจเรามีความสุขเพราะเราได้เสียสละของที่เรารักของที่เราโหวให้กับคนใดคนหนึ่งที่เราอาจจะละก็ได้เช่นให้พ่อให้แม่หรือให้ใครก็ได้ เพื่อให้เขาจะได้มีชีวิตอยูต่อไปถ้าเราทําในขณะที่เราม่ชีวิตอยู่เราเห็นการกระทํำของเราเห็นผลที่เกิดจากการกระทําของเรามันก็จะทําให้เราเกิดมีความสุขใจมีความภูมิใจก็เรียกว่าบุญแต่ถ้าเราลอยจากตอนที่เราให้ก็ไปตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเข้าไปให้ใครหรือไม่เราก็จะไม่ได้รับผลจากการลอยจากอย่างนั้นถ้าอยากจะได้รับผลจากการลอยจาก ต้องบอริจากตอนที่เราไม่ตายแต่เราก็บริจากคได้คืนบางส่วเช่นเลือด น, นี่นะจะไปบริจาคเลือนได้มรืบอบริจากไตไปข้างหนึ่งเมื่อตาไปข้างงได้แต่ถ้าเรามาิจากทุกอย่างไปเราก็ตายแล้วซึ่งเรายคงยังไม่ต้องการที่จะตายส่วนเรื่องเวลาที่เราลั่นกายตายไปแนละ้วจะไปทําอย่างไรนี้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราอีกต่อไป แล้วเวลาไปเกิดใหม่ก็จะไม่ได้ทําให้เรามีขาดอวัยวะส่วนนั่นส่วนนี้ไปไปอย่างนั้นไม่เกี่ยวกันไม่ต้องกังวลไร้จัดได้ไว้จัดนั่งใจได้ไร้จัดตายไร้จัดตาได้ชาติหนาไปเกิดจะไ ม, จะไ ม, ม่จะไม่มีตายข้างเดียวหรือตายข้างเดียวแต่จะมีคนคอยมาบริจาดตายให้เราเวลาที่เราต้องการตายหรเวล า, เาต้องการตาแล้วมีคนก็จะมีคนมาไว้จาดตาให้กับเราได้ เราาได้คำาถามต่อไปจากคุณธรรมชาติกราพระคุณเจ้าเจ้าค่ะโยมไม่ได้ฝึกทำสมาธิแต่เห็นลมหายใจวิ่งขึ้นลงบ่อยมองลมไปเรื่อยๆแล้วพิจารณาเวลาขับรถนอนหรือกินข้าวก็พิจารณาเห็นอะไรก็พิจารณาแล้วไปลงที่โปง่งตามด้วยเวทนาค่ะ สรุโยมเห็นตายมีสิ่งสกปรกในกายและเห็นลมวิ่งขึ้นลงทั้งที่ไม่ได้สวดมนต์แต่โยมไม่สงสัยค่ะแต่อยากถามว่าทําไมโยมถึงเป็นเช่นนี้มาแลมปีค่ะทราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเอก็าชาติก่อนอจะเคยทำนี้มาก่อนมันก็ติดเป็นทิสัยมามชาตินี้มาเกิดมันก็ทำต่ออคำถามต่อไปจากคุณสุขพุกอยู่ที่ใจ ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ทำอย่างไรจึงจะถอดการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้ครับนัมั ส, ส ก, การครับอาจารย์ก็ดูตอนที่มันถูกยึดไปเนี่ยเวลารถนี่เป็นของเราเดี๋ยวพอเราไม่ได้ฝันให้นมให้ธนาคารเขาเดี๋ยวเขาก็มายึดไปเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราร่างกายเราเดี๋ยวยมาบาลเขามายึดไปเราจะรู้ว่าอ๋อไม่ใช่เป็นของเรา ก็เปอออย่่งางง้ไตูรคําถามต่อไปจากคุณสุขินปราบนรมาส ก, การพระอาจารย์ครับปราบรยนถามเวลานั่งสมาธิตั้งสติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธนานๆคําบริกรรมพุทโธก็หายไปเองจิตก็จดจอ่ออยู่กับลมหายใจแต่บางครั้งก็เผลอมีความคิดอื่นวิ่งเข้ามาในสมาธิบ้างแต่สติก็รู้ว่าโลก จึงดึงสติมาจุดจอดที่ลมหายใจใหม่แบบรู้ทันอารมณ์แบบนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมครับถูกต้องแต่ยังไม่ได้คนเต็มที่เต็มที่แน้าจิตตั้มรวมนิ่งสงบว่างลมหายใจก็หายไปทุกอย่างแล้วแต่สักแต่ว่ารู้นั่นก็เป็นเบรกค่ะมีคว า, า, ามสุขต้องทำต่อไปดูลมต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเกศแก้ว กลับรบกวนถามหลวงพ่อเจ้าคะ่ะหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเดี๋ยวนี้พระทานอาหารเย็นกันเยอะเลยปฏิบัติตัวไม่สมกับเป็นพระดิฉันทําบุญดิฉันจะได้บุญไหมคะเพราะจิตใจของดิฉันถดถอยเหลือเกินหมดศรัทธาคะ่ะก็อย่าไปทํากับบ้านที่ทุศีลเสียเหมืนมันมันเป็นบุญแต่เราไปส่งเสริมให้คนทำทำบาปทำให้มาทํำลายศาสนามันไม่สมควรที่จะไปทําบุญกับคนอย่างนั้น เเเลี่ยงมมาธิบัติให้ข้ า, มาวม้ากินค่ะออย่าน้อยมา้มมาว่าทําให้าศาสนาเสี่มเสี่แหถามต่อไปจากคุณชนละทร น, น้อมกลาบนมัสการค่ะในอดีตเป็นคนชั่วมากทําผิดศีลหมดทุกข้อและทําร้ายบุพการีด้วยแต่ปัจจุบันสับใจแล้วเราจะสามารถปฏิบัติแล ะ, จะเจริญก้าวหน้าในพรรมหรือไม่มคะ ได้ได้อดีตมันผ่านแล้วไม่มัออมนไม่มันไม่เป็นเหตุที่จะมาทําให้เราไม่สามารถทําความดีได้เราทําความดีได้เหมือนองค์ุลิมาฆาตคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังมาปฏิบัติเป็นพระอรหันตได้ยังไม่ต้องกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วดีหรือเชื่อมันก็ผ่านไปแล้วให้เราจังวลในปฏิบัติว่าเราทําความดีหรือทำความชืว่วเท่านั้นก็ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอู๋กลับเรียนถามพระอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะเห็นเงินเป็น อ, อสารพิษได้เจ้าคะ่ะเพรเวลามันหมดเลยวเวลามันหมดแล้วมันเป็นางาน ร, รู้สึกสุดก็ทุกข์อ่ะนะมันจะอากาศล้วตอนที่มันหมดคแนะตอนที่มันมีมั น, ม, น ม, มันไม่กัดเราแต่บางวันหมดที่ทุกข์ไปนะ ลอ ง, งลองดูสิเราถ้าไม่มีเงินใช้เราจะรู้สึกย่งไรถ้าไทุ ก, ท, กทุกก็แสงดงว่าถูกมู ก, กัด์แล้วคำถามต่อไปจากคุณไกลพิษน้องสาวผมนั่งสมาธิแล้วตัวลอยขึ้นจากพื้นสังเกตอยู่หลายครั้งพอออกจากสมาธิรู้สึกก้นกระแทกพื้นอย่างนี้แสดงว่าภาวะจิตถึงขั้นไหนแล้วควรทําอย่างไรต่อครับ กาไม่ถึงขั้นไหนหรอกก็ถึงแค่ขั้นสมาธิเนี่ยการนั่สมาธิสำหรับคนมางคนถ้าตัวพ้าจะลอยได้แต่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีความวิเศษสำหรับคนที่ตัวไม่ลอยการนั่งสมาธิไม่ต้องการให้ตัวลอยก็ไม่ลอยต้งการให้ใจสงบก็ไม่สงบคำถามต่อไปจากคุณจันณภากราบนมัสการค่ะเมื่อเราตายแล้วใช้อะไรไปเกิดคะ ก็ใจังไปเกยใจไม่ได้ตายกหบร่างกายเราเป็นฝาแฝดเนี่ยเราเป็นใจเป็นแฝดเป็นนายร่างกายเป็นบาวร่างกายตายใจไม่ได้ตายเกับร่างกายใจก็เป็นดวงวิญญาณไปเกาะร่างกายไต่อไปคำถามสุดท้ายจากคุณวินเรลเดอร์ขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับ <c oughs> คนที่ปฏิบัติธรรมถ้าบัรลุธรรมท่านขั้นโสดาบัน จะรู้ตัวเองว่าบรรลุโสดาบันไหมครับจะไม่รู้จักชื่อถ้าท่านไม่เคยศึกษาตำรา ม, มาก่อนแต่จะรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้เช่นปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ทุกกับการเป็นความตายทำเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายท่านจะรู้อย่างนี้แต่ท่านจะไม่รู้ว่าชื่อชื่อของเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านคมภีมา นั่นไม่ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นมาก่อนมีคําถามเพิ่มหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ <Okay. S 2> จากคุณเพ็ญณภาทําอย่างไรให้ความตั้งมั่นของเรามีความต่อเนื่องไม่ถดถอยไม่ถูกงานหรือชีวิตทางโลกดึงความสนใจไปค่ะเข้ามาจริจิติเรื่อยๆเข้ามาจาพุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูล่างกายขนเาเวลาเราทําอะไร หมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็หมดเวลาพอดีนะห้าทุ่นะเดี๋ยวต้องรีบไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตืนนะ่นแตีสี่กว่าตีห้าต้อง อ, อกไปบินสบายดิยัง ใ, ใครที่เข้ามาทีหลังไม่สามารถที่จะถามคำถามได้ก็ต้องเก็บไว้คราวหน้านะอแค่นี้ก่อนตลอดคืนนี้ก็ขอให้ท่านท่องนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไป ฉัน